สัมมาปโตมหาเตโชจันปัญจวคียาภิกขุนังสัมมาดมังภวเตสีสันทานาหังนามิตาังสังคิสโรมหาปัญโยทตวามาตังมหาชนังสังทิโตจิรังเชตัมหิ สวราหังนามามิตังบุทัสสสารวุยาเนนิพุตัสสัจาตาดิโนพุธัสสัสสาถาตุโยเสยรูปังนามามีหังพระปรมศาสดาผู้ทรงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จถึงป่าอิสุปตนามรึกขทยวันโดยสวัสดีภาพ ทรงแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรเป็นเบื้องแรกแก่ปัญญวัคคีโดยชอบข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าพร้อมณสถานที่แห่งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงปกครองสงมีปัญญาอันยิ่งใหญ่ประทานอมัตรธรรมแก่มหาชนส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมด้วยพระวิหารเชเทวันนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบระมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้คงที่ผู้เสด็จดับขันธปรินิพานณสารวรรทยานป่าศาละและขอนอบน้อมไหว้พระพุทธ ร, รูปสี้ห์ห า, า ย, ยายาธพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเพื่อเพื่อขอความเจริญในธรรมยมีแด พระทุกๆท่านนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวเราต่อพูดถึงในเรื่องของบรารมีคำว่าบรารมีบรารมีตรงนี้ที่พระบรมโพธิสัตว์ท่านบาเพ็ญมาเนี่ยนะครับลักษณะของบรารมีเนี่ยเขาเรียกว่าลัคนาทิจตุกกาที่เราจะเจาะเชิงลึกในการที่จะศึกษาในการที่จะเรียนรู้เนี่ยนะครับมาจากคาว่าปารานุหะ นรคนาก็หมายความว่าบา ร, รมีนั้นมีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะไม่ว่าจะเป็นพระทานนาบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขม้าปัญญาวิรยิยะขันติสาจาัจจะทิฏฐานาเมตตาและเบคะบา ร, รมีนะครับบารมีทุกบา ร, รมีเนี่ยที่เกิดขึ้นหรือประชุมในกระแสขันธาตุอยายตนากระแสชีวิตของพระบรมโพธิสัตว์นั้นน่ยจะต้องมีอัธยาศัยในการที่จะอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะ ลักษณะบา ร, รมีจะต้องเป็นลักษณะนี้อันดนุคค์ก็คือเกื้อกูลนั่นเองประการต่อมาคือหมายคาว่าเปรยสังอุปการการักกัะนราสาก็หมายความมีอันทําการอุปการรผู้อื่นเป็นกิจถามว่ากิจและหน้าที่ของบา ร, รมีนั้นมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของทานบา ร, รมีก็คือมีการอุปการรัผู้อื่นอุปการรัสรรพสัตว์ทั้งหลายศีลบา ร, รมีก็บําเพ็ญเพื่ อ, ออุปการรกเแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เนคขม้าปัญญาวิริยะขันติสั จ, จ่าธิฐานเมตตาและเวขาบารมีทุกบารมีเนี่ยที่ประชมในกระแสชีวิตของพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลา ย, น, ยนั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องทํากิจในการอุปการะผู้อื่นนั้นเป็นกิจเป็นหน้าที่นี่เป็นไปในลนนักษณะนี้หรือมีความไม่หวั่นไหวเป็นกิจฉะนั้นในการขับเคลื่อนบําเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นนั้นเนี่ย การหมุนบารมีการขับเคลื่อนบารมีที่ประชุมอยู่ในกระแสชีวิตของพระบรมโพธิสัตว์นั้นนะ่ะมีการขับเคลื่อนไปเนี่ยถึงแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคประการใดก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรมาขัดขวางได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาพระองค์จะบำเพ็ญทานบารมีนี่นะครับถ้ามีคนมาขัดขวางในการที่จะไม่ให้ไม่ให้ทานบารมีของพระองค์นั้นสำลิดผลเนี่ยไม่มีใครจะขัดขวางได้อะมีอยู่พระชาติหนึ่งใช่มครับ ตอนนั้นน่ะพระองค์ก็บำเพ็ญทานบารมีภายนอกอะ่ะรู้สึกว่าบำเพ็ญไปบำเพ็ญมารู้สึกไม่ตื่นเต้นมีอยู่วันหนึ่งท่านก็นเลยดำบลีบอกแม้เนี่ยบำเพ็ญบารมีภายนอกมีการสละวัตถุภายนอกไม่ค่อยตื่นเต้นเลยท่านก็นเลยตั้งดําริบอกว่าพูดออกมาบอกว่าอยากจะควักดวงตาเนี่ยถวายเป็นทานนึกคืนใช่ไหมครับเออท่านได้ควักดวงตาถวายเป็นทานได้เนี่ยจะชื่นใจจะปีติจะปลาโมดมากว่างั้นเถอะ ขอให้มีใครก็ได้ที่เป็นคนต้องการตาตาบอดเนี่ยมาขอตาจากเราเราจะให้ตาทันทีโดยไม่โดยไม่หวั่นไหวโดยไม่สะทกสท้านเลยท่านก็พูดไปแบบนี้คำที่เกจจำงหรือความจงใจของท่านมีวันหนึ่งก็มีพรามคนหนึ่งตาบอดนั่นแหละที่มีเทวดาที่บอกว่าในรมิตเป็นทานพานตาบอดมามาไปพรามเนี่ยมาขอตาท่าน พอบอกว่าเจอคนตาบอดมาขอดวงตาแค่เนี้ยท่านตื่นเต้นทันดีเลยท่านก็บอกว่าบอกว่าให้เข้าไปหาในวังนะเออถ้ามาต่อหน้าประชากรเยอะๆมาเดี๋ยวจะมีคนขัดขวางถ้าคนขัดขวางขึ้นมาเนี่ยการให้ทานของเราเนี่ยมันจะอุปสรรคเยอะๆท่านก็เลยให้เข้าไปหาในวังในพระราชวังแล้วท่านกออ็นั่นสถานที่เขาไว้ไปๆมาๆอิตาพรามคนนี้ก็เข้าไปเรื่องมันก็เกิดว่า ดังขึ้นมาบูประโยรญาต์พากันมาโอ้โหห้อมล้อมมาขอร้องว่าขอให้เปลี่ยนความตั้งใจเธออย่าได้ให้เลยเพราะว่าการเป็นพระราชามหากษัตระสัดทตาบอดซะแล้วเนี่ยเขาเรียบร้อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระราชาหากระสัดที่บริบูรณ์ได้สมบูรณ์ได้ไม่สามารถจะทําหน้าที่ได้ดีได้เป็นต้นก็เป็นคนพิการไปซะแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ได้หรอก ถ้าเราได้มีความตั้งใจแล้วเนี่ยมันเป็นความตบัดสัตว์ของเรานะการไม่ให้เนี่ยมันรู้สึกเป็นความโกหกคนอื่นไม่พอมันละอายแก่ใจตระเองด้วยเมื่อไได้พูดคําไหนออกไปแล้วเนี่ยต้องจะต้องยืนหยัดในการที่จะให้ให้ได้เงี้ยหมู่ประโยชนระยะทั้งหลายก็พากันอ้อนวอนร้องไหย้ยังไงท่านก็ไม่ยอมจะเลิกล้อมความตั้งใจเห็นไหมเนี่ยไม่มีอะไรจะขัดขวางได้ไม่หวั่นไหวในการที่จะให้ด้วยและท่านก็บอกหมอศิวสิวกะศชิวกะบอกว่าเออนี่หมอ ตจงรีบเอาอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่มาควักตาของเราออกมาเราอยากจะให้ทานเราอยากเห็นทานบารมีของเราอย่างนี้เป็นต้นหมอก็ใช้ยางนีครับใช้ยาไหมหยอดเข้าไปเนี่ยในตายาเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนน้ำกรดหมอคนนี้เป็นหมอที่ชํานาญมากเพราะยาใส่เข้าไปมันไม่กัดตานะมันกัดเฉพาะเนื้อที่รอบๆดวงตานะั้นเนี่ยกัดกัดกัดเข้าไปจนเป็นรูลึกเลยเนี่ยจนเป็นรูลึกเลย จนตาเนี่ยมันกริ้งกริ้งได้เลยเลือด ก, ก็ไหลอ่าพ่อระากายเนี่ยนะพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยอาพอระกายเนี่ยท่านก็ข่มทุกขเวทนาตนเองไว้นะครับเอาไร่ข่มเอาอัตโทสะก็คือความไม่โกรธก็เรียกขันติบา ร, รมีเป็นตัวข่มไว้เอขันติบารมีเป็นตัวข่มข่มทุกขเวทนาและเลิกนึกถึงทานนอุปปา ร, ปรมียิงตนเองที่จะสละอ ว, วัยวะเป็นทานเนี่ย ว่ายิ่งใหญ่ยังไงจะได้มาซึ่งสัมมาสัพพริยานท่านก็ตรึกกุศลเหล่าเนี้ยพอการคิดในลักษณะนี้ตัวกุศลจิตเกิดขึ้นมาก็ข่มทุกเวทนาได้ทุกเวทนาทางใจก็ไม่เกิดขึ้นท่านก็บอกว่าหมอรีบจัดการทีหมอก็บอกว่าท่านนะเ อ, อท่านบอกว่าถ้าหากว่าพระเจ้าเวดินเนี่ยปรารถนาอยากจะกลับใจนะสามารถที่จะเอายาหยอดเข้าไปให้เนื้อมันเต็มได้ให้หายได้นะด้วยความสามารถของหมอคนเนี้ย ผู้ช่วยินก็บอกว่าพระปรมาภิศาเขาบอกอย่าไปทําอย่างนั้นให้เรียบแล้วเราอยากเห็นฐานบารมีของเราก็ยาหยอดเข้าไปในเบ้าตาอีกตาก็หลุดออกมาทีนี้ยทีนี้หลุดออกมามันก็มีสายไอ้เส้นที่โยงตาอยู่เนี่ยใช่ไหมแต่ว่าหลุดออกมายังได้ไม่ไม่มากหมอก็ถามต่อว่าต้องการเอาตากับคืนไหมถ้าต้องการเนี่ยสามารถจะรักษาได้นะโอ้โหบอกให้จัดการให้เต็มที่เลยถ้าปเป็เราเป็นไงครับ เนี่ยเนี่ยวิธีวิธีคิดของท่านเลยท่านก็ตื่นเต้นเห็นไหมครับเอาเอายาเอาใส่ไปใหม่พอใส่ามาก็หลุดออกมายาวออกมาเป็นคืบเลยหมอก็บอกยังรักษาได้ตอนเนี้ยท่านก็บอกไม่ต้องการแล้วก็หมอก็เลียวมีดตัดตาก็หลุดออกมาแล้วก็ท่านก็บอกว่าช่วยอาใส่ที่มือให้ท่านหน่อยพอท่านใส่ที่มือพอ พอเอามือเนี่ยมารับดวงตาขึ้นมาเนี่ยปาโมดปีติปสัสสติสุขสมาธิก็ตั้งขึ้นโรสแล่นในใจบอกว่าทานนบัรมีของเราสมฤทธิผลแล้วทานบา ร, รมีของเราสมฤทธิผลแล้วเราได้สละดวงตาได้สละอวัยวะนี้เป็นทานแล้วมนุษย์เทพยายดาอารักษ์ทั้งหลายจงโมทนารในทานบัรมีทานุ ป, ปบัรมีของเราแม้เชื่อมโยงไปถึงทานนป ร, รมัตถบัรมีที่เราจะให้เราจะสละเนี่ยก็จับมือพราหมณ์มาเนี่ย แล้วให้หมอจัดการเอาดวงตานั้นใส่ให้กับพรามอย่างเงี้ยเนี่ยกรณีลักษณะการให้ทานแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นการให้ที่ ท, ที่ใจเด็ดเดี่ยวมากลักษณะนี้คือไม่หวั่นไหวฮีเติตาปจุปัฏฐานานะหมายความว่ า, วาจุปัฏฐานาก็คือมีการสแสวงหาประโยชน์ก็กูลเป็นผลปรากฏหรือพุทธตตะปะจุปัฏฐานาก็ได้มีความเป็นพระเจ้าเนะี่ยเป็นผล ก็คือสิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ยหวังอะไรนะไม่ได้หวังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสักการสมบัติพรหมสมบัติหรือสาวกบารมีญาณปัจเจกบผดิญาณสิ่งที่ต้องการคือสัมมาสัมผัิญาณเท่านั้นจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรได้สัมมาสัมพัิญาณมาเพื่ออะไรเพื่อจะขนสัตว์หรือสัตว์เพื่อประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายนี่แหละนั้นสิ่งที่ได้สัพพยุตยานมาสัมมาสัมพัิญาณมาก็เพื่อจะได้อะไรได้สมาได้ พยานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัพพัญญุตยานอนนาวรณายานอินทรีย์ปรโรปเรียติยานมหากรุณาสมาปฏิยานยมกบปฏิหาริย า, ยานเนอาสยานุสสยายานเป็นต้นเนี่ยพยานที่เป็นอาสาธรณยานที่ประชุมในกระแสขันธาตุยนานตระนักระแสชีวิตของท่านเมื่อท่านได้พยานเหล่านี้แล้วเอาพยานเหล่านี้นี่แหละไปกล่าวพระธรรมแสดงธรรมในการที่จะโปรดสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเป็นต้นนั่นละมีพระพุทธเจ้าเป็นผล มหากรุณาปทัทฐานาก็ได้มีมหากรุณาเป็นเหตุใกล้หรือมีความกรุณาป า, ปายาโกสัตระทัทฐานามีมหากรุณาเป็นเหตุใกล้หรือมีความฉลาดในอุบา ย, ย่างกรุณาเป็นเหตุใกล้นั่นก็คือเป็นปทัทฐานเป็นเหตุใกล้ของบารมีนะถามว่าเวลาจะคิดให้บารมีเกิดทําไมเราต้องให้ทานกรุณากรุณาแกษัตว์แล้วก็มีปัญญาฉลาดในอุบายในการที่จะให้ทาน ว่าจะขับเคลื่อนทานเจตนาโยธาทานกองทัพของทานบารมีให้มันขับเคลื่อนเพื่อจะบทขบยี้กิเลสให้หมดสิ้นจากกมลสันดาลอย่างไงขับเคลื่อนศีลเจตนาโยทาเนคขมมะเจตนาโยธาปัญญาเจตนาโยธาปัญญาเจตนาโยธาวุริยาเจตนาโยธาขันติเจตนาโยธาสัจจญเจตนาโยธาอธิษฐานเจตนาโยธาเมตตาเจตนาโยธาและอุเบกขาเจตนาโยธาในกองทัพนะครับ ในบรรดาบา ร, รมีทุกบา ร, รมีเป็นประดุลดังกองทัพเป็นกองทัพทําในการที่ประชมลงในพระบรมโพธิสัตว์ทำให้บา ร, รมีเหล่านั้นนะขับเคลื่อนนี้เป็นต้นฉะนั้นคำว่าบา ร, รมีบา ร, รมีตรงเนี้ยก็สามารถมองให้ได้เห็นได้อย่างหนึ่งก็คือทานบา ร, รมีศีลเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเวขาบา ร, รมีเนี่ยบัณฑิตพึ่งกล่าวปกิณกะคาถาในบา ร, รมีทั้งปวงเพื่อความเป็นผู้ฉลาดหลายประการนะ ในโพธิสมภารของกุรบุตรผู้ตั้งอยู่ในฐานะนั้นได้อุตสาหะในการปฏิบัติสู่โพธิญาณก็คือว่าการขับเคลื่อนการบ่มเพาะการปลูกฝังบ่มบา ร, รมีเหล่านั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งโพธิญาณโพธิญาณก็คือปัญญาสูงสุดปัญญาที่แทงตลอดสัจจสี่บา ร, รมีทั้งหลายบา ร, รมีทั้งหลายคืออะไรก็คือคุณธรรมเนี่ยคุณธรรมมีทานเป็นต้น จนถึงเวขาบารมีที่สุดเป็นที่สุดที่พระมหาสัตว์ค้นหาด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายหองกุณาอันตัญหามาณทิฐิไม่เข้าไปทําลายแล้วนี่คําว่าบารมีแปลว่านี้เนี่ยเออบารมีเนี่ยเออปารมีคําว่าปารังปารังศัพท์เนี่ยก็คือพันนิพานปารังเนี่ยคือพันนิพานนี่เป็นบทหน้าคำนีธาตุในความเป็นไปลงนะปัจจัยลบอะไร ลบณนะลบที่สุดแห่งธาตุกลายเป็นบรารมีก็แปลว่าคุณธรรมมีทานเป็นต้นที่ทําให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานจากนั้นถ้าไม่มีตัวคุณธร ร, รมหรือพุทธการกรรมหรือบรารมีเหล่าเนี้ยการจะเข้าไปถึงฝั่งคือพระนิพพานเนี่ยมันไปไม่ได้นะลักษณะของบรารมีเหล่านี้จึงเป็นไปลักษณะบอกว่าคําว่าบรารมีก็แปลคุณธรรมมีทานเป็นต้นมีทานมีศรรมีลมีเน taraf, คขม่าเป็นต้นเนี่ยที่ทําให้ถึงฝั่งฝั่งในที่นั้นก็คือทําให้ถึง พานิพานนยะถึงฝั่งก็ทําให้ถึงพานิพานทีนี้ในการบําเพ็ญบารมีดังที่ได้กล่าวไว้เมื่อเช้าที่บอกว่าพุทธภูมิธรรมที่ยิ่งใหญ่สี่ประการใช่ไหมหนึ่งอุตสาหะได้พูดไปแล้วก็คือว่าหลังจะได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยจิตที่บุคคลหรือพระโพธิสัตว์ ท, ท่านได้รับแล้วประกอบด้วยอุตสาหะให้มีความภาคเพียรในการที่จะสร้างพุทธบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดทุกอัตภาพที่เกิดทุกชาติที่เกิด สองอุ ม, มัตตะก็คือย่อมสมาทานอุมาตตะพุทธธรรมพยายามยังจิตของตนในประกอบไปด้วยปัญญาประกอบด้วยญาณนะประกอบด้วยข้อมูลความรู้ด้วยชานฉล า, าดอย่างเฉียบแหลมเพื่อจะยังพุทธบา ร, รมีนั้นให้บำเพ็ญให้ยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปทุกชาติอวัตถานะก็คือว่าหลังจากได้รับพยากรณแล้วเนี่ยก็ยังจิตของตนเองให้มีความมั่นคงเขาเรียกอธิษฐานธรรม คือทำที่ทําให้มีความแข็งแรงและมั่นคงไม่หวั่นไหวหิตตาจริยาก็คือว่าหลังจากได้รับพยากรแล้วย่อมสมาทานฮิตาจริยาพุทธการกรรมธรรมก็คือว่าพยายามยังจิตของตในใประกอบด้วยเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีแล้วประกอบด้วยกรุณามีความสงสารไข่าจากบําเพ็ญบา ร, รมีเกื้อกูลแก่หมู่สัตว์ทุกท่วหน้าอยู่เนืองนิจตลอดชาติที่เกิดถ้ามองนี้เราจะได้เห็นชัดว่าและยัง ม, มีการประกอบด้วยภาวนาสีนะ คนที่จะบำเพ็ญเป็นพระบรมโพธิสัตว์ได้เนี่ยหนึ่งสัพพะสัมภาราภาวนาสองนิรันตระภาวนาสามก็กิราการาภาวนาประการที่สี่ก็สักกจจะจ่ภาวนาต้องมีภาวนาสี่ไดบรรดาภาวนาสี่เนี่ยประการที่หนึ่งสัพพการาภาวนาก็คือต้องบําเพ็ญบารมีทุกอย่างโดยไม่มีการละเว้นไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาแค่ทานบารมีก็พอเนี่ยไม่ได้ ต้องทั้งศีลทั้งเนกข ม, มารทั้งปัญญาเป็นต้นเนี่ยจนถึงอุเวขาบารมีเอาแค่บารมีธรรมดาได้ไหมไม่ได้ต้องมาเป็นอุปบา ร, รมีทั้งสิบแล้วกัปารวัตบารมีทั้งสิบแค่นี้พออย่างยังต้องมีมหาปริจาค่าอีกห้าด้วยมีทานนปริจาค่าเป็นต้นจนถึงการสระชีวิตนี่แหละเป็นที่สุดไม่ต้องใจกล้าแบบนี้นะครับเนี่ยถ้ามองอย่างนี้เราจะได้เห็นในะเวลาคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่าไร เ, เวลาไหนในจะได้มีความค่อนข้างอุ่นใจและชื่นใจ เราจะมองได้เลยว่าไม่มันไม่มีบรรดาบุคคลใดในโลกเนี้ยจะมีความที่เราคิดถึงแล้วจะตื่นเต้นหรือเชื่นใจเท่าการคิดถึงพระเจ้าถ้าลองคิดดูสิครับคิดแม้คิดถึงพ่อถึงแม่ยังไม่เชื่นใจเท่ากับคิดถึงพระเจ้าเลยคิดถึงพ่อถึงแม่จิตใจยังหวั่นไหวยังทุกข์บ้างเครียดบ้างวิตกกังวลบ้างใช่ไหมดีใจเสียใจบ้างแต่คิดถึงพระเจ้าเนี่ยไม่มีครับยังปราโมดปีติปัสสติสุขสมาธิเป็นต้นให้ตั้งมั่นแล้วก็เป็นปัจัยเกิดญาณปัญญาด้วยอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นเวลาใดท่านทุกเวลาใดท้อเวลาใดเหงาหงอยเศร้าซ้อยให้คิดถึงใครคิดถึงพระเจ้าเราบทสวดหลายบทใช่ไหมที่บอกว่าที่พระเจ้าบอกว่าไงบอกว่าในบรรดาหมู่เทวดาทั้งหลายที่เขาสอนลูกน้องเขาไม่ว่าจนเท้าส ก, ก่าเป็นต้นเนี่ยที่จะไปออกรบเนี่ยบอกว่าเวลาเกิดจะไปรบขึ้นมาในเวลาเกิดความกลัวไม่กล้ารบจิตใจหดหู่ท้อถอยให้มองถึงธงของเรานะ ให้ดูธงใช่ไหมล่ะบทอะไรนะนั่นแหละให้นึกถึงธงธงของเท้าสก่าเป็นต้นเหล่านี้พอเนึกถึงธงเห็นมองไปที่ธงของเท้าสก่าแล้วคิดถึงท้าสก่าแล้วเนี่ยความกลัวก็จะหายว่างั้นนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าในบรรดาลูกน้องของเทวดาเหล่านั้นเน่ะตอนที่เคารพกันมีเท้าเวทประจิตติเป็นต้นรอบกับเท้าสก่าเนี่ยนะลูกน้องต่อลูกน้องก็เข้าไปรอบกันยกกองทัพไปรอบกันเนี่ย เวลาคิดถึงธงคิดถึงยอดธงของเท้าสากาพเพตเตอรนะ์บางครั้งความกลัวหายบ้างบางครั้งก็ไม่หายบ้างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบรรดาท้าสกาทั้งหลายเท้าเวปจิตติทั้งหลายยังมีราคะความกำหนัดจะมีโทสะความโกรธยังมีโมหะความหลงจากนั้นไปคิดถึงคนยังกิเลสยังมีนองไหลยอยู่ในจิตใจเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้ความกลัวนะั้นหลุดลอยหายไปได้ว่าไงมีเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเหมือนการไปคิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระพรหมอยาเงี้ยพระพรหมก็ไม่ใช่บุคคลที่บริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะ นั้นความกลัวไม่หายพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาใดเกิดความกลัวขนพองสยองก้าวเนี่ยให้คิดถึงเราคิดถึงใครคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดยังไงบอกได้นะแม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยคิดเลดีเป็นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาแปดจาระสิบห้าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารทีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นบรมศาสตรสาของเทวดาแล้วบนเดชทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมราตนะเวลาเราคิดอย่างนี้ความกลัวหายไหมหายไม่หายที่ไม่หายคิดไม่เป็นนะครับถ้าคิดแค่นี้ไม่หายจริงผมลองคิดดูแล้วลองที่เกิดเครื่องบินจะตกเกิดอยู่ในปุ่งในปา่าคิดยังไงเฮ้ยทำไมความกลัวไม่หายก็ ค, คิดอย่างนี้คิดพระเจ้าเป็นพระอรหันเราก็จะฝึกตนเองให้เป็นพระอรหันต์ตามพระเจ้าด้วยพระเจ้าแทงตลอดสัจจะสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมาก เราก็จะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้แทนตลอดสัจจะสีตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระเจ้ามีวิชาแปจารณะสิ้าเราก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงวิชาจารณะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าเสด็จไปดีแล้วคือตามมัชฌิมาปฏิปทาเข้าถึงนุปาทาปรินิพานเราก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงตามมัชฌิมาปฏิปทาเข้าถึงนุปาทาปรินิพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเนี่ยคิดในลักษณะอย่างเงี้ยคิดต้องเกิดผลกําลังใจเขาจะไหมแต่ค <Yes. S 2> ิดข้างนอกอย่างเดียวมันเลื่อนลอยมันฟั้นเปลื่อเรื่นหลงนะแต่คิดแล้วก็ปลุก ตัวเองก็จะตามไม่ได้จะตามไม่ได้พระเจ้าไม่มีความกลัวคือราคะความกําหนัดก็ไม่มีโทสะความโกรธก็ไม่มีโมหะความหลงก็ไม่มีใช่ไหมมานะเยอะยิ่งถือตัวก็ไม่มีทิฏฐิความมิเห็นผิดก็ไม่มีความละอายต่อบาปในความไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปก็ไม่มีความฟุ้งซ่านลาคัญใจก็ไม่มีฉะนั้นเราก็จะฝึกตนเองให้ร่าราคะโทสะโมหะเนี่ยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เป็นต้นเนี่ยพอลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่า มันเกิดความรู้สึกว่ามีกําลังใจและจะไม่กลัวเขาใจยังเพราะเรามีพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นเราจะคิดถึงคิดถึงพระเจ้าอย่างนี้ก็ปกเราตนเองในการที่จะเป็นอย่างพระเจ้าให้ได้ฝึกตนเองให้เข้าถึงธรรมะที่พระพระเจ้าเข้าถึงให้ได้นะถ้าคิดอย่างเนี้ยความกลัวมันจะหลุดลอยหายไปอันนี้ลองใหม่นะลองใหม่เราไปอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวเจอสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่คิดอย่างนี้ไม่ใช่คิดไปที่พระเจ้าอย่างเดียวคิดถึงว่า เราจะฝึกตนเองให้เข้าถึงคําสอนตาของพระเจ้าให้ได้ให้ได้ในอัถภาพนี้ด้วยเงี้ยฝึกตนเองอย่างนี้คิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆได้ไหมแบบเนี้ยงั้นในทชัชกสูตรท่านสอนให้คิดแบบนี้แล้วก็คิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์อันเดียวกันนะครับจากตถาคตโพธิสัตย์จะกลายเป็นรัตนัตยัตติสัตย์ก็คือสัตย์ในพระรัตนไตรยัยแคนั้นคําว่าสัภการะภาวนาคือต้องบําเพ็ญบา ร, รมี อย่างทุกบารมีโดยไม่ละเว้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยเหลือไว้หนึ่งวันบารมีดีกว่าไม่ไหวบารมีข้อนิมเอาไม่ไหวไม่รอดแน่ไม่ใช่อย่างนั้นนั้นบําเพ็ญทุกๆุบารมีโดยไม่ย่อท้อโดยไม่หวั่นไหวนี่เป็นงนี้ทีนี้ประการที่สองก็คือนิรันตรภาวนาคือต้องบําเพ็ญบารมีเนี่ยทุกชาติโดยไม่มีระหว่างท่านตลอดสี่สงขายยิ่งด้วยแสนกับนิรันตระก็คือไม่มีระหว่างนั้นในทุกๆุกวัน ในทุกๆอัตภาพไม่ใช่ว่าโอ้ชาตินี้บําเพ็ญเต็มที่แล้วขอพักสักชาติเถอะไม่มีนะการเป็นพระโพิษัตวเนะี่ยไม่มีพักหรือว่าโอ้โหเมื่อวานเนี่ยบําเพ็ญบารมีมาเต็มที่แล้วเดี๋ยววันนี้นอนตั้งหนงวนันวันพรุ่งนี้ค่อยบําเพ็ญต่อจะไม่มีลักษณะการคิดแบบนี้พวกเรามีไหมการคิดแบบเนี้ยมีบ่อยไหม <c oughs> อย่างนี้พนทุกยาเลน เขาห้ามคิดแบบนี้ไม่มีนิรันตะภาวนานิรันตระก็แปลว่าไม่มีระหว่างขั้นนะอนันตระเนี่ยอนันตระนี่ไม่มีระหว่างขั้นบางคนเนี่ยเวลาเราไปขั้นนานเหลือเกินเนี่ยโอ้โหมาวานนี่นเหนื่อยนะดูขอนอนยาวๆสักวันโดนีนนี่ไม่มีอย่างนั้นนะก็มีแต่ขวนขวายมีแต่ตื่นเต้นมีแต่เร้าใจในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตันเองนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้การบริเวณบารมีต้องแบบนี้นะครับ ตรงนี้ยถ้าเรามีจิตใจจดจอ่อมีจิตใจมุ่งมั่นว่าจะบําเพ็ญบา ร, รมีอย่างติดต่อและต่อเนื่องใช่ไหมถ้าหลังจากได้รับพุทธบุตรยกรแล้วเนี่ยมิใช่โอ้โหสบายแล้วยังไงยังไงคํำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งไม่มีสองได้ไหมครับเราจะไม่ต้องบําเพ็ญบา ร, รมีอีกแล้วเพราะยังไงพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วยังไงแล้วก็สําเร็จผลอยู่แล้วนอนกันซะเลยได้ไหมอาจจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ บุคคลที่เป็นผู้เป็นเ อ, อเขาเรียกว่าบุคคลที่ได้เขาเรียกเป็นปัดฉิมภวิกษัตริย์เคยได้ยินคํานี้ไหมครับอะปัดฉิมภวิกษัตริย์เคยได้ยินคํานี้ไหมพวกเราถามเลยไม่คย่ยไม่ค่ยได้ยินกันเลยไม่ค่ยได้ยินเพิ่งได้ยินใช่ไหมสัตว์ที่จะเกิดในชาติสุดท้ายคือต้องบรรลุเนี่ยในลักษณะแบบนี้ แต่ในเรื่องนี้มันมีอย่างนี้นะมีข้อแม้ไม่ใช่ไม่มีคำว่ า, าปัตถิมพระวิษสัตว์เนี่ย เ, เดี๋ยวเราสองสามีภรรยามีอยู่วันหนึ่งพระบระมา ศ, า ศ, าศาสดาสเสด็จดําเนินไปพร้อมด้วยภิกษุสองมูใหญ่ก็ไปเห็นสองสามีภรรยาตาบอดขอทานใช่ไหมขอทานนั่งอยู่ขอทานตาก็บอดพระเจ้าก็ชี้ให้ภิกษุทั้งหลายมีผ้า น, นอนเปต้นบอกว่าเห็นไหมบอกเห็นเนี่ยตาแก่ สองตายายตาบอดเนี่ยบอกเป็นยังไงถ้าก็ประทถามพรุทธยาพุทธยาเขบอกว่าอตาแก่ๆเนี่ยสองตายายตาบอดเนี่นะนั่งขอทานเนี่ยทํามากินเองไม่ได้เนี่ยในช่วงปฐมวัยนะวังนั้นเถอะเนี่ยชีวิตเนี่ยวิบัติไปนีเพราะอะไรในช่วงปฐมวัยนะตั้งแต่เกิดจนยี่บห้าปีในช่วงเนี้ยถ้าขวนขวายในทางโลกจะแต่จะได้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ในเมืองนี้ แต่ถ้าออกบวชในช่วงปฐมวัยนะครับขวัขวายในการเจริญสวัสดิวิปัสสนาอย่างติดต่อและต่อเนื่องนะไม่ประมาทนะสามีจะเป็นพระราหารันภรรยาจะเป็นบ้านน า, าคามีเนี่ช่วงปฐมวัยวิบัติแล้วเห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยเลยเอา้ามัชชิมะยา ม, มยามมวัยยี่บห้าถึงห้าสิบปีถ้าขวัขวายทางทางโลกนะจะเป็นมัชชิมะเศรษฐีทั้งคู่เลยเนี่สองสามีภรรยาเนี่ยถ้าออกบวช สามีจะเป็นป้านาคาภรรยาจะเป็นป้าสกาทาคาเนี่ยในช่วงมัดฉิมอวัยวะวิบัติอีกไม่ได้เรื่องอีกเห็นไหมเนี่ยอาปัดฉิมอวัยตั้งแต่ห้าสิบปีจนถึงยังไม่เลอะเรือนนะห้าสิบปีจนถึงไม่เลอะเรือนเนี่ยถ้าอยู่ทางโลกจะเป็นกูรัเศรษฐีเลยถ้าข้นขวายทางโลกนเนี่ยเศรษฐีน้อยอในเมืองเนี่ยแต่ถ้าออกบวชนะสามีจะเป็นพระสกาทาคาภรรยาจะเป็นพระโสดาบัน แต่นี่เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นปฐมมวัยก็ดีมัชิมมวัยก็ดีปัจฉิมมวัยวิบัติหมดกลายเป็นคนแก่หากินหาข้าวกินเองไม่ได้เหมือนนกกระเรียนแก่ตาบอดหาปลาหาจิกปลากินเองก็ไม่ได้นี่น า, นาอานาตนี่ยปัจฉิมพระวิกษสัตย์อะยงบุญเก่าดีแต่ประมาทในปัจจุบันเหมือนพวกเราเนี่ยบุญเก่าในอดีต ด, ดีไหมดีไม่ดีอ่ะ เฮ้ยไม่ดีได้ไงตาตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายสติปัญญาดีได้เป็นมนุษย์ด้วยที่สําคัญกว่าหลายๆายร้อยร้อยแลล้านคนก็คือได้บวชในพุทธศาสนาด้วยอย่างเนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันนอดีตเหตุน่ะดีแต่ลองดูที่ลองคิดใหม่ที่โอ้กูดได้บวชแล้วเดี๋ยวมรรคผลมันวิ่งมาเองเดี๋ยวความสําทธิ์ผลมันมาเองแล้วกูจะนอนรอมันอย่างนี้แล้วกูไม่ทําอะไรหรอกลองลองดูทียลงคิดอย่างนี้ที่วิบัติหมด นข้านะเป็นหลงตาแ ก, แก่องค์หนึ่งแล้วก็หาบินทบาทกินเองก็ไม่ได้น้าข้านะคข้าก็นอะนเะหมือนคนอนาถาก็ไม่ต่างอะไรกันใช่ไหมครับลองดูที่วิธีคิดแป๊กเดียวก็แล้วมันจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งทันทีถ้าดำริผิดแนละ้วมันมันผิดหมดเลยนะเนี่ยมันอยู่ที่การขนขวายในปัจจุบันบางคนไปเข้าใจพวกเนี่ยโดยมากพุทธบริษัทเนี่ยเป็นพวกปุบเพกะตเตุวาธาเยอะเชื่อกรรมเก่า ทุกอย่างทุกอย่างโยนไปให้กรรมในอดีตหมดเคยเป็นไหมแบบเนี้ยชาวพุทธชาวไทยเนะี่ยโดยส่วนใหญ่ก็โยนทุกอย่างไปให้ในอดีตหมดเป็นพวกปุเพรกรตะเหตุาหวาทะเป็นพวกเออโอยเป็นพวกกรรมในอดีตเราทํากรรมในอดีตมาก็ชดใช้ไปเคยคิดคิดแบบนี้ไหมครับไอพุทชอบชดใช้กรรมอ่ะโอ้ต้องมาบวชอยู่ตรงนี้สงสัยกรรมชาติที่แล้วทํากรรมไม่ดีมาต้องมาชดใช้อยู่งเงี้ยี่ยเนี่ยพวกเนี้ยโยนไปให้กรรมในอดีต นี่ไม่เชื่อฉันท่านในปัจจุบันไม่เชื่อความเพียรในปัจจุบันไม่เชื่อขันตีในปัจจุบันไม่เชื่อปัญญาในปัจจุบันไม่ขวนขวายไม่ขวนขวายในปัจจุบันนี่พวกนี้พวกปุเพกตาเหตุวาทะ น, นี่ประเด็ที่หนึ่งประเภทที่สองอิสระนิมานวา ท, าท้ทิฏฐิพวกนี้เชื่ออะไรทุกอย่างโยนให้กับเทพเจ้าโยนโยนให้พระเจ้าสุขทุกสมหวงังผิดหวงังได้ดีตกยากมีเทพเจ้าตนบันดาลให้มีเยอะไหมแบบนี้ เป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วมั้งตอนเนี้ยอิสราเอลนิมานาวาทะรวมรวมทั้งคริสต์กับอิสลามรวมกันโอ้โหทั้งโลกเลยเนี่ยกลุ่มนี้ยอมยกสุขทุกข์สมหวังผิดหวังทั้งหลายให้งงกับพระผู้เป็นเจ้าผู้พูดโดนบันดาลทั้งๆ ท, ง ท, งที่ผู้เคนที่จะมาดนบันดาลก็ไม่มีอยู่จริงกลุ่มพวกเนี้ยที่ตนเองทําขนขวายทั้งหลายเหล่าเนี้มันมาจากความเพียรของตนเองแท้ๆมาจากฉันทะมาจากสติปัญญาของตนเองแท้ๆแต่ ด้วยความมึนในชีวิตถูกสอนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่ามีเทพเจ้าเป็นผู้ดลบันดาลก็เลยเป็นสำคัญว่ามีเทพเจ้าเป็นผู้ดลบันดาลความสำเร็จให้บ้างสมหวังผิดหวังเป็นต้นไปนี่กลุ่มที่สองกล่มที่สามก็คืออเหตุกาวาทาทิฐิกุมนี้กลุ่มปฏิเสธเหตุพวกนี้เชื่ออะไรดีเชื่อดวงดาวบนท้องฟ้าบอกโอ้โหประเทศไทยที่เป็นอย่างเงี้ยมันเพราะมีดาวดวงเนี้ยมาทับลักคณาดวงนี้ขึ้นมาเกิดราศีนี้มาทับราศีนี้ขึ้นมาเนี่ย ปไปเลยเป็นเหตุทําให้เกิดโอ้แหกการเมืองก็ไมด่ดีประเทศชาติก็เดือดร้อนมาเนี่ยไม้ใช่เป็นเพราะดวงดาวเนี่ยบังเอิญแท้ๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการเชื่อในลักษัณย์นี้ไม่เชื่อเหตุปัจจัยที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนี่กลุ่มอหิทธ ก, กวาทะในบรรดาความเห็นทั้งสามความเห็นเนี่ยความเห็นอย่างไรคนไทยมากที่สุดหนึ่งเชื่อกรรมเก่าสองเชื่อเทพเจ้าสามเชื่อดวงดาวบนท้องฟ้า <c oughs> แเอาพวกเราก่อนเราเชื่อยังไงเชื่อกรำเก่าเนี่ยเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยนะเออคือทุกอย่างไปโยนให้กรำเก่าหมดเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับไม่ใช่สัมมาทิฏฐินะพระเจ้าไปกล่าวไว้ในในติการนิบาตไปด้วยนิทิกานิบาตในอังคตระนิการติการนิบาตไปด้วยนี่เป็นพุทธพจน์บอกเลยเราก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดใช่ไหมไปไปไประมาณแล้วท่านทําไมช่วงนี้ท่านป่วยเป็นกำเก่ายก ชาติที่แล้วไปหักขาไก่ขาเป็ดขาไก่ก็ไว้ไม่ให้ชาตินี้เลยเดินไม่ได้ว่างั้นยังรู้อีกนะถ้ายอมก็ไม่มือยอมก็มือไม่ซักต่อท่านไปหักขาไก่ขาเป็ดที่ไหนถาม <c oughs> <c oughs> ตอนเด็กๆนะว่างั้นนะเฮ้ยทําแค่นั้นจริงรึต้ <c oughs> องไปถามที่ <c oughs> แค่หแค่หักหรือเปล่าไปทบปลาตายด้วยเปล่า <c oughs> อ่ตายอทําไมไม่โดนทบตายสักทีจะยอมถามเงี้ยนะ ก็ตอบยอมไม่ได้เอกทําไมไม่โดนทบตายล่ะท่านไม่ใช่แค่หักขากบขาไก่มางว่า ง, งั้นเถอะท่านทบปลาได้ใช่ไหมใช่ตายไหมตายอ ท, ทําไมเยอะท่านไม่โดนทบตายเคลียร์ตอบยมไม่ได้อีกเนี่ยคือมึอนไงด้วยการที่เอามันตามๆกันมาเขาบอกโอ้โ oh, หแม่เนี่ยตอนนี้เดินไม่ได้ถามทํมาไมเนี่ยโอ้ oh, โหแต่ก่อนตอนเป็นเด็กๆนะคไปทุบขาไก่ว่างงั้นนะเบไปหักขาไก่เนี่ยมาเล็ก ร, รมนั้นให้ผลเลยเอรู้ซะอีกนะ นี่หรือเนี้ลักษณะเนี้ยทั้งๆ ท, ที่ตัวเองไม่ได้เห็นจริงไม่ได้เห็นจริงมันมาจะ ก, กรรมตรงนั้นหรือเปล่าโอ้โหเหตุปัจจัยมากมายไม่ต้องอะไรนะเอางี้เอาแค่ว่าในในในในปัจจุบันเนี่ยนะเอาแค่ว่าถามว่าอยเราเชื่อว่าเราเนี้ไม่ได้ทำกรรมเกี่ยวกับปรารนัดิบาตเราขึ้นไปนบนเจดีด์แล้วโดดลงมาตายไหม เ, เราไม่เคยทํากรรมเกี่ยวกับเรื่องการอายุสั้นเนี่ยแล้วตายไหมอ่ะไม่เหลือ ลักษณะอย่างนี้เขาถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะกรรมที่มันจะให้ผลมันอยู่ที่ความประมาทในปัจจุบันด้วยไม่ใช่กรรมในอดีตไม่มีนะกรรมในอดีตก็ให้มาแล้วไงให้ตาแบบนี้มาให้หูมาให้จมูกมาให้กายมาให้กระดูกกายให้สติปัญญามานี่ให้มาแล้วแต่ในปัจจุบันเราต้องทําต่อท่านพูดอย่างนั้นโอ้โหถ้ามันรอแต่กรรมในอดีตก็สบายผมไม่ต้องไปค้นขวายอะไรแล้วเเดี๋ยวได้บรรลุเอง ไม่ต้องค้นขวายอะไรเรานั่งรอมันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองเดี๋ยวสติปัญญาเกิดเองเดี๋ยวความสำเร็จในชีวิตมันเกิดเองไม่มีทางเนี่ยความความเข้าใจในเรื่องการให้ผลของกรรมผิดพลาดนี่เป็นอย่างนี้นะอา้าวนี่พูดถึงในเรื่องของนิรันดรภาพภาวนาก็คือการทําให้ติดต่อไม่ใช่หลังจากได้รับพุทธบุตรกรแล้วหยุดเดี๋ยวมันให้ผลเองไม่ใช่แม้แต่สองสามีภรรยาที่ตาบอดเห็นไหมแล้วจะเห็นชัดเลยพุทธเจ้าจะบอกเลยว่าไม่ใช่ถ้าประมาท ท่าทุกไลน์แม้เราแล้วเนี่ยแม้เราได้สถานะเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยมันไม่จบแค่นี้นะครับมันต้องขวนขวายเต็มที่เลยนะเต็มศักยภาพเลยนะไม่ใช่ว่าขวนขวายนิดเดียวจะประสบความสําเร็จไม่ใช่เลยต้องขวนขวายเต็มที่จนกว่าจะบรรลุ ค, ความบรรลุบรรลจุดหมายหรือสิ่งที่ตั้งใจไว้เรื่องจะประสบความสําเร็จเป็นต้นได้นี่ก็ณีรันตระภาวนาประการที่สามกิระการภาวนาต้องบำเพ็ญบรารมีเนะี เสียสขายยิ่งด้วยแสนกลับโดยไม่ย่อหย่อนแม้แต่กลับเดียวเ อ, อนอกจากบําเพ็ญติดต่อและต่อเนื่องแล้วต้องไม่ให้ย่อหย่อนเนียนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเร่งมาเนี่ยเอ อ, เ, อ, อเร่งมาแปดสิบแล้วนะเอาแล้วว่าวันนี้ลดหน่อยให้เหลือสักหกสิบเหลือห้าสิบเหลือสี่สิบไม่ใช่ต้องต่อเนื่องยาวนานไม่ใช่ผ่อนนะการบําเพ็ญบารมีนะั้นมีแต่ เร่งเร่งเครื่องมีแต่เร่งเครื่อ ง, ง, องนี่เป็นอย่างนี้พระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยให้สังเกตวิธีคิดของท่านเนี่ยความไม่ท้อการที่เวลาเจอปัญหาบุษักก็ไม่ท้อถอยแล้วก็บริเพอย่างติดต่อตอนนั้นท่านเป็นเศรษฐีใช่ไหมอยู่กับภรรยาแล้วก็มีมีบริวารมากเกินท่านก็ตั้งลงทานตั้งลงทานเป็นกิโลกิโลเลยแล้วก็แจกทานใช่ไหมแจกทานอยู่ยางนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, ท, วนท่านเป็นเศรษฐีในชมพูทวีมันนั้นเนี่ย ทีนี้ในระหว่างที่แจกทานอยู่นั้นเท้าสก่าที่เดือดร้อนนี่บอกโอ้โ oh, ห oh, ตายแล้วงานเนี้ยเออท้าสกา่าลิสยาเหตุผลที่ลิสยาก็โอ้โหคนที่ให้ทานขนาดเนี้ยเดี๋ยวถ้าตายขึ้นมาต้องได้เป็นท้าสกา่าเราซวยแน่นอนบุญเราสู้ไม่ได้แน่เข้าใจใช่ไหมคนมันคิดอย่างงี้นะไอ้ตำแหน่งเท้าสก า, ามีน้อยนี่ยเขาคิดว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันทําให้ทานขนาดเนี้ยมันเล่นตำแหน่งเราล่วงแน่นอนเดือดร้อนแล้ว พอเดือดร้อนขึ้นมาท้าสกะ ก, ก็เนรมิตปุ๊บให้สมบัติ พ, พระสถานอันดานทานไปหมดเลยเนี่ยคือให้วิบัตินะว่างั้นเถอพะพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยบรรดาค่าทาาบริวารทั้งหลายหายเกลี้ยงหมดเลยเงินทองทั้งหลายไม่มีเจ้าเศรษฐีนีก็บรรเรียกภรรยามาบอกเฮ้ยลูกน้องหายหมดแล้วแต่เราไม่ให้ทานไม่ได้เรามีคติว่าถ้าเราไม่ได้ให้ทานเราจะไม่บริโภคนี่อัจฉริยะสายของพระอิศรจะเป็นแบบนี้นะ พระพุทธบอกว่าถ้าใครเห็นผลของทานบารมีเหมือนกับที่ตถาคตเห็นบุคคลนั้นที่จะไม่ให้ก่อนแล้วกินทีหลังบริโภคทีหลังเป็นไม่มีแล้วพวกเราได้ตั้งอัธยาศัยแบบนี้ไหมตื่นขึ้นมาต้องให้ทานก่อนถึงจะกินทีหลังนึกถึงตนเองก่อนเลยนึกถึงผู้อื่นก่อนเป็นงี้ยเลยไม่คิดถึงที่จะให้ ให้คนอื่นก่อนจริงๆไหมหรือว่านึกถึงตนเองก่อนขอให้พรโยมก่อนที่จริงเวลาได้อาหารมาเนี่ยเวลาตักอาหารฮะเจออาหารดีๆให้ตักเอาไว้ถวายแกเพื่อนประพฤติพรมาจันท์ฝึกที่จะให้ก่อนแล้วกินทีหลังทาเหมือนพรบริษัทท่านทํา เพราะว่าผลของทานเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับมันไม่ใช่แค่วัตถุชิ้นเดียวนั่นนะแต่อสละข้างในนะครับอโลภาคือการสลัความยึดติดอะโทสะความตนีความที่มีจิตคับแคบเนี่ยอะโมหาคือปัญญาที่เข้าไปรู้ที่ชานฉลาดในการให้รู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันรู้จักสลักขจัดกิเลสภายในไตในใจตนเองนะครับนั่นแหละขนาดอย่างนี้เลยนะพระเนี่ยไปบินนบาก สมมติมันอยากกินเค้กมากเยับ ม, มียอมเอาเค้กอย่างดีด้วยราคาดีด้วยแล้วเอามาใส่ปุ๊บแล้วจิตใจเรานึกโอ้โหสมหวังทันทีเลย น, ะนึกตัวนั้นเนี่ยพอคิดอยากจะกินด้วยตัณหาแล้วก็ได้มาปุ๊บเนี่ยแล้วรับอาหารนั่นมาเนี่ยท่านบอกว่าอาหารนั้นรับมาด้วยจิตที่ลามก น, นเนี่ยเนี่ย เวลาไปเจอหน้าภิกษุรูปอื่นเห็นภิกษุรูปอื่นต้องกล้าเลยนะแล้วไปสารภาพกับท่านนะว่าท่านครับผมรับอาหารนี้มาด้วยจิตที่ลามกผมจึงไม่สมควรแก่อาหารชิ้นนี้ขอท่านจงอนุเคราะห์รับอาหารชิ้นนี้ของผมเถิด <c oughs> กล่าวไหมล่ะอันนี้วัดกันเลยนี่เป็นเป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างสุดยอดเลยคือสามารถทําให้ตัณหานมันร้องไห้ได้อะ ถ้าเห็นตัณหาในใจทัานองมันร้องไห้แล้วชื่นใจเลยครับตื่นเต้นเลยนี่รู้จักฉันไหมวัง <c oughs> คือหัวล้อยอะมันได้เลยว่างนั้นเดชเคยเป็นไหมเคยทําลายตัณหาตัวเองแบบนี้ไหมหรือว่ากลัวตัณหาร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็คอยอมาเคาะผงมเขาอย่างเดียวนี่คือสระเลยนะไม่อะไร อ, อนเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เห็นไหมนะว่าคือกล้าที่จะทําลายกล้ามากล้าที่จะทําลายนี่เหมือนกันเพะบริษัทเนี่ยท่านก็พอจนแล้วใช่ไหม ท่านไม่ท้อท่านก็บอกภรรยาบอ ก, กไปดูที่ในห้องคลังในเรือนคลังมีเงินเหลือไหมไปดูบอกไม่มีเหลือเลยพ่อเอาลอแล้วมีอะไรไหมไปหาไปอีกรอบหนึ่งบอกไม่มีอะไรแล้วมีไม้คานอยู่อันหนึ่งมีเคียวอยู่อันนึงแล้วก็มีเชือกอยู่สองเส้นเออนี่ไงเราจะได้ทานบา ร, รมีของเราแล้วอภัยไงพาภรรยาไปเลยไปเกี่ยวหญ้าเพื่อจะให้ทานเอาหญ้าไปขายจะได้ให้ทานดูวิธีคิดนี่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่นะครับ ถ้าอย่างเรานั่งร้องไห้ เ, เงินหมดไงใช่ไหมล่ะ น, นี้ไม่ท้อเลยครับไปไปที่ทุ่งเลยไปถึงพบก็ไปเกี่ยวหญ้าพอเกี่ยวหญ้าเสร็จแล้วก็ใช้เชือกมัดแล้วก็หาบก็กล่าวว่าเนี่ยเราจะขายหญ้าหญ้าเนี่ยกองโตกองนึงส่วนอีกอง น, ง น, องนึงขายได้ได้เงินจะเอาไว้ซื้ออาหารกินนะแล้วก็จะมาเกี่ยวหญ้าให้ทานานี้ทุกวัน พอไปเสร็จพบไอ้คนต้องการมันเยอะเพราะขายเงินขายยาได้เงินแล้วเนี่ยพอไปแจกเงินเขาเนี่ยคนมามากต้องแจกอยู่อย่างนั้นแหละต้องเกี่ยวยาแจกแจกแจกขายขายขายอยู่งั้นแหละวันหนึ่งก็แล้วสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วลองคิดดูดิไม่ได้กินอาหารกันเลยทั้งสามีและภรรยาเนี่ยจนถึงวันที่หกท้าสกะาอุ้ยรอจังหวะอยู่เอาละวันนี้แหละเหนื่อยจัดแล้วใจมันถอดแน่นอนท้าสกะก็เลยมารอยอยู่ต่อหน้าใช่ไหมครับ มาลอยอยู่ต่อหน้านั่นแหละเอะตอนนั้นอ่ะพระโพธิสัตว์ก็เกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกี่ยวมันลมตีขึ้นเป็นลมอ่ะก็นั่งฟุบลงอ่ะกับกับหญ้านั่นแหละกับฟ่อนหญ้านั่นแหละนั่งหมดแรงอย่างเงี้ยเหมือนเป็นลมอ่ะแล้วก็วีเ ว, วียนศีรษะท่านก็หลับตาค่อยๆลืมตาขึ้นเท้าสกาก็ปรากฏต่อหน้าพอดีท่านก็ย้อนถามบอกว่าท่านผู้มีใบหน้าขาวท่านเป็นใครเนี่ยมาล อ, อยอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยท่านก็บอกว่าเราเป็นเท้าสกา เออท่านมาทําอะไรสนทนาถามเนี่ยมามาตําหนิท่านมาตําหนิเรื่องอะไรท่านเนี่ยให้ทานเกินกว่าเหตุเป็นอติทานเนี่ยไม่นึกถึงภรรยาไม่นึกถึงตนเองจนจะตายอยู่แล้วทําไมไม่หยุดทําไมให้เกินกว่าเหตุว่างั้นเอ <c oughs> ถอะแต่เราเทวดามาตําหนิอย่างเงี้ยกลัวรนลานนะใช่ไหมมีไหมครับเทวดามาตําหนิว่าท่านนี่บวชเคร่งคัดเกินไป ทำไมพูดปฏิบัติไม่หลับไม่นอนนั่งแต่กรรมฐานอยู่นี่เหละยจะเทะ้กกาสก่ามาพวก น, นี้ท่านเจมส์วันวันก็ดูแต่อแพดอยู่เด็กร้องนี้ท่านจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือจะเป็นพระเอาเนี่ยถ้าเทวดามาตำหนิอย่างเงี้ยโอ้โหตั้งแต่นั้นกลายเป็นพ้าเคร่งคันเลยอถ้าสมมุติถ้าเทวถ้าเทวดามาปรากฏและตำหนิจริงจริงคิดว่าพวกเราจะเคร่งไหมไม่เหลือเลยเนะย โอโหมีจริงๆไว้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยทุกคนที่รู้เราเอาทําไมทําไมทําไมเทวดาจึงไม่ค่อยมายุ่งกับพระทั่วๆไปเอาเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่มีอยู่สองกลุ่มนะครับจะเล่าให้ฟังพระกลุ่มหนึ่งเนยเป็นพระที่เคร่งครัดใช่ไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระท่านมองไปที่ดอกไม้ แ้วท่านก็ไปนึกแค่ว่า oh, โอ้ดอกไม้นี่สวยอยากจะมอง<_ <EN> _>อยากโอ้ oh, สวยเหลือเกินอยากได้เกินท่านทํานองอนี้นะเนี่ยเทวดาปรากฏมาก็บอกว่าท่านท่านเป็นขโมยท่านเป็นขโมยเอาขโมยที่ไหนโย่ก็นี่ไงเมื่อกี้ท่านมีจิตคิดอยากจะได้ดอกไม้ของโยมตกใจเลยพระก็เลยบอกเอ้ ه, แาแต่พระกลุ่มนูน้นนั่นน่ะโดดน้ําเล่นกันอยู่ทําไมไม่รู้ว่า ทำไมไม่ว่าผ้ากลุ่มนั้นบ้างเทวดาบอกว่าเกินที่จะว่าแล้วพาโรมนี้ท่านก็บอกโอ้ขอบใจยมมาถ้าอย่างนั้นเน่ะถ้าหากอาตมาพลาดพลาดพังเผลอไปเนี่ยยมอย่าลืมตักเตือนอาตมาด้วยนะท่านก็รู้จักดูแลตัวเองบางทีทำไมรอให้ยมต้องคอยตักเตือนใช่ไหมเนี่ย สรุปแล้วที่เทวดาไม่ตักเตือนพวกเราเราเป็นคนกลุ่มไหนอะเริ่มเข้าใจยังตัวเนี้ยคือบอกว่าโอ้เห็นแล้วก็บองใส่หัวแล้วบางครั้งคือดีจนเกินไปแล้วดีจนไม่ต้องเตือนแล้วเราอาจจะอยู่กลุ่มเน้นก็ได้ใช่ไหมแปลว่าเทวดาท่านไม่ต้องเตือนแล้วแปลว่าเรามีสติสมชัญย์ค่อนข้างรักษาเนื้อรักษาตัวอย่างดีมีฮีโอ่ตาปากชั้นสูงกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่า เ <c oughs> กินแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะอยู่กลนะุ่มหน่อยนะเทวาดาเนี่ยเขาจะเตือนเฉพาะกลุ่มแต่เขาจะไม่ได้เตือนพเพื่อนเะนี่ยเหมือนเหมือนรูปเนี้ยเขามาเตือนแค่ครั้งนั้นพระก็เลยบอกเออต่อไปโยมเตือนคอยเตือ น, อ น, ต, อนนะต่วมาเนี่เยท่านก็รู้จักดูแลตัวท่านหรือท่านเป็นนักบวชแล้วนี <c> ่ <oughs> พูดขนาดนั้นคือคือเขาจะไม่มาเตือนเพืพ่อนแล้วอีกอย่างเขาว่างั้นทเทวาดาที่พอรู้ว่าเรามาบวชวันแรกเนี่ย เทวดาจะสาธุสาธุครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็คือเห็นเราประพฤติปฏิบัติขนขวายในการประพฤติปฏิบัติเขาก็สาธุแล้วเขาจะรอสาธุครั้งที่สาม ค, คือเราได้บรรลุเอาคิดว่าเทวดาสาธุเราไปกี่ครั้งแล้ว <c oughs> ตอนบวชเนี่ยเขาต้องสาธุแล้วเทวดาเนี่ยชื่นใจยินดีด้วยนียินดีด้วยกับบุญกุศลที่ท่านตั้งหน้าเป็นสมณะเชื้อสายศสกฤยบุตรในการต้องการอยากจะบวชครั้งหนึ่ง พอบวชเสร็จแล้วเราคนขวา้าเต็มที่ไหมนี่ไม่ได้สาธุครั้งที่สองนึกใจเฮ้ยเจตนาเปลี่ยนแล้วเว้ยเทวดาวบอกโอ้โหรุ่นไม่ขึ้นเลยเนนงีเนีขาจะคอยสาธุสามครั้งอันนี้กล่าวไว้ในคําสอนเลยนะไม่ใช่ว่าผมพูดมามั่วๆเนี่ยตรงเนี้ยแต่ครั้งแรกเนี่ยเขาสาธุพวกเราแล้ววันที่เราบวชแต่ครั้งที่สองก็คือรอที่รุ่นการประพฤติปฏิบัติของเราสาธุครั้งสองครั้งสามก็คือบรรลุมรรคผลมอะไรโอ้โหเข้ามาเลยเนี่ย มาโมทนากุศลกับเราทันีใจ่ไหมเอะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ท่านได้ฟังจะได้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องมีพระเถระรูปหนึ่งท่านเป็นพระที่ฉลาดมากแล้วก็เป็นอาจารย์สอนวันหนึ่งน่สอนตั้งวันละสิบแปดคณะถือว่าเก่งมากคือทรงจำพระใจวิดกได้แล้วก็มั่นใจตัวเองตลอดว่าตัวเองเนี่ย ไปประพฤติปฏิบัติเมื่อไหรก็ต้องได้บรรลุแน่นอนมั่นใจขนาดนั้นนะมีความชํานาญมากเชี่ยวชาญมากสอนอยังไงก็ไม่สายจนเวลาแทบไม่มีอะช่วงระยะเวลาแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ยวันละสิบแปดคณะสอนเนี่ย น, นะทีนี้มีที่ตนเองสอนไปสอนไปนะเขาจบแล้วเขาพากันไปประพฤติปฏิบัติ บ, ต บ, ตบรรลุเยอะมากเลยลูกศิษย์เนี่ยแต่ตนเองยังเป็นบุรุษชนอยู่เลยแต่มีความมั่นใจในสติปัญญาตนเองใช่ไหมด้วยความเป็น เป็นพระที่มีวิชาความรู้มากท่นี้บรรดาลูกศิษย์ที่ไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีรู้วาระจิตอาจารย์ของยี่ตายแล้วอาจารย์ของเราเนี่ยยังเป็นปุรุชนอยู่เลยอยากกันนั้นเลยมาอนุเคราะห์อาจารย์ดีกว่าว่ากันเถอะก็เล็กเสดสร้แสงแกล้งมาสมัครอาจารย์จําไม่ได้แล้วมีลูกศิษย์เป็นเลนหลายหมื่นคนก็มาหาอาจารย์ก็มากราบเออคุณมาทํำอะไรมาสมัครเรียนครับโอ้เต็มหมดแล้วก็บอกว่างั้นช่วงเช้าอ่ะ เต็มช่วงก่อนเพนเต็มชั้นเพนเสร็จเต็มหลังจากชั้นเพนเวลาจะเห้เจะเข้าออกจากห้องน้ำยังไม่มีเลยทุกเวลามีคนตักเรียนหมดตอนตอนเย็นไม่มีเวลาที่สอนบอกวเต็มแล้วรับไม่ได้แล้วทีนี้ลูกศิษย์ก็บอกว่าประนมมือขึ้นท่านอาจารย์ถามจริงท่านอาจารย์มีเวลาตายไหมเนี่ยหเสือด้งเลยก็จะมาพอพูดเสร็จก็เหาะต่ อ, ตอนหน้าตตาเลย อาสะเทือนใจไหมครับสมมติท่านไหนมาถามท่านอาจารย์ครับจะมาอบรมปราณ น, นาเป็นพระทรมาโทษกันบอกพอกคุยไปคุยมาสักพักนึงท่านจะเป็นกันไปทาไมกิเลสในใจแต่ดคุยสักพักนึงท่านเหาะกลับเลยเหาะนี้ต่อหน้าต่อตานีท่านจะทำไงต่อ ยินดีด้วยทีย่หอได้ผมก็จะเป็นผมอย่างนี้แหละลื เ, ลเนี่ยอย่างเงี้ยท่านก็สะเทือนใจไงก็คิดว่าเอาละคืนเนี้ยเดี๋ยวเราสอนเสร็จเราจะไม่บอกลูกศิษย์หรอกและเราจะเดินหลบเข้าถ้าอย่างเราเนี่ยไม่เกินเจดวันก็บรรู้แล้วกลับมาสอนต่อมั่นใจตัวเองขนาดนั้นมั่นใจในสติปัญญาตัวเองเข้าใจใช่ไหมครับพอเข้าไปไปเสร็จปุ๊บพอพอสอนคณะนี่เสร็จเขาเดินกลับก็ โฮมจีวอนโมแลเวสเซ็จถือบาตรถือแรงต่างก็เดินหลบๆไปเข nah ้าป่าเข้าไปในถ้ากล่าวว่าเจ็ดวันไม่บอกใครด้วยไม่บอกบรรดาลูกศิษย์ด้วยคนอย่างเราเนี่ยสติปัญญาระดับนี้ชานฉลาดเนี่ยเพราะตรีบิดอกอนุกัตถะดีกาันาดนี้ฉะนั้นปฏิบัติแป๊บเดียวทําเต็มที่เลยครับเจ็ดวันพอครบเจ็ดวันเงียบไม่ได้อะไรเฮ้ย ตกใจแล้วเข้าใจไหมคิดใหม่แล้วเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นวะมันมันเวลามาทำก็จริงๆทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เล่นต่อหน้าเข้าหนังเข้าจะเข้าภรษาแล้วหุ้ยไม่ได้เรื่องอธิษฐานภรษาในถ้ำนั่นเลยพรรษาก็แล้วเฮ้ยเอาเรื่องแล้วขนาดปฏิบัติเคร่งคดัดไม่ไม่ยอมใช้ตาไปมองสํมรวมอินทรีย์ขนาดมองไม่กับข้างล่างเห็นกันทั้งต้นไม้ ที่ใบไม้ลูกไม้ผลไม้มันล่วงลงมารู้เลยโอ้ผ่านไปพรรษาหนึ่งเดือนหนึ่งยงไไม่ได้ไปรู้ทำอยู่อย่างเนี้ยยี่สิบเก้าปีเงียบเคียดนะะพรรษาที่สามสิบในพรรษาท่านร้องไหง้แบบไม่นอนแล้วนะ่ะยืนเดินนั่งไม่นอนจนจนเท้าแตก พอเดินจนเท้าแตกแล้วก็ท่านก็ไปเอาเชือกเอาปอมาแล้ว เ, เขียงมาเย็บมัดมัดเลือดไหลเป็นทางเดินเนี่ยไม่ได้ปรปูกอะร้ อ, ะองไห้มีอยู่คืนหนึ่งท่านก็ร้องไห้ร้องมันคนเดียวงั้ร้องไห้ดังๆออกมาพราะในระหว่างที่ร้องไห้เนี่ยท่านก็ได้ยินเสียงร้องไห้ตอบไงแต่ดังกว่าท่านเลยหยุดเอ้ยคนเราเนี่ยลองร้องไห้ถ้ามีใครร้องไห้ดังกว่ามันจะหยุดนะท่านเลยหยุด หยุดปั๊บนึงครั้งก็างางอายเขานนิหยุดหุดถามใครร้องไห้เสียงเทวดาบอกดิฉันเองร้องไห้อยอมมานั่งร้องไห้ทําอะไรก็บอกครับเผื่อที่มันจะได้สักมาร์กสองมาร์กเลยร้องไห้โอ้โห <laughs> เครียดกินเลยเทวดายังมาย่ะ อ, อีกนึกเลยจะเออที่ร้องไห้ไม่ใช่อะไรรองเผื่อที่มันจะได้สักมาร์กสองมาร์กอาจจะได้สักโสดามาร์กบางสักกดทา่าชอบมากท่านบอกโอ้โหเราเนี่ยแม้เทวดายังย่ะเยอยเว้ย ท่านก็มาตั้งคำนวณความรู้สึกใหม่โอ้อท่านปรับสมรตาไม่ได้ดุนยาภาพนี้ในอินทรีย์ไม่ได้ท่านก็ปรับปรับอินทรีย์ภายในรรษาพอออกภรษาปุ๊บได้บรรลุเลยครับเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาแท้จริงที่ผ่านมาเนะี่ยคือความรู้มากจัดเลยไม่ปรับอินทรีย์มันสุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งตลอดมันไม่เป็นมัชิมาปฏัญญาไม่ได้สมรตาไม่ได้ดุนยาภาพในการปฏิบัติ ทนี้พระที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยจ้องกันเต็มแถวต้องเป็นหมื่นๆรูปเลยนะเป็นลูกศิษย์รู้เวละท่านพอ ร, รู้ว่าอาจารย์บรรลุแค่นั้นพากันห่อมาเลยครับพอห่อมาเสร็จก็จะเข้าไปที่จะไปอุปถากคล้างเท้าอาบน้ำํำให้อาจารย์อาจารย์ก็ห้ามบอกอย่าเข้ามาคุณอย่าเข้ามาคุณฉันไม่เคยได้อาบน้ําเลยในขณะเดียวกันตอนนั้นนะ่ะเท้าสกัดพร้อมด้วยนางสุชาดาภรรยาแล้วก็ให้ภรรยาเดินนําหน้า ให้ภรรยาเนื่องนำหน้าแลแ้วตะโกนบอกโยมาโยมายมายมายมผู้หญิงมาพระก็เลยต้องหลีกทางทพอมาถึงเบ็ดเสร็จปุ๊บเท้าสกาัดพร้อมที่ภรรยาก็เอาน้ํามาทาล้างเทา้าแล้วก็เท้าสกาัดนวดเทา้ทาเท้าที่เป็นแผลที่ที่มีอันตรายเกิดที่เท้าก็อันตรานหายท่านก็เลยทาหนีว่าเอยทําไมไมาแย่งบุญคารวะเข า, าอย่างนี้ บอกว่าพระเช่นท่านมีหรือที่แม้เทวดาและพรมก็ปรารถนาจะอุปถาเนี่ยได้บรรลุเลยสามสิบปีคบไหมคบดีสามสิบปีใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราลองดูนะเออ ประการสุดท้ายสักกัจจะภาวนาก็คือจะต้องบำเพ็ญบารมีด้วยความเคารพทําให้เป็นของหนักไม่ใช่สักแต่ว่าทำสักกัจจเนี่ยเขาเรียกเคารพศัพท์เนี่ย ม, มันมันสักกัจจะทานังเนี่ยให้ทานด้วยความเคารพคําว่าให้ทานด้วยความเคารพเนี่ยให้ทานด้วยความยำเกรงศัพท์เนี่ยนะคนลเนี่ยเคารพในที่นั้นทําด้วยความเต็มใจไม่ใช่สักแต่ว่าทํา มันคนเราจะให้ทานเนี hmm. <fo>? Two, ่ย <spielt> ศ <ritos> ักแต่ว่าให้เงี้ยแม้การประพฤติบําเพ็ญบารมีแม้ทานบารมีศีลบารมีไม่ใช่ศักิแต่ว่าทำแต่คําว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าให้ทําด้วยความเคารพก็คือทําด้วยความเต็มใจทําด้วยความเต็มใจกอเหมือนอย่างนี้นะครับเคยเข้าใจคําว่าให้ทานโดยไม่เต็มใจกับให้ทานโดยไม่ยําเกรงไหมเคยเข้าใจคํานี้ไหมครับอยากเข้าใจหมหรือว่เรามีของ นะครับเราให้สั์แต่ว่าให้แบบไม่เต็มใจเอาไปเอาไปเนี่ยอกรณีแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าไม่เต็มใจให้แบบไม่มีไม่เครารบให้แบบไม่ยำเกรงคือคือยังไงยกตัวอย่างเช่นผมรู้ว่าท่านเป็นเบาหวานผมก็เอาอาหารที่ทําให้เบาหวานมันขึ้นให้ท่านรู้ว่าท่านเป็นโรคไตเป็นโรคตับเป็นโรคความดันก็ให้ของที่ไม่เหมาะแก่ท่าน วัรัด ก, กินก็ไปแล้วทําให้ไตต้องทํางานหนักตับต้องทํางานหนักปอดต้องทํางานหนักอวัยวะต้องทำงานหนักมองออกไหมกรณีอย่างนี้ก็จกให้โดยไม่ยําเกรงคือแบบนี้รู้ว่าถ้าผมทําหน้าตาแบบนี้แล้วพวกท่านจะเครียดผมก็ทำเพราะไม่ยําเกรงไงไเนี่ยการรักษาศีลแบบไม่ยําเกรงผมจะประพฤติศีลของผมแบบเนี้ยผมไม่สนใจหรอกท่านจะเครียดจะทุกจะทรมานใจไม่สนนี่เป็นต้น หมายหมการทําโดยไม่เคารพไม่ยําเกรงก็คือไม่คํานึงถึงบุคคลที่อยู่ด้วยเารู้ว่าท่านกําลังนั่นกงกรรมฐานอยู่ใช่ไหมผมเดินผ่านไปเนี่ยผมแกล้งเดินกระเทืบเท้ากระทืบเท้ า, ททาอย่างเงี้ยไอ้กรณีแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ยําเกรงไม่ยําเกรงไม่เคารพศีลสมาธิปัญญาหรือศรัทธาเป็นต้นในกระแสะชีวิตของพวกท่านเงี้ยฉะนั้นถ้าจะยําเกรงก็คือเนะี่ยคำนึงอย่างเงี้รู้ว่าพวกท่านเนี่ยได้อาหารชนิดนี้ไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์ทาให้ร่างกายของท่านเนี่ย แข็งแรงอวัยวะคือไตคือตับคือปอดคือหัวใจคือสมองเนี่ยจะได้อาหารที่ดีได้วิตามินที่ดีจะทําให้คุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อได้คุณภาพชีวิตที่ดีท่านจะได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาปัญญาใจกับการเส้นจากกิเลสและกลองทุกการให้โดยคํานึงและคิดถึงด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ด้วยความเคารพและก็ให้ด้วยความยำเกรงเข้าใจ้ยังพวกเราเรมีไหมข้อเ น, นี้ยเนี่ยต้องการต้องฝึกนะต้องฝึกในกรณีที่อยู่ด้วยการจะเป็นทานกุศลเป็นศีนกลกุศล เป็นต้นเหล่านี้ต้องเข้าใจฉะนั้นรักคณาเจตุการของทานบารมีเนี่ยมายจากคำว่าปริจาคารคณามีการบริจาคเป็นลักษณะก็คือการให้การให้การสละคนที่มีอาการที่ปรารถนาจะบําเพ็ญทานบารมีเนี่ยมีอัธยาศัยที่จะให้มีแต่คิดว่าเออจะให้ยังไงจะสละยังไงจะบริจาคยังไงเป็นต้นเหล่าเนี้ไทยธรรมเมโลพระวิถังสนาระสาก็คือมีการกำจัดโลภะในทยธรรมเน่ยเป็นกิจ ก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดความโลภความต้องการในธรรมทายธรรมชนิดไหนก็สละทันทีเออต้องการจะทําลายอะไรอ่ะทําลายความโลภความยึดติดในทายธรรมในในวัตถุชิน้นนั้นๆเช่นอยู่ในกุฏิเนี่ยโอ้รู้สึกโอ้โหเราชอบเละอเกินกุฏิเนี่ยกําจัดซะเลยว่างั้นเถอะกาจัดก็คือขจัดความยินดีในกุฏิมันดีใช่ไหมนิมนต์ครับช่วยอยู่กุฏิหลังนี้ให้ผมหน่อยผมกวาดปัดกวาดอย่างดีอะไรอย่างดีเลย ผมอยากจะเลินทานกุศลว่างั้นอยากจะให้แสนาสนท า, านเงี้ยแล้วก็นิมนต์พระเถระหรือบุคคลที่ผู้ทรงทำทรงวินัยทั้งหลายเนี่ยให้พักในกุฏิหลังเนี้ยดีเหลือเกินไม่ใช่ว่าโอ้โหได้กุฏินี้แย่ด้กุฏิอีกหลังหนึ่งมันดีเหลือเกินก็เลยบอกเฮ้ยท่านท่านก็อยู่หลังเนี้ยน่าจะดีมะเมื่อคืนเนะี่ยผมไม่ค่อยอยากอยู่ดีดเท่าไหร่แต่ที่ไหนได้กุฏิหลังเนี้ยมีมดเต็มไปหมดเนี้ยนะไม่แกล้งเพื่อนอย่างนี้ไม่เป็นนะนั้นถ้าเป็นทานกุศลก็คือจัดการดูอย่างดีแล้วก็พร้อมที่จะะสละ เพราะกําจัดอะไรมีความรบมีความต้องการในไทยธรรมชนิดไหนก็ทําลายคำว่าทําลายในนี้นั่ก็คือจัดสละทันทีงี้เป็นต้นอนน า, านาสติปัจจุปฐานาก็มีกําลังความสามารถเป็นผลก็หรือมีความพร้อมเพียงเห็นงพสเนี่ยพบเนี่ยเป็นผลปรากฏว่างั้นเถอะก็คือมองเห็นว่าการสละอย่างนี้แล้วเนี่ยมีความสามารถสามารถก็คือมีผลที่ดีที่เลื่อั้งหลายจะเป็นจะเกิดขึ้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีวัาโทนควันสลากเป็นเหตุใกล้นั้นทานบารมีเนี่ยสุมเมธาดาบทเนี่ยท่านเลือกเว้นธรรมะสําหรับเป็นพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองไปทิศนูน้นทิศนี้ก็ไม่เห็นใช่ไหมท่านก็มามองเห็นทานบารมีเป็นเบื้องแรกอันพระพุทธเจ้าเป็นพุทธกากะธรรมข้อที่หนึ่งเป็นทางใหญ่ที่มหาสัตว์ทั้งหลายในการก่อนทรงเลือกแล้วก็สอนตอนเองว่าสอนตอนเองว่าเธอจงบําเพ็ญทานบารมีที่เป็นพุทธกากะธรรมนี้ สมาทานทําให้มั่นคงก่อนถ้าเธอปรารถนาที่จะบรรลุโพธิญาณดังนี้แล้วพระโพธิสัตว์นั้นบําเพ็ญทานบารมีอันหาประมาณไม่ได้ในไล่ตามลําดับลงสังเกตเลยทุกอัตภาพนั้นในทานบารมีไม่ใช่มีแค่นั้นนะมีทั้งศีลด้วยมีทั้งเนกขม้าด้วยอย่างนี้เป็นต้นจนถึงนั่นแหละเป็นพระเวสสันดรใช่ไหมที่เรารู้กันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการบริจาคห้ า, าบริจาคธนะบริจาคบริจาคทรัพย์ อังคาบริจาคบริจาคอวัยวะชีวิตต์บริจาคก็คือบริจาคชีวิตปุตรบริจาคบริจาคบุตรทาระบริจาคก็คือบริจาคอะไรเนียบริจาคภรรยาหรือเมียเนี่ยนะครับในที่สุดจริงๆก็สามารถบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งใหญ่และถึงขีดสุดได้อย่างนี้เป็นต้นนี่ลักษณะของทานบารมีพอจะมองเห็นนะว่าลักษณะของทานบารมีเนี่ยเวลาท่านคิดในการที่จะบริจาคเนี่ยท่านมนัตการอยู่ตลอดเวลาประการต่อมาคือศีลและบารมี พวกเราสาพวกเราเนี่ยรักษาศีลในปัจจุบันเนี่ยจัดว่าเป็นศีลบารมีไหมเป็นไม่เป็นดูตรงไหนเป็นศีลบารมีหรือไม่เป็นเนี่ยศีลและลัคนาเขามีการงดเว้นเป็นลักษณะศีลก็คืองดเว้นจากบาปทางกายทางวาจาใช่ไหมศีลเน่ยตัวศีลอย่างแท้จริงก็คือไม่ให้บาปปัจจุกรกรมันชัวน่วร้ายกายทุจริตวจีทุจริตอาชีพที่ทุจริตทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้น ถ้ามองถึงสัมมาวาจาสมากัมมันตาสมาชีวะสัมมาวาจาก็คือการงดเว้นจากวจีทุจริตการงดเว้นจากวจีทุจริตก็คือเวลเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จอันนี้เป็นเจตนาชั่วร้ายสามารถตัดรอนเวลานาเจตนาเหล่านี้ได้กุศลกุศลและความจงใจตั้งใจในการตัดร้อนเวตัดรอนเวลเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จพอมีใจคิดจะพูดเท็จขึ้นมาก็ทําลายความรู้สึกนั้นนะ แล้วก็ยังการพูดคําจริงให้เกิดขึ้นแทนเวลามีเจตนาในการจะพูดส่อเสียดจะพูดให้คนแตกล้ากกันก็สามารถทําลายเจตนาชั่วตรงนั้นทิ้งไปได้แล้วก็มีเจตนาในการกล่าวให้คนสมักสมานสามัคคีเกิดขึ้นเวลามีเจตนาในการที่จะพูดคําหยาบก็สามารถทําลายเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเห็นการเปล่งคําหยาบออกมาได้ก็สามารถเปล่งวาจาอ่อนหวานมาแทนที่ได้เวลามีเจตนาในการที่พูดเพ้อเจ้อพูดไร้สาระ เกิดขึ้นก็ทําลายเจตนาชั่วร้ายนั้นทิ้งได้ก็มีเจตนาในการพูดเป็นอัตถะเป็นธรรมะเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาแทนที่เวลามีเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเห็นการณ์จะฆ่าสัตว์มีการบี้มดฆ่ายุงเป็นต้นเหล่านี้ก็สามารถทําลายเจตนาชั่วร้ายนั้นได้มีเจตนาในการงดเว้นให้เขามีชีวิตยืนยาวนี้เกิดขึ้นมวได้เวลามีเจตนาในการจะหยิบจะฉวยของบุคคลอื่นด้วยการเห็นขโมยก็ทําลายเจตนาชั่วร้ายนั้นได้ก็มีเจตนาดีในการที่เกิดขึ้นในการสละในการให้อย่างนี้เป็นต้น เวลามีเจตนาในการที ah. ่จะประพฤติผิดในการมคุณทั้งหลายก็ทําลายเจตนาชั่วร้ายนั้นได้ก็สามารถมีความคิดในการปรารถนาให้บุคคลอื่นมีความสุขในคู่ของตนเองนี้เป็นดอนถ้ามีเจตนาในการจะเลี้ยงชีพในผิดนะครับเช่นเออเราเดินบินรบาดมิจฉาชีวะของพระนี่ง่ายมากนะเช่นอลไรฉันจะเราจะเดินตัวตรงๆเข่งๆแกล้งสํารวมมีใจแบบนี้นะมีใจลามกแบบนี้นะครับแกล้งสํารวม ถ้าเราเดินอย่างนี้เดี๋ยวยอมเห็นจะศรัทธาเมื่อศรัทธาเราก็จะได้ทรัพย์ได้ลาบได้สการะได้ชื่อเสียงเอาและวเราจะทำตาทำหน้าตาแบบนี้แล้วก็เดินไปอาการคิดแบบนี้ยเขาเรียกเลี้ยงชีพผิดพราะปกติอเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นใช่ไหมนี่เอาละเราจะเดินแบบนี้เอเห็นยอมคนนีย้ยอมคนนี้คนรวยมาเฮ้เราจะเดินยังไงดีว่ามันรู้สึกว่าเดินปุ๊บเขาประทับใจเดีน๋นี้โอภา ล, ลูกนู้นี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว ก็เดินสํารวมหรือไ ม, ม่อย่างงั้นเอ๊ะเขาจะเดินผ่านทางนี้รีบปูอาสนะนั่งสมาธิเลยนั่งเคยเป็นไหยครับนั่งสมาธิพขาโยมแล้วก็ค่อยๆลืมตาชำระเลียงดูว่าไม่มาสักที <c ười> อกอาการแบบนี้เขาเรียกว่าม ah, ิจฉาชีวะเลี้ยงชีพผิดเพราะเป็นมีมายาในการหลอกเลี้ยงหลอกหลอกลวงในการเลี้ยงชีพพ้าดนี่เป็นได้ง่ายนะครับ เป็นได้ง่ายมากเวลาไปยื้เดินบินาบาทต่อหน้าบ้านยอมเนี่ยสํารวมระวังเป๊ะเลยเหตุผลน่ยต้องการหลอกด้วยนะถ้าไม่ไม่ใช่มีเจตนาว่าเออเขาจะได้ได้กุศลนะให้เห็นอาการกิริยาการสํารวมระวังของพระอย่างนี้เถอะกุศลจะได้เกิดขึ้นในใจเขาถ้าคิดอนุเค้อเขาอย่างนี้ไม่เป็นครับแต่ถ้าคิดว่าเออเราจะได้ดิบได้ดีก็เพราะไอ้สํารวมแบบนี้แหละ แล้วจะได้อาหารที่ดีได้เสื้อผ้าได้เครื่องนุ่งห่มที่ดีได้ยาที่ดีได้ของกินของใช้ที่เลิศได้รับการศรัทธาเชื่อถือก็ต้องอากรกิริยาแบบนี้ก็เสแสร้งแกล้งทําหรือไม่นั้นอยากจะได้ถ้าตายเลยยมอมจะเอาของมาถวายอะแต่โอ้ยไม่ต้องหรอกโยอมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่ไม่ต้องแบบนี้แต่อยากจะได้มันยิงยิงขึ้นไปยอมเขาจะได้ว่าเราปฏิเสธของเล็กเดี๋ยวยมจะได้ของใหญ่มาให้ไอ้คิดอย่างนี้ก็เป็นรามกนะเป็นเป็นเป็นมิจฉาชีวะนะครับ เออนักบวชเป็นขนาดนั้นเลยนะท่านเคยไปไปดูในสมาชีวะที่ท่านสอนไหมงั้นนักบวชนี่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอย่างนี้เป็นต้นการสแสวงหาอาหารสแสวงหาเลี้ยงชีพเนี่ยกําจัดความทุศีนได้ทุศีละยะวิทธทางสรรราษาก็มีการกําจัดความทุศีลเป็นกิจแล้วก็อนาวัชชะคุณราษาวาก็ได้หรือมีมีคุณไม่มีโทษเป็นสัมปเิรสก็ได้ก็หมายความว่าเนี่ย คำจัดความเป็นผู้ทุศีลได้ตัวตัวศีลบา ร, รมีถามว่าศีลบา ร, รมีวัดผลตรงไหนวัดตรงที่ความสะอาดกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดแล้วก็ใจก็สะอาดนะครับโสใจยะปัจจุปฐานานนี่แหละมีความสะอาดจะเป็นผลอะไรเป็นเหตุใกล้ของศีลรู้ไหมฮิริโอตปาปทัฏฐานามีความละอายต่อบาบมีความเกรงกลัวต่อบาบเป็นเหตุใกล้นั้นถ้ามีสองจุดแท้จริงไม่ใช่ เป็นต้นนะมีคําว่าอธิษบตรงนี้ด้วยศรัท ธ, ธาก็เป็นเหตุไกล้ของความเป็นผู้มีศีลเป็นต้นใดด้ดยศรัท ธ, ธาก็ได้ความระยต่อบาปก็ได้ความเกรงกลัวต่อบาปก็ได้ความปรารถนาในการที่จะบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงเป็นต้นเหล่าเนี้ยความมีศรัท ธ, ธาเป็นต้นเหล่าเนี้เป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงขับเคลื่อนในการที่จะขับเคลื่อนทําให้กุศลศีลตนเองเ่ยดําเนินกันไปเรื่อยๆฉะนั้นคาว่าศีลเนี่ยคัดแปลว่ารองรับก็ได้นะทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมเขาอุปมาเหมือนแผ่นดินนี เนี่ยพื้นแผ่นดินตรงนี้ถ้าจะสร้างอาคารนี้ขึ้นมาก็จะต ahora, ้องปรับพ right like ื้นแผ่นดินให้ราบให้เรียบแม้ชั้นใดหรือพระเจดีย์ก็ต้องปรับพื้นแผ่นดินให้แน่นลงเข็มให้แน่นแม้ชั้นใดแม้สนามบินสวรรคภูมิเนี่ยเห็นชัดถามว่าเครื่องบินจะบินขึ้นและลงได้อาศัยเครื่องบินระดับขนาดใหญ่เป็นระดับจัมโบ้ขนาดใหญ่เนี่ยจะขึ้นจะลงได้ไม่ยุบพื้นที่ไม่ยุบไม่ไม่ซุดเนี่ยก็ต้องอาศัยทําพื้นแผ่นดินมีเข็มมีที่รองรับอย่างดีแม้ชั้นใด บุคคลที่มีตัวกุศลศีลอย่างหนานแน่นก็จะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงได้สติปฐานสี่สมมติฐานสี่อิทิบาสีอินทรีย์พระโพชฌงค์อริยมรต์เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากคุณธรรมเก่าวคือศีลสุดฉะนั้นถ้าปรารถนาคุณธรรมเบื้องสูงที่จะเกิดขึ้นประชุมในกระแสชีวิตก็ต้องทําตัวกุศลสีให้แข็งแร ง, ง น, นี้เป็นต้นนี่ลักษณะนี้นะแต่ในรายละเอียดผมจะไม่ตามเข้าไปแล้วแต่นี่ชี้ให้เห็นว่าศีลมันจะมีทั้งไอตัวนี้ด้วย สมาทานวิรัตสัมปติวิรัตก็สมุเทเฉทวิรัตไอ้เข้าใจไหมสมาทานวิรัติแปลว่าอะไรงดเว้นด้ว ย, ยการสมาทาน อ, อย่างของพวกเราเนี่ยเป็นสมาทานวิรัตไหมเป็นไม่เป็นตั้งแต่วันบวชแล้วที่เราตั้งใจในการที่จะบวชเข้ามาใช่ไมนะ่นี่ยนนตัวสมาทานวิรัตเนี่ยตั้งแต่วันที่เราบวชแลวพระสงค์ยอมรับ ว่าเราเป็นบวชเข้ามาสู่หมู่สู่ณะนั่นแหละพอเราจะล่วงละเมิดแต่ละครั้งเราก็นึกถึงนึกถึงว่าโอ้โหเราเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ในสังฆมณฑลยอมรับนับถือเรายอมรับเราเข้าหมู่เข้าคณะการที่เราจะไปล่วงละเมิดไม่ควรกับเราเลยคิดอย่างนี้นะครับพอคิดอย่างนี้ขึ้นมาก็มี ความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมีศรัทธาขึ้นมาปุ๊บก็สามารถละบาปประสบกรรมมันช่วร้ายที่จะล่วงละเมิดได้อันนี้เขาเรียกว่าแข็งแรงมากนิ่สมาฐานวิรัตถ้าสัมปตาวิรัตเฉพาะหน้าเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่จะเป็นเหตุให้ล่วงละเมิดอ่าสมมติอถ้าเป็นพระจะต้องอบัติสังฆาทิเศษเอจะไปทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนสมมตินะครับไปเห็นภาพโ ป, โป๊อะไรก็แล้วแต่พอทําที ท, ทําท่าจะไปล่วงละเมิดขึ้นมาปุ๊บมันเกิดละอายต่อบาป โอ้โหนี่หัวเราก็อย่างนี้โอ้โหเครื่องแต่งกายเราก็อย่างนี้นี่เป็นสัญลักษณ์ของพระชินอาเจ้านะว่างั้นนะโอ้โหความเป็นอยู่ก็อย่างนี้บริขารเครื่องใช้ก็แบบแบบนี้บัตรนี้เรามีเพศต่างจากกระหัตแล้วอาการกิริยาใดของสมะนะเราควรทําอาการกิริยานั้นๆพระคิดอย่างนี้อยั้งอยู่ไหม หรือไม่อยู่คิดไงต่อบางคนมันมันบางคนมันโอ้โหเอาไม่อยู่จะมาคิดอย่างนี้ยังไม่ยอมอยู่อีกมันจะล่วงละเมิดได้ทําไงต่ออาการกายวาจาใจที่เราจะทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้ยังมีอยู่อีกนี่ไม่ใช่เพียงเท่านี้ผู้รู้ใครควรแล้วตีเตียนตัวเราศีลได้ไหมตัวเราเองตีเตียนเราโดยศีลได้ไหมพิจารณาแต่ละข้อแต่ละข้ อ, แ ต, ขอแต่ละข้อเป็นไปตามลาดับเนี่ยเราพิจารณาแล้วโอ้ยเราไม่กล้าล่วงละเมิดทันทีงี้เป็นต้น ฉะนั้นคนที่จะสามารถยับยั้งบาปอาาัคซุลกรรมมันชัว่วร้ายตัวเองได้ต้องมีสติปัญญารวดเร็วนะในการตัดบาปอย่าจมเขาเรียกว่าอย่าอินกับบาปบางคนอินกับบาปได้ง่ายครับเข้าใจคำว่าอินไหมชอบบิ้วบิ้วบาปให้เกิดขึ้นได้เก่งบิ้วอารมณ์อ่ะบิ้วความกำหนัดโอ้โหปรุงแต่งเก่งเหลือเกินเนะี่ยเป็นไหมครับเป็นกลุ่มนี้ไหมถ้าจะโกรธใครสักคนแหมคิดจะวิจิตพิสดารคิดจนโกรธมันจะได้เคยไหมครับเคยไหมไอ้นี่น่าเกลียดจริงๆ ไอ้ห่ามันน่าฆ่าเว้ยอะไรเงี้ยนะจัดการแม่งเลยเอาไงดีวะคิดแล้วอยู่กวนอยู่นั่นแหละดูมันเดินดิดูมันทำหน้าไอ้ห่ากระทึบเป็น้อะไรวันนี้ไม่เยลือเงนินนะขอขอภัยนะมันคิดบิ้วอารมณ์แบบนี้เก่งมากถือก็ปรุงแต่งบาปได้เก่งเคยเห็นไหมครับคนประเภทนี้จะทำบาปได้ง่ายแต่ถ้าใช้ความสามารถให้ถูกกลับมาบิ้วเรื่องกุศลค น, คนฉลาดในการปรงแต่งกุศลมากเลย ปรุงแต่งทานกุศลศีลกุศลได้ง่ายมากคิดถึงพุทธคุณธรรมคุณสางฆคุณก็สามารถระลึกอะไรต่างๆได้อย่างแข็งแรงและมัน่นคงกรณีแบบเนี้เขาเราียกปรุงแต่งมันมีสองส่วนปรุงแต่งทุกกับปรุงแต่งสุขคนที่ปรงแต่งสุขปรุงแต่งกุศลได้ง่ายคนประเภทเนี้ยเป็นคนที่ไม่ทําบาปแข็งแรงประเภเนี้ยเราเป็นประเภทไหนปงแต่งบาปได้ง่ายหรือปุงแต่งบุญได้ง่าย เวลาเห็นเห็นพระเจดีย์เนี่ยคิดถึงพระเจ้าเลยไหมบางคนเห็นพระเจดีย์นึกถึงกว่าที่พระเจ้าจะบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศมานั่งประทับที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์โอ้โหมองปุงแต่งอะไรได้เยอะมากกุศลเกิดยังไงบางคนขนาดอยู่แต่หน้าพระเจ้าบาปยังเกิดเลยอะเอาไม่อยู่เลยขนาดนั้นเอง นี่บาปเลยนี่เขาเรียกว่าสัมปติเวรชนสมุเฉ ท, ทาเวรัตเนี่ยไม่เกี่ยวกับพวกเราสมุเฉ ท, ทาเวรัตนี่เป็นความงดเว้นของพระอรหันต์ทั้งหลายของพระอริยะอันนั้นเว้นโดยตัดขาดเว้นโดยตัดขาดสมุเฉ ท, ทานเนี่ ย, ยเหมือนเหมือนภาษาลีบุตรเนี่ยภาษาลีบุตรเนี่ยท่านทั้งๆั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งท่านปวดท้อง ท่านปวดท้องมากพระโมคคารนะก็ถามว่าพระเถระท่านปวดท้องหมดใช่แล้วท่านตอนเป็นคารว่าท่านหายได้ด้วยอะไรก็บอกสมัยก่อนยอมแม่ปรุงข้าวมัทุพปปายาดน้านมมั้ยปรุงนมกับข้าวผสมกันแล้วก็ได้ดื่มดื่มดื่มอาหารประเภทเนี้ได้ดื่มข้าวมัทุพปปายาดประเภทเนี้ ทำให้โรคในท้องของของกระผมนันหายพระเทลักษ์พระโมคคานะก็เลยบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นบุญของท่านถ้าบุญให้ผลท่านคงจะได้อาหารประเภทนี้พูดแค่นี้แหละเพราะท่านไม่สามารถออกไปบิณธบาติได้ท่านท่านปวดท้องพอรุ่งขึ้นพระโมคคารนะก็ไปบินธบาตโอ้โหแต่นี้ชาวบ้านแทบจะทั้งหมู่บ้านเลยทําแต่ข้าวแบบนี้มาถวายท่านก็รับอาหารมาก็รีบมากลับมามาถึงก็มาเอาอาหารประเภทนี้มาถวายพระสารีบุตร ภาษาลบุทําท่าจะฉันก็เลยระลึกระลึกด้วยญาณด้วยพิญญางท่านว่าเอ็มได้มาอย่างไงเนี่ยโอ้รู้ทันทีเลยมันมีเทวดาไปเข้าสิงมนุษย์แล้วก็บอกว่าวันพวกนี้จะมีพระเถลามาบินาบาตรแล้วขู่เขาด้วยว่าจงมาจงทําอาหารประเภทนี้ใส่บาตรนะทั้งนั้นยังไม่ทั้งนั้นจะจะจะเบียดเบียนเอานะั่งนี้ไปต้นพรเทวดาเหล่านั้นก็เลยมนุษย์เหล่านั้นก็พากันกลัวไงก็เลยทําอาหารประเภทนี้ถวาย ท่านรู้ว่าอาหารเนี่ยได้มาโดยการไปเบียดเบียนเข้ามาท่านเลยไม่กินท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาอาหารแบบนี้เข้าไปอยู่ในท้องเนี่ยบอกว่าให้ให้ตายเลยดีกว่าเนี่ยลองให้ตายดีกว่าเหมือนเหมือนที่ใครนะที่ว่าเป็นคนที่จับจ่วงพุทธเจ้าหลังพุทธเจ้าบรินิพพานแล้วได้เจ็ดวันสูพัดท่าอะไร สุภัททาวุธะบันบชิตใช่ไหมล่ะที่อยู่ที่เมืองอะตุมาเนี่ยแค้นพระเจ้าตั้งแต่เคยนิมนต์พระเจ้าพร้อมด้วยพิสุทสองหมู่ใหญ่ไปอ่ะแล้วก็ตนเองก็ไปทําอาหารเองพอพระทําอาหารเองเนี่ยมันผิดวินัยอยู่แล้วเนี่ยานอกจากทําอาหารเองไม่พอไปเรี่ยรัยเองด้วยพร้อมกับลูกชายที่บวชเร น, นสองคนไอ้เจ้าเนี้ยเป็นช่างกระบกเป็นคนตัดผมมาก่อนแต่ก่อนนี่เป็นคนมียเชีย่ยเป็นนักตัดผมแล้วต่อมามาบวช พอบวชเสร็จแล้วก็ลูกมีลูกอยู่สองคนเนี่ยก็มาบวชเนนด้วยแล้วต่อมาอยากจะถวายอาหารแด่พระเจ้าก็นิมนต์พระเจ้าให้ไปที่อยู่ของตนเองแล้วก็เลยไปประชาสัมพันธ์ชาวบ้านไปเลี้ยอะไรเลี้ยอะไรเอาพริกเอาข้าวเอาอะไรอาหารมาเสร็จเสร็จก็เลยมาทําเป็นเขาเรียกว่าข้าวยาคูมากวนเนี่ยมาทําแต่แต่เช้าทําเหมือนเขาต้มเนี่ยครับพอพระเจ้าไปถึงก็นิมนต์พระเจ้า ตอนเองก็ไม่ได้ใส่จีวรตอนนั้นมีเธอสบง์กับอังศานี่แหละก็มือหนึ่งแล้วก็คุกเข่าลงแล้วกราบพระเจ้านิมนต์พระเจ้าให้ไปฉันเ อ, อให้ให้ไปรับอาหารข้าวมรทุกอาญาไอข้าวข้าวนี่แหละข้าวยาคูนี่แหละพระเจ้าก็เลยชี้ไปตําหนิบอกว่าข้าวยาคูนี้ไม่สมควรแก่เราแต่ถาคตและไม่สมควรแก่ภิกษุสงฆ์ทั่วสังคมมนท ถ้าใครเอาข้าวเหล่าเนี้ยลงไปสู่ในกระเพาะถ้ายังเป็นบุรุษชนอยู่นะไปจะไปจมอยู่ในอบายทุกขติวินิบาตนะลอกโอ้โหพอถูกตาหนิอย่างนี้แลยโกรธแค้นวุทิยาตั้งแต่ ว, วันนั้นเนี่ยโกรธแค้นนี่เขาเรียกว่าสุพัฒนุพัฒาวุฒาวันประชิตเพราะการทําอาหารเองมันผิดใช่ไหมไปเลี้ยไล่ด้วยอะไรด้ว ย, ไ ด, วยได้เป็นของที่ได้มาด้วยความผิดแล้วก็มาทําเองด้ว ย, ยปรุงแต่งเองอะไรเองอย่างนี้เป็นต้น นะ่ะลักษณะที่ว่าท่านเป็นพระอริยะทั้งหลายท่านจะละได้อย่งเด็ดขาดอย่นี้เป็นไปลักษณะแบบนี้อภิการต่อมาคือว่าเนคขมมะบา ร, รมีนะครับไอนะตัวเนคขมมะเนี่ยมายจากคาว่ากามะโตจา่าภวะโตจ่ามีอันออกจากกามนิคข ม, มะนะลัคนาก็และออกจากการมีโชคมาเป็นลักษณะ โชคในที่นั้นหมายความว่าเป็นกรมกรมการมมาคุณนะได้รูปที่สวยๆเสียงที่เ พ, พราะกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสมผา ท, ที่นิ่มๆกรรมมาคุณที่น่ารื่นเริงน่าชื่นใจนั่นแหละจิตที่น้อมออกสละออกหรือน้อมที่จะออกเนี่ยออกจากกรรมสลัดกับกรรมเนี่ยนี่ลักษณะลักษณะของเนคขม้จะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ตาธาทีนวะ วิภาวันนารสาก็มีการประกาศโทษของกามนั้นเป็นกิจเออเวลาถามว่าจริงๆมันมีโทษไหมกามะคุณเนี่ยมีโทษไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจเนี่ยกามก็คือตาหูจมูกเล่นกายรูสีเสียงกลิ่นรสมันมีคุณ น, น้อยแต่มีโทษมาจากนั้นเห็นโทษของกามเนี่ยกรณีที่เราจะต้องไปหมกมุ่นกับกามะคุณเหล่าเนี้ยว่ามันมีโทษยังไง โทษของมันก็คือมันมีความไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ได้เป็นไปตามคาําบำการบงการหรือบงังคับบัญชาหรือคอนโทรลได้จริงไอ้กรณีไปเห็นโทษของกามเนี่ยแล้วก็มีการหันหลังจากโทษนั้นแหละเป็นผลมีอะไรเป็นเหตุใกล้สังเวชพระทัฐทานาก็มีความสลดใจนั้นเนคขมารบรมีเนี่ยการออกจากกามทั้งบดที่พระโพิสัต ท, ที่ท่าน บำเพ็ญค้นหาพิจารณาเนี่ยการเห็นโทษในการคลองเรือนพวกเราเห็นไหมการคลองเรือนเราเห็นโทษไหมเห็นไม่เห็นห น, หนึ่งก็เรียกว่าเขาเรียกว่าที่บอกว่ามีกิจมากพระหูกิจโจพระหูกรณีโยพระหูราชปัทโธพระหูอาปาโทพระหุปุญยันตราโยนมีโทษอย่างนี้นะเรื่องการคลองเรือนเนี่ย มีกิจมากก็คือกิจเนี่ยมันทําไม่จบทํายังไงก็ไม่เสร็จไอกิจของคารวาสเนี่ยมีกิจมากและพระหู ก, กิจโย่พระหู ก, กรณีย์ก็คือมีกรณีกิจเรื่องเล็กๆในน้อยในรายละเอียดปรีกย่อยก็เยอะในกรณีที่เราไปเกี่ยวข้องกับการนั้นพระหูราชา ป, ปัทโธหมายความว่าช่องทางคับแคบนะช่องทางเดินก็คับแคบมากไม่สามารถที่จะออกจากเครื่องผูกตรงนั้นได้ พระหอาปาโถก็คือมันมีโทษมันมีอาพาธมันมีโทษเยอะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นมันมีความวิปริตผิดเพี้ยนมากมายพร่อโหปัญญตาโยก็คือมันได้แต่บาบเวาลาเราไปเกี่ยวข้องกับ ก, บการคลองเรือนทั้งหลายเนี่ยบุญนะ่ยได้นิดนอกนั้นเป็นแต่บาบมีแต่ความเครียดความกลุ้มความทุกข์ความวิตกกังวลทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการคองเรือนเป็นอย่างนั้นจากนั้นคําว่าเนคขมารคือการบรรพชา เป็นอภโอกาสในการทําศีลให้บริบูรณ์เป็นโอกาสเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างที่เราจะทําศีลเป็นต้นให้บริบูรณ์เป็นต้นได้คำว่าเนคขมมะนี่เป็นสันสกฤตนะถ้าบาลีก็เรียกนิกโมถเนคขมมะนี่เป็นสันสกฤตถ้านิ ก, กโมหรือนิคมนังเนี่ยคำว่านี้นะแปลว่าออกเป็นบทหนา้าขมุทธาตในการก้าวในความก้าวอปัจจัยลบที่อุในที่สุดธาตุก็เลยกลายเป็นนิกกโมหรือนิคมะ นี่ก็เป็นบทนาธรรมธาตุในความอดทนก็ได้แปลว่าการออกไปอย่างเดียวออกไปจากการามออกไปจากรูปที่สวยๆเสียงที่เพระพระสกลิ่นที่อหอมหอมรสที่อร่อยอร่อยส้นผัดที่นิ่มอย่างนี้ไป็ต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเนคขมมะเนคขมมะมีไหมครับเนคขมมะโดยรูปแบบก็คือบวชเนคขมมะโดยสภาวะโดยสถานะที่แท้จริงก็คือจิตที่น้อมออกจากกามาจริง และยังปฐมฌานเป็นต้นให้ตั้งขึ้นเดินวิปัสสนาญาณนี้เป็นต้นอะไรนี่นะแล้วก็ยังศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วหันหลังให้อะกามเป็นต้นอย่นี้เลยอภิการต่อไปก็คือปัญญาบารมีผ้จะไปเร็วๆเลยนะี่เดี๋ยวจะหมดเวลาได้จ ะ, จ ะ, จะได้ไปเข้าเนื้อหาสาระจะได้รู้ตัวบารมีเลยนะีออ่ลักษณะจิตุกากของปัญญาบารมีมาจากคำว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณะมีการแทงตลอดสภาวะเป็นลักษณะคําว่าแทงตลอดในที่เนี้แทงตลอดไม่ผิดพลาดด้วยนะ มันเหมือนกรณีแห่งธนูอะ่ะเหมือนกับ น, นายขมังธนูที่มีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญในการยิงลูกศรเวลายิงลูกศรเนี่ยเป็นคนที่ชํานาญแล้วก็ยิงได้อย่างไม่ผิดพลาดและยิงได้อย่างแม่นยําลักษณะปัญญาก็เหมือนการเจาะทะลุทะลวงนะครับปัญญาเนี่ยจะเจาะทะลุทะลวงได้โดยไม่ผิดพลาดวิสยะวิสยโยภาษะนราสาก็มีการรุ่งเรืองในรม่มเป็นกิจ นอกจากแทงไม่ผิดพลาดแล้วเนะี่ยมีความรุ่งเรืองด้วยรุ่งเรืองในที่กึ้คือแสงสว่างมีแสงสว่างลักษณะของปัญญาเนี่ยคือมองอย่างนี้ให้สังเกตดูนะผลปรากฏถ้าถามว่าปัญญาเกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ยังไงสังเกตดูผลปรากฏก็คืออสัมโมหะปัจจุเวานาก็คือมีความไม่หลงเป็นผลมีสองส่วนมีอะไรเป็นเหตุใกล้ สมาทิพิคเวบาเวถ่าสมาัาตยถาภูตังประชานติมีสมาธิเป็นเหตุใกล้กับการว่าจะตุสัจจาปาทฐานนามีอริยสัจสี่กระทุกสมูไทยนิโรธมาร์คเป็นเหตุใกล้เหมือนว่าปัญญนสีจากบริบูรณ์ที่ไหนบริบูรณ์ที่อริยสัจสี่ใช่ไหมนั้นการที่ปัญญาที่สามารถที่ไปกําหนดรอบรู้ทุกลาสมูไทยทํานิโรธให้แจ้งแล้วก็อบรมอริมารคนี่คือเป็นเหตุใกล้ของปัญญาแต่ปัญญาอย่างหนึ่งก็คือที่จริงเหตุใกล้ของปัญญาไม่ใช่มีแค่2 อ, อย่างนะ ไม่ใช่มีแค่สมาธิไม่ใช่แค่มีแค่กอริยสัจเช่นอคนที่ปฏิสนธิหรือเกิดมาด้วยเหตุสามเกิดมาครั้งแรกเลยนะครับเอมาพร้อมกับความไม่โลภความไม่โกรธพร้อมกับปัญญาอันนี้ก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญาด้วยหรือคนที่มีอายุอายุยังไม่เกินถ้าถ้านับร้อยปีเป็นอายุไขก็ไม่เกินห้าสิบที่นั่งๆยู่ไม่ ใ, น ใ, นใครเกินห้าสิบเลวยกมือ อันนี้คือถ้าพระทศกาวัยเนี่ยเ อ, อปัญญาทศกาวัยวัยปัญญาเนี่ยถ้าร้อยปีเป็นอายุขยัยเขานับสี่สิบถึงห้าสิบใครเกินห้าสิบไปแล้วก็เรียกว่าเป็นวัยแห่งความเสื่อมแล้วปัญญาจะไม่ค่อยดีแล้วใครน้อยกว่าห้าสิบโอ้โหว่าปัญญาดีๆกันนั่นท <c oughs> ีนี้ต้อง ทีนี้ถ้า75ปีเป็นอายุขอ่ะควรจะลดมากี่ปี 40-50 เป็นวัยปัญญาใช่ไหมอันนั้นเป็นร้อยปีเป็นอายุขแต่ถ้า75ปีเป็นอายุขคงจะเหลือเท่าโ อ, อไม่เกิน40 <laughs> นี่ในยุคปัจจุบันถ้าใค้เกิน40เนี่ยเขาเรียกว่าหาเนหาหน้าทัศสกาววัยแล้ววัยงความเสื่อมแลวครับ แต่ว่าพยายามดูแลร่างกายให้ดีมันช่วยได้นะเนี่ยตอนวัวครที่ยังต่ํากว่าสี่สิบเล้วอยู่ในสี่สิบต้นๆยังพอรุ่นนิดหนึง่งแต่ถ้าต่ำกว่าสี่สิบหน่อยก็โอเคนะใข่ต่ากว่าสี่สิบมีไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยรีบเ ล, เล่งเต็มที่เลยวัยนี้เป็นวรรยัยปัญญาเดี๋ยวจะหมดแล้วถ้าหมดวัยปัญญาแล้วเรียบร้อยเลยมันคิดอะไรลลืมหน้าลืมหลังหลงหน้าหลงไม่ได้เรื่องแลยครับนั้นวัยนี้เท่านั้นแหละติดไปวันข้นขวายได้เต็มที่ พอ wow. ประยะหนึ่งตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมสมองก็เริ่มเสื่อมนะครับนะครับนี้อ่านอ่านอ่านแล้วลืมอ่านแล้วลืมเนี่ยโหแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่มีความจํานี่ว่องไวมากไม่เคยท่องนะอ่านแล้วจําได้อ่านแล้วจาได้มาเดี๋ยวนี้เฮ้ยต้องท่องท่อแล้วเดี๋ยวนี้ต้องท่องแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้เรื่องแล้วเนี้ยโออันตรายมากฉะนั้นต้องการบําเพ็ญปัญญาบารมีนะปัญญามีความไม่หลงมีความไม่หลงเป็นผล ทีนี้ลักษณะของปัญญาเนี่ยมันเหมือนเป็นแสงสว่างใช่ไหมครับปัญญาเหมือนกับมุกมักคุเทศคอยนำทางเวลาคนหลงป่าก็ยังมีมักคุเทศในการนำพาให้ออกจากป่าคนที่ไม่มีปัญญาก็เหมือนกับบอือบอดกับบือบอดหลงป่าใหญ่เข้าไปในป่าใหญ่ถามามันจะรู้จากทางไหมครับฉะนั้นเวลาจิตไม่มีปัญญานามันเหมือนกับบอือบอดเลยนะ เหมือนกระบือบอดที่เข้าไปในป่าใหญ่ป่ากว้างมันไปทั่วมั่วหมดเลยเดีน๋นี้แต่ถ้าหากว่ามีปัญญาเป็นตัวนำจิตมีแสงสว่างเป็นตัวนำจิตก็จะสามารถนำจิตนั้นน่ะให้ออกจากความมืดความบอดและความเข่าเป็นต้นได้ฉะนั้นถ้าใครพัฒนาตัวปัญญาให้นำจิตได้ปุ๊บก็จะไม่ติดตันก็จิตก็จะมีทางเดินในการที่จะหมุนไปอย่างคล่องแคล่วและว่องไวเคยเป็นไหมครับคิดอะไรไม่ออกเป็นยังไงเครียดไหม นั่นแหละไอ้กรณีอย่างนั้นแปลว่าปัญญาไม่มาแต่พอปัญญามาปุ๊บแสงสว่างมันจะเกิดขึ้นมาจิตมันก็เดินต่อไปได้ไม่ติดตันงนี้เขาเรียกว่าปัญญามานันนาหรือเหมือนเราขับรถถ้าหลงทางเป็นไงครับเนี่ยพอหลงทางมันก็จะทุกข์ใจตลอดเวลาไปทางไหนไปทางไหนแต่พอนั่งคํานวณได้ว่าเออต้องไปทางโ น, น้นทางนี้ขึ้นมามันโล่งโปร่งขึ้นมาฉันใดปัญญาเวลานําจิตจะเป็นอย่างนั้น เวลาเห็นเหตุการณ์ใดๆคิดในเรื่องอะไรทั้งหลายเพราปัญญามานันนาปุ๊บเนี่ยแสงสว่างก็เกิดขึ้นมามันจะเจาะทะลุดทะลวงในเรื่องนั้นได้นี่เป็นต้นฉะนั้นปัญญาจึงเป็นจุดสูงสุดในพุทธศาสนานะปัญญตระาสะเพธมาเนี่ยทําทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดมีปัญญาสูงสุดฉะนั้นปัญญาในที่นี้สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราเรียนเนี่ยการฟังอย่างนี้มันได้อะไรได้สุตตะเขาเรียกสุตะมยปัญญาใช่ไหม ทีนี้เมื่อนอกจากฟังอย่างเดียวพอไหมไม่พอก็ไปไข่ครวนไปวิจัยไปแยกแยะต่อจนสามารถคิดได้ลึกกว่ากว้างกว่าที่ฟังอย่างนี้เขาเรียกจินตามายาปัญญาเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันเมื่อคิดใช้กักการฟังและกัการคิดการไข้ครวนเนี่ยแล้วแล้เราเใช้ปัญญาสองระดับเนี่ยเป็นฐานในการวิจัยเลยแล้วเราเจนสามารถเจาะทะลุดทะลวงประจักษ์แจ้งชัดได้ด้วยตนเองได้อันนั้นเขาเรียกภาวนามายปัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมครับนั่นมันจะต้องทําให้ได้สามระดับ หนึ่งฟังต้องฟังสั่งสมบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆฟังให้ได้เหตุได้ผลได้เหตุได้ผลเมื่อฟังเบเสร็จปุ๊บหยุดแค่นั้นไหมไม่หยุดเอาไปไตร่ตรองเอาไปไขควนเอาไปวิจัยแยกแยะกลายเป็นพัฒนาเป็นจินตามายะปัญญาอาศัยทั้งสุดตาไมยะปัญญาและจินตามายะปัญญาแล้วแเร่าเล่าทะลุทะลวงเป็นปัจจัยต่อภาวนาภาวนาในที่นั้นหมายความว่าประจักษ์แจ้งชัดได้ด้วยตนเองเห็นทะลุทะลวงโป่งโล่งขึ้นมาได้เลยเนี่ยด้วยด้วยการที่ใช้ปัญญาสองระดับเป็นฐาน ก็จะสามารถเข้าถึงระดับภาวนามย์ปัญญาคือปัญญาในพหังการลงมือทําลงมือปฏิบัติและได้ประจักษ์แจ้งชัดประดุดดังเห็นแก้วมณีบนฝ่ามือนะเห็นขนาดนั้นนะครับไอตัวภาวนามยปัญญาเนะี่ยมันเห็นทะลุทะลวงและเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้จริงๆนี่เขาเราียกระดับภาวนามยปัญญานั้นเราก็ต้องพยายามฝึกฝนปัญญาสามระดับนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้อะระดับไหนทํายากที่สุดสุตตะฟังยากทํายากไหม ถ้าสุดต่าไม่ยากต่อไปก็คือฝึกคิดต่อคิดให้ลึกกว่าที่ฟังให้กว้างกว่าที่ฟังให้ประจักษ์แจ้งชัดกว่าที่ฟังยากไหมระดับที่สองใช้สองระดับนี้แหละเป็นฐานแล้วก็วิจัยแยกแยะจนสามารถประจักษ์แจ้งชัดเห็นทางออกอ่ะยกตัวอย่างยังไงก็บอกว่ า, เ ว, าเวลาเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาใช่ไหมครับเกิดความโกรธขึ้นมา เครียดโกรดขึ้นมาเนี่ยทําไงเราจะละความโกรธได้เ อ, อการที่จะละความโกรธได้ทํำยังไงเคยเคยโกรธไหมวิธีละทำยังไงอะที่ที่พวกเราใช้กันก่อนเอ่ะเคยดูจะตรงที่พระเจ้าสอนไหมไม่เอาจริงๆในชีวิตจริงเลยฮะเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องราวเคยไหมอ๋อหายใจนับหนึ่งถึงสิบแล้วมันหายไหมเคยอย่างนี้อ๋อเดินบอกว่าไงอ๋อเป็นงั้นเลย กอดความกรอดอีกทีเลกอดความกรอดอีกทีก็ไปเพิ่มมันหรือเปล่าเนี่ยคือในอริยสัจเนี่ยเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมอริยสัจมีสี่ใช่ไหมหนึ่งทุกสองสมุทัยสามนิโรธสี่ เราเราชัดเจนไว้ในอริยศาสตร์เราทํากิจในอริยศาสตร์จะทกเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้ควรรอบรู้ควรรู้จักควรจับตัวมาได้ใช่ไหมสมุทัยเป็นกิจที่ควรละควรประหารนิโรธเป็นกิจที่ควรรู้ถึงควรทําให้แจ้งควรทําให้ประจักษ์ขึ้นมามาร์กเป็นกิจที่ควรเจริญเอาอะไรแต่เนี้ยราคาโทสะโมหะเนี่ยเป็นอริยศาสตร์ข้อไหน บอกเราเริ่มมึนเลยเนี่ยเนี่ยเอาราคาความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นอริยศาสตร์ข้อไหนเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธหรือเป็นมรรคใครใครเป็นทุกข์ใครบอกว่าเป็นทุกข์ยกมือทีใครบอกเป็นสมุทัยยกมือทีใครบอกเป็นนิโรธใครบอกว่าเป็นมรรคสรุปแล้วราคาโทสะโมหะไม่ใช่ทุกข์นะเป็นอะไรสมุทัย ควรละหรือควรเจริญ <c oughs> ใช่ั้มทุกเนี่ยควรรอบรู้ควรกำหนดรู้ใช่ไหมสมุทัยควรละนิโรธควรประจัก์แก้งในสามอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเข้าใจไหมในการดำเนินชีวิตเนี่ยเพียงให้รู้จักมันแค่นี้พอแต่สิ่งที่ควรทำทำข้อเดียวคือมัจมัจเป็นชื่อของอะไรศีล ส, สมาธิปัญญาใช่ไหมโดยย่อ ศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาจะเป็นมาร์กหมดเลยนะเราไม่ต้องไปสนใจมันนะราคาโทสาโมหะไม่ต้องเฮ็ดจะละยังไงจะละยังไงก็คือมาทําข้อสุดท้ายข้อเดียวก็คือทําข้อมาร์กก็คือมาทําศรัทธาในพระเจ้าให้เกิดขึ้นมาทําความเพียรให้เกิดขึ้นมาทําสติมีความระลึกได้ตามเ ล, ลึกได้เกิดขึ้นทําสัมัชัญญาคือปัญญาไปต้นให้เกิดขึ้นเห็นไหมทําข้อเดียวเนี่ยแปลว่ามันได้ครบสามข้อ เข้าใจอย่างเห็นไหมไม่ใช่ไปบอกว่าเออจะละยังไงโว้ยนี่โทรศัพท์นี่กูจะละยังไงจะละยังไงไม่ใช่เลยมาทําข้อสุดท้ายข้อเดียวก็คือทําข้อมัดพอเข้าใจไหมเวลาความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปกังวลก็มาทำศรัทธาในพระธรรมตรัยให้เกิดขึ้นทําความเพียรให้เกิดขึ้นในการที่จะละบาปแล้วก็ทําสติฝึกสติเช่นในขณะนั้นเกิดความโกรธขึ้นมาระลึกพุทธคุณ หายไม่รอดเราเลิกถึงคุณของพระเจ้าหายไม่หายไม่เหลือเราเลิกถึงคุณของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระอทหารกลจากราคาโทสารมหะเราก็จะฝึกตนเองให้กายจากราคาโทสารมหหะให้ได้ฉะนั้นการโกรธมันเป็นเรื่องของสมุทยัยไปทำที่ควรละไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็มาทําเนี่ยมาทํามรุกในขณะที่เจริญพุทธานุสติอยู่เป็นการประชมมรุกําลังกระทํามรุกให้เกิดขึ้นไหม พุทธานุสติทำมานุสติสังขานุสตินั่นแหละเป็นการเจริญอริยมรรคแล้วเออเป็นการประชุมมรรคให้เกิดขึ้นแล้วทําข้อเดียวแล้วมันได้ครบเห็นไหมเนี่ยเป็นไปไปลักษณะแบบนี้งั้นปัญญาก็แปลว่ารู้ทั่วรู้ทั่วลักษณะของปัญญามันจะรู้สองอย่างนะหนึ่งรู้ลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกปัจจัตาลักษณะการรู้สามั ญ, ญลักษณะปัญญาที่ไปแทนตลอดลักษณะเฉพาะตัวเช่น สามารถจะรู้ลักษณะของความโลภเป็นอย่างนี้กิจของความโลภเป็นอย่างนี้อาการปรากฏของความโลภเป็นอย่างนี้เหตุใกล้ของความโลภเป็นอย่างนี้สามารถจะรู้ลักษณะเฉพาะตัวของรูปธรรมและนามธรรมเป็นต้นได้และปัญญานั้นยังสามารถเจาะทะลุทะลวงไปเห็นภาวะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของสภาวธรรมทั้งปวงเป็นต้นได้ด้วยนี่ปัญญาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นั้นปัญญาสําคัญที่สุดนะพอจะเข้าใจยังยากไหม โอ้โหใช้เวลาอธิบายนานนนีองโอ้โหเกือบเกือบสี่โมงแล้วเดี๋ยวจะไม่จบที่จริงว่าจะดำเนินเรื่องการบำเพ็ญบารมีแต่ละชาติยังไม่ได้เลยเดี๋ยวต่อไปวิริยะบารมีนะครับวิริยะเนี่ยอุสาหาลัคณ า, ามีรอุสาหเป็นลักษณะคำว่าเพียนเนี่ยวิริยะเนี่ยมาจากคำว่าวีระวีระศัพท์เนี่ย เขแปลว่าแก้วกล้านะแปลว่าแก้วกล้าแปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวกล้าหารนั่นเองคําว่าวีระเนี่ยแปลว่ากล้าหารแปลว่าการกระทําของบุคคลผู้กล้าผู้กล้าหารน่ะเชื่อวิริยะแล้วกับตัววิริยะจะมีลักษณะการบุกฝ่าบุกฝ่าไปข้างหน้าก้าวไปใจสู้คนที่มีตัววิริยะธาตุแข็งแรงเนี่ยจะเป็นคนที่ บุกไปข้างหน้าบุกฝ่าไปข้างหน้าไม่กลัวต่อปัญหาและอุปสรรคมีไหมตัวตัวธาตุตัวนี้มีไหมครับเจดวิยะธาตุตัวนี้ยพอเจอปัญหาเจออุปสรรคแล้วมันจะตื่นเต้นทันมาทันทีมันมันมันเห็นปัญหาอุปสรรคเป็นเวทีทดสอบศักยภาพเป็นไหมถ้าอยู่เฉยเฉยเนี่ยชีวิตไม่ตื่นเต้นถ้าเจอปัญหาเจออุปสรรคแล้วมันได้ทดลองได้ทดสอบได้ได้บุกฝาก่า ได้มันท้าทายลักษณะอย่างเนี้ยคนที่มีวิริยะจะเป็นแบบนี้งั้นตัววิริยะบา ร, รมีเนี่ยนันจึงบอกว่ามีการอุดหนุนสาชาธรรมเป็นกิก็หมายความว่าเวลาเกิดจะทอ้อนะพอสัตว์ความเชื่อมั่นจะทอ้อจ ะ, จ ะ, จ, ะจะไม่อยากเชื่อมั่นแล้วเนี่ยตัววิริยะจะเ ป, เป็นกองหนุนเป็นกองหนุนเขาอุปมาเหมือนกับบ้านนะครับบ้านเวลามันจะล้มเนี่ยมันจะมีไม้ค้ำอยู่นะครับจะมีไม้ค้ำอยู่ ไม่ให้บ้านนั้นมันพังหรืออีกอย่างหนึ่งเหมือนกองทัพกองทัพหน้ากับกองทัพที่หนุนท้ายหลังวิริยะนี่จะเป็นกองทัพหนุนเวลากองทัพหน้าจะพ่ายแพ้หรือจะถอยล่นแล้วเนี่ยกองหนุนก็จะมาทันแล้วก็จะหนุนทําให้ไม่พ่ายแพ้องี้เป็นต้นนั้นตัววิริยะจะเป็นไปลักษณะอย่างเนี้ยก็คือมีการไม่ท้อถอยเป็นผลทีนี้คิดอย่างไรวิริยะจึงจะเกิดเขาเรียกวิยาลำพวัตถุ มีความสลดใจประเหตุกา์ก็คือวิธีคิดถึงลองคิดว่าคิดถึงความแก่มรนตะไพ่นะคิดถึงมรนตะไพ่คือความเกิดมรนตะไพ่คือความแก่มรนตะไพ่คือความเจ็บไข่มรนตะไพ่คือความตายคิดว่าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็แก่เดี๋ยวเราก็เจ็บเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวปัญหาอุปสรรคทั้งหลายก็จะตามมาฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยเราจะเราจะบุกฝ่าเราจะเพียนได้ก็ได้ช่วงเวลานี้เวลานี้ เดี๋ยวเกิดมาเจ็บป่วยขึ้นมาเดี๋ยวก็จะต้องเดินทางขึ้นมาเดี๋ยวก็จะต้องมีกิจอื่นขึ้นมาฉะนั้นเราต้องรีบระดมความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงบรรลุทำที่ยังไม่บรรลุทําให้แก้งซึ่งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเนี่ยพอคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมาเห็นไหมคนที่ปารอบเห็นอะไรปุ๊บก็สามารถปารอบความเพียรได้เพราะว่าถ้าแก่แล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเราลองไปดูคนแก่ที่แก่หรือคนเจ็บไข้เนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยครับเราจะมานั่งศึกษาธรรมะก็ไม่ได้ จะมาขดขวายในการเจริญสมาธิก็ไม่ได้จเจริญปัญญาก็ไม่ได้จะขนขวายในการจะศึกษาค้นคว้ามไม่ได้เลยนอนตานอนป่วยว ร, ร้องควนคลางอยู่นั่นแหละพอคิดอย่างเงี้ยมันเกิดฮึกเหิมขึ้นมานะแล้วคนแก่ใกล้ตายโอกาสบรรลุมรรคผลไม่มีเพรางั้นเด้อนักเข้านักเข้าก็จมอยู่ในกิเลสและกองทุกข์แล้ที่สุดท้ายก็ต้องกลับไปเกิดบ่อยๆไปแก่บ่อยๆไปเจ็บบ่อยๆไปตายบ่อยๆพอคิดอย่างเงี้ยความเพียรเกิดไหมความกล้าหาเกิดไหมเนี่ยการคิดเพื่อให้เกิดความเพียรก็คิดแบบนี้ เห็นไหมบางทีการให้อาหารของมันเวลาจะเวลา น, นอนปุ๊บแล้วเกิดความอยากจะหลอยากจะอยากจะอยากจะนอนไปเรื่อยๆคิดยังไงให้เกิดความเพียรเคยคิดไหมลองคิดในใจบอกอ๋ออยากจะอยากจะโง่ก็นอนไปคิดแบบนี้นะไม่อยากฉลาดอยากจะจมอยู่ในกองทุกข์ก็นอนไป คนที่เขาล้มเหลวทั้งหลายก็ล้วนจะเป็นคนเกียดตค้านแบบนี้แล้วลองให้ให้เหตุปัจจัเยเรื่อยๆลงสอนใจก็ดูเนะียเห็นไหมคนที่ประสบความสําเร็จไม่มีใครเลยที่มานอนแล้วก็มัวเฉวยชาเกียรติค้านอย่างเนี้ยล้วนแต่เป็นการงานของคนล้มเหลวทั้งนั้นและในขณะเดียวกันเราก็ดําเนินไปตามทางของคนที่ล้มเหลวก็ไม่เป็นไรต่อไปมันจะได้ล้มเหลวต่อไปจะได้วิบัติต่อไปจะได้ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตลองคิดไปเรื่อยๆมันตื่นไหม ไม่เหลือจะ ต, ตกแค่เนี้โอ้โหมันเรียบตื่นขึ้นมาตาค้างเลยตอนนี้ไม่ได้เรื่องแล้วนี่ไปนี่ไปต้นเนี่ยการคิดอย่างนี้ปารอเนี้ยอาประการต่อมาขันติบารมีครับขันติบารมีมีความอดทนเป็นลักษณะนะครับขันติเนี่ยลักษณะขันติคืออดทนอดทนต่ออะไรมีการอดทนต่ออิทธารมและอนิถารมอารมณ์ที่ดีและอารมณ์ที่ไม่ดีการอดทนต่ออารมณ์ที่ดีอดทนยังไง ถ้ามีคนมาชมมีคนมาชมบอกว่าโอ้โหท่านนี้เป็นคนฉลาดมากท่านเป็นคนหน้าตาดีมากท่านเป็นคนที่ทำการงานเก่งมากพอได้ยินคำแบบนี้ดีใจไหมอาการที่ดีใจแบบนี้แปลว่าเราไม่เราปล่อยให้ใจของเราเนี่ยเพ้อเปยไปาำเสียงชมถ้าถูกดา่าด่าว่าโง่บ้างด่าไม่ได้เรื่องบ้างด่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นต้นบ้างเนี่ยก็เครียดก็โกรธเห็นไม การที่เราจิตเราวูบว่าไปตามเสียงชมและเสียงด่าเนี่ยเนี่ยขึ้นขึ้นลงล ง, ลงไปตามเสียงชมและเสียงด่าจิตที่ไม่เสถียรเนี่ยจิตที่ไม่แข็งแรงไม่มั่นคงอย่างเนี้ยพร้อมที่จะไปกับเสียงชมและกับเสียงด่าเนี่ยอาการลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีคันติอาการขันติเขาบอกว่ามีความอดกลั้นเป็นผลหรือมีความไม่โกรธเป็นผลเนี่ยแล้วมีอะไรเป็นเหตุใกล้รู้ไหมยะถาภูตตาทัศนปทัทฐานาก็คือมีการเห็นตามความเป็นจริงเป็นเหตุใกล้ การยอมรับได้ด้วยปัญญาขันติจึงเกิดยังไงยกก็ออย่างเช่นเวลาเราเกิดเจอความร้อนนะครับเจอความร้อนเกิดขึ้นเขาคิดยังไงบอกว่าในสังสารวัตเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเนี่ยเคยจมอยู่ในอเวจีมานรกเราเคยเป็นสัตว์นรกมาแล้วเราเคยถูกไฟในนรกแผดเผาอย่างมากมายอย่างยาวนานในสังสารวัต และมาวันนี้เรามาเจอความร้อนเพียงสี่สิบองศาแค่นี้ฉะนั้นการที่เราจะยอมรับในสิ่งนี้ได้เป็นอานการที่ควรสําหรับเราโดยชนิดที่ทําใจให้เราไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวแล้วจะเร่งเพียรพยายามในการให้ใจเราเป็นกุศลแล้วก็เดินศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเราไม่เร่งเพียรเดี๋ยวเราก็ต้องไปจมอยู่ในอเวจีเป็นต้นเหล่านี้อีกเนี่ยก็คือการยอมรับด้วยปัญญาโดยการพิจารณาทั้งเหตุในอดีตเวลาไปเจอความหนาวแผดเผา ก็บอกว่าเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเนี่ยเคยตกอยู่ในโรการติริยานรกนะเป็นนรกน้ําแข็งนะเออมันมีสัตว์ประเภทหนึ่งนะเ้าเรียกว่าสัตว์ที่ตกอย่ในโรการติริยานรกเนี่ยมีตัวสูงตั้งสามคาวุธิคาวุธหนึ่งก็สี่กิโลคสามคาวุฒก็สิบสองกิโลเมตรสัตว์ประเภทนี้มันเกาะอยู่ในถ้าตาก็บอดมันกินกันเองเกาะเกะไปเรื่อยเรื่อืื่อคว้ากันได้ก็จับกันกินถ้าหลุดจาก ผนังถ้ำก็ตกลงไปข้างล่างก็เป็นน้ําแข็งเย็นและวยือกก็ละลายจากความเย็นนั้นนะฉะนั้นถ้าเราจะเจอความหนาวสักสี่องศาสามองศาเนี่ยการที่เราจะไปเอะอะโวยวายหรือไปทุกข์ไปทรมานไม่ควรกับเราเลยเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นะฉนั้นเราจะต้องเร่งเพียรพยายามในการเอาความหนาวเป็นปัจจัยเป็นแรงกระตุ้นเตือนในการฝึกตนเองั้งกายวาจาใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ ถ้าไปเจอเหลือบยงลมแ ด, แดดไลทั้งหลายเล่นงานก็บอกในเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดเป็นวัวเป็นควายมาแล้วเราเคยเราตบตีมันไม่ได้นะไปเป็นวัวเป็นควายถูกมัดไว้ตามทุ่งตามท่าทั้งหลายอะยงเหลือบก็ามาเจาะมากินวัวงนันเพรฉนั้นถ้าเราไม่เร่งขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาถ้าบาปให้ผลเดี๋ยวก็กลับไปเกิดเป็นอบายศัตร์อีกแล้วก็ต้องไปเจ็บปวดอย่างนั้นอีกก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาแบบนี้หรือเกิดหิว กินอาหารได้ไม่เต็มท้องให้นึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงในเรื่องของเปรตวิสัยเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่แม่น้ําคงคาที่อินเดียมีพิกโซสามสิบโรบใช่ไหมเบบินนาบาตก็มียมที่เป็นอุบาสกคนหนึ่งวิ่งไปก็วิ่งมาวิ่งไปก็วิ่งมามันหิวมันมันวิ่งเหยียบน้ําไปนั่นแหละลุยน้ําไปอยู่ขอบน้ําำบอกว่าพระก็ถามยมวิ่งทำอะไรบอกขิวน้ํา คือตามันบาปให้ผลมันมองไม่เห็นน้ำํำเป็นเปรตไงเป็นมนุษย์เปรตแต่นี้พาก็บอกว่านั่นไงก็ยอมวิ่งเรียบชายหาดวิ่งขอบน้ํำไงวิ่งไปวิ่งมานั่นแหละคือน้ําที่เสียงยอมเห็นน่ะได้ยินเสียงน้ําไหลนั่นแหละก็บอกได้ยินแต่เสียงจะไม่มีว่างานเธองั้นยอมนอนลงเดี๋ยวยอมอาจจะมาจะจัดการให้ก็ให้เอ็นมนุษย์เปรตนี่นอนได้ให้อ้าปากแล้วก็พากันไปตักใช้บาตนะครับตักน้ํา แล้วก็มาเทกอกไปในปากเทลงไปเทลงไปถามว่าอิมมมอ่มไหมโยมอิ่มไหมบอกว่าพระคุณเจ้าแม้สักหยดหนึ่งอะเท่ากับน้ําหยดในในยอดยาคายังไม่ยังไม่สามารถลงไปในคองโยมได้เลยเนี่ยบากมันปิดมันไม่สามารถทําให้กินน้ําได้เนี่ยโยมทรมานอยู่อย่างเงี้เป็นพุทธันดอนนะว่าันนั้นเนี่ยในเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเป็นมนุษย์เปลลดแบบนี้ พิจารณาอย่างนี้เพรเวลาเราจะหิวไม่ได้กินอาหารอะไรทั้งหลายตรงนี้ยก็ให้มีความยอมรับได้ด้วยปัญญาแบบนี้ในขันติบาร ม, มีมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็ยังวิธีคิดวิธีคิดให้เกิดความอดทนให้นึกถึงอดีตปัจจุบันอนาคตให้คิดถึงสังสารวัตว่ามนุษย์ที่มันทุกทรมานกันเนี่ยที่มันไม่ได้กินอาหารแล้วมันก็ต้องทรมานเนี่ยแต่เราเนี่ยถึงแม้ไปเจอสถานการณ์มีบ้างได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างหิวบ้างไม่หิวบ้าง ร้อนเย็นทั้งหลายเหล่านี้แดดลมแดดทั้งหลายประสบปัญหาชีวิตทั้งหลายเหล่าเนี้ยก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาโดยการไปพิจารณาเหตุและผลแล้วก็สามารถดําเนินชีวิตได้โดยใจไม่เป็นทุกข์นะครับในขณะที่ใจไม่เป็นทุกข์และยอมรับมันได้ไม่ใช่ยอมจําน้นนะไม่ควรละเรื่องก็ขนขวายไปนะในขณะที่ใจไม่เป็นทุกข์ไอกรณีแบบนี้เขาเรียกว่ามียถาภูตาทัศนะพัฒนานามีการเห็นตามความเป็นจริงเป็นลักษณะนี่ขันติเป็นเป็นไปลักษณะแบบนี้ ราการต่อมาคือสัจจะบารมีนะครับสัจจะบารมีสัจจะบารมีก็คือมีการไม่พูดให้ผิดไปจากความจริงเนี่ยเป็นลักษณะแล้วก็ประกาศความจริงมีความชื่นใจเป็นผลด้วยแล้วก็มีความสงบสงบเสียมเป็นเหตุใกล้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะการตัวสัจจะบารมีอ่ะพูดจริงทำจริงแล้วก็จริงใจนรักษาสัจจะรักษาความจริงนั้นสัจจะเนี่ยจริงๆแล้วเวลาถ้าระ อขอเล่าเรื่องหนึง่งประกอบหน่อยตอนที่พระโพธิสัตว์ท่านบวชนะครับตอนนั้นท่านเป็นนักบวช เ, เป็นดาบบดนี่แหละออกบวชแต่ท่านไม่มีศรัทธาบวชมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วบวชมาตั้งสี่สิบห้าสิบปีไม่ไม่ไม่ศรัทธาทีนี้มียอมบ้านหนึ่งก็ใส่บาตรทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนสองสามีภรรยาเนี่ยแล้วมีลูกชายคนหนึ่งวันหนึ่งลูกชายก็ไปไปที่จอมปวกเนี่ยงูกัดครับ เอองู ก, กัดแล้วก็ล้มตายอะ่ะเหมือนว่าหมดสติไปเนี้ยตอนเช้าพระไอ้นี่ยนักบวชเนี้ยดาบวชเนี้ยออกมาบินบาบพอดีไอฝ่ายพ่อและแม่ก็ร้องไห้ก็เห็นว่าพระคุณเจ้าจะเป็นที่พึ่งดัวยเองแล้วก็เลยบอกว่าขอพระคุณเจ้าเป็นที่พึ่งให้ยมด้วยเถอะตอนนี้ยลูกของยมเนี่ยถูกงู ก, กัดตอนนั้นเธอะเนี่ยนอนหมดสติไปอย่างเงี้ยทําไรก็ไม่ตื่น เพราะคณเจ้าบวชมานานอาศัยบุญบา ร, รมีของคุคเจ้าช่วยให้ลูกข้าไปเจ้าเนี่ยฟื้นด้วยตายแล้วจตเนี้ยแต่นี้บวชมาห้าสิบหกสิบปีอ่ะท่านมีจิตใจท่านไม่เคยคิดอยากบวชเลยก็จะไหที่ต้องทนบวชมาอย่างนี้ก็เพราะว่ามันถูกคัดเลือกจากตระกูลมาตอนนั้นเ็งเพื่อให้บวชคือไม่มีความศรัทธาในการที่อยากจะบวชเลยแม้แต่ละวัน ใจมันอยากจะศึกตลอดแต่ก็ศึกไม่ได้เคยเป็นแบบนี้ไหมครับเ<ม>คยจริงๆเราไม่ได้ชอบเลยเพศนักบวชเนี่ยถ้ามีทางไปลราไปทางอื่นตั้งนั้นแล้วเนี่ยมีไหมไอความคิดแบบนี้มีไหมมีไม่มีครับ<ม>คือถ้ามีถ้ามีทางไปมากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งเกิดดันไปถูกรางวัลที่หนึ่งแปสิบล้านเนี่ยศึกแม่นวันนี้ว่างั้น ศึกไหมครับถ้าได้แปดสิบล้านสึกไหมเนี่ยไม่สึกเลยเลยโอ้โหน่าศรัทธามียอมมาท่านอย่าอยู่เลยเดี๋ยวยอมเนี่ยจะตายอยู่แล้วแต่ยอมมีสมบัติอยู่ห้าสิบล้านถ้า <c oughs> ท, ท่านสึกออกมาเธอคลองสมบัตินี้ห้าสิบล้านถ้ายอมจะได้ตายแบบมีความสุขเดีย๋ยจะบอกยอมว่าไง เอ็มจะดีหรือยอมจะไม่สรุปคืออย่างนี้เนี่ยท่านก็เลยอึอึกอขึ้นมาท่านก็เลยบอกว่ายอมอาตมาไม่มีคนนะุณธรรมหรือคนนะุณธทําใดๆหรือว่าคุณความดีใดๆที่จะสามารถทำให้ลูกยอมฟื้นได้เลยทีนี้ยอมก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านมีความจริงอะไรอะ่ะก็ให้ท่านประกาศมา เอาความจริงเนี่ยมารักษาลูกของโยมด้วยพระก็เลยบอกว่างั้นยอมไปไกลๆได้ไหม <c oughs> อาตมาอายมากเลยเนี่ยบวชมาตั้งห้าสิบสี่สิบ้าสิบปีเนี่ี๋บอกไม่เป็นไรแล้วหน้าสิวหน้าขวาแล้วบอกให้พูดความจริงไว้เถอะพระท่านก็นเลยพูดไงพระท่านก็นเลยบอกว่าด้วยสัจจะเนี่ยพูดจริงทําจริงแล้วมีความจริงใจตั้งแต่อาตมาบวชมาในทุกๆวันเนี่ย อาตมาไม่เคยมีศรัทธาในเพศนักบวชนี่เลยแต่ที่บวชที่มันจำใจที่ต้องบวชตามประเพณีที่ต้องถูกคัดให้มาบวชเท่านั้นเองด้วยสัจจะด้วยความจริงที่ข้าพเจ้ามีอยู่คุณธรรมที่มีอยู่ก็คือสัจจะความจริงที่ไม่ได้มีคุณสมบัติใดๆที่ประกาศออกมาอย่างเนี้ยขอให้เจ้าหนุ่มคนนี้ฟื้นเถอะีประกาศเยนยันดังๆอย่างนี้นะเอ้ยเด็กมันกระดิกมือดอ้างจริงด้วย ไอ้มือมันกระดิกได้เอาละสิแต่เนี้ยแต่นี้ก็เลยบอกหันไปทางพ่อทางพ่อของเด็กเนี่ยบอกว่างั้นพ่อเนี่ยมีสัจจะอะไรไหมมีกําลังของสัจจะอะไรไหมที่จะประกาศออกมาเพื่อจะทําให้กําลังสัจจะนั้นเพื่อจะให้เด็กนี่ฟื้นพ่อก็บอกว่าได้มีสัจจะเนี่ยแต่ให้ทุกคนไปไกลๆหน่อยได้ไหมไม่อยากบอกความในใจบอกไม่เป็นไร ให้พูดออกมาเลยอาตมาก็ยังพูดความจริงอย่างนี้เลยว่าอุบาสกอิยมอมคนนี้ก็เลยบอกบอกว่าข้าพเจ้าใส่บาตรมาทุกวันเนี่ยทุกวันเลยนะที่พระคุณเจ้ามารับอาหารเนี่ยข้าพเจ้าไม่เคยมีศรัทธาเลยเม้ดต่น้อยนี่คือความจริงนะปู่ตายายายเป็นใส่มาก็จําใจต้องทําตามอย่างนี้แล้วว่างั้นเถอะไม่ได้มีศรัทธาเลยด้วยสัจจะด้วยความจริงตัวข้อเ น, นี้ยไม่ได้มีศรัทธาด้วยรังเกียจได้ซ้ําไปนักบวชนี่ว่างั้น แต่ไม่ทําก็ไม่ได้เดี๋ยวปู่ตายายายหรือประเพณีทั้งหลายที่ทํามามันจะไม่มีการรักษาสืบทอดกันมาด้วยสัจจะความจริงคอยเด็กเปื้นเนื้อเท้าก็ติดนะเออลูกก็เท้าก็ดิกได้เว้ยอ้าวแต่นี้เหลือใครเหลือภรรยาหรือแม่แม่ก็บอกโอ้โหเรื่องในใจนี่บอกใครไม่ได้เลยเก็บไว้นานมากให้พระออกไปไกลๆให้หัวออกไปไกลๆหน่อยได้ไหมบอกไม่ได้ไม่เป็นไรให้บอกมาเถอะก็เลยเอ้าเอางั้นแล้ใช่ไหมแกก็เลยพูดเลยแกบอกว่า ตนเองมีความเกลียดรังเกียจมากงูที่กัดลูกนเดงแม้ฉันใดในใจตนเองอ่ะก็มีความรังเกียจสามีอย่างนั้นแหละที่แต่งงานอยู่ด้วยแต่ไม่เคยรักเลยไม่สักนิดเลยว่างั้น <c oughs> ด้วยสัจจความจริงเลยเนี่ยขอยลูกฟื้นลูกอะไรฟื้นขึ้นมาได้นี่เห็นไหมเนี่ยไอ้สอของสัจจะท่านมีสัจจะความจริงอะไรพวกนี้บ้างไหมแต่ลองไปทํากันดูบ้างเนาะเออนี่มันฟื้นได้เห็นไหม ทั้งแต่นั้นมาทั้งสามคนนี้ก็เลยประกาศว่าใส่ฝ่ายพ่อก็บอกว่าต่อไปตนเองจะให้ทางด้วยศรัทธาพราพุทธิศาสดก็บอกต่อไปจะบวช ด, ด้วยศรัทธาภรรยาก็ต่อไปจะขจัดความเกลียดสามีให้หมดไปแล้วก็จะรักสามีเนี่ยก็เลยเป็นเหตุแห่งการได้หมุนกลับเข้าสู่การบําเพ็ญบา ร, รมีที่ถูกต้องนี้เป็นต้นนี้นี่สัจธรรมีที่ถูกต้องก็คือเป็นไปกกุศลนะครับ ประการต่อไมาอธิษฐานบารมีมีความตั้งมั่นในโพธิสมภานเนี่ยเป็นลักษณะมีอันครอบงำค่าศึกของโพธิสมภาร น, นั้นกียหมายความว่าเวลาตั้งมั่นตั้งไว้ที่โพธิญาณตั้งไว้ที่สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยตั้งไว้ที่พนันธิพาลตั้งไว้ที่การบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อตั้งไว้แล้วก็ไม่ถอนเวลาอุปสรรคใดๆที่จะมาขัดขวางมาครอบงทำทําให้ใจของตนเองนั้นน่ะไม่ยินดีไม่พอใจในพันิพานก็จะขจัด ความไม่พอใจนั้นทิ้งเนะี่ยแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อค่าศึกเป็นผลด้วยมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็พอที่สมพานนั่นแหละคำว่าอธิษฐานสับเนี่ยเออต้องทำความเข้าใจนะว่ามีกำลังมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยอุปสรรคแม้ชีวิตก็สละได้นะเอาตัวอย่างไหนอธิษฐานวัรของใครของพระโพธิสัตว์เตมียรราชพระเตมียสละชีวิตทาเป็นคนไบเป็นคนพิการตั้งแต่เกิดนะนะ จนกระทั่งอายุ16ในระหว่างนั้นถูกทรมานไหมโอเยอะแยะหมดเนี่ยกรณีอย่างนี้ก็คืออธิษฐานนั่นเองด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหวในการที่จะบำเพ็ญออกบำเพ็ญเนคขม้ให้ได้นี่เปนต้นนี่คืออธิษฐา น, นบา ร, รมีอธิษฐานของบา ร, รมีกับการอธิษฐานของชาวพุทธในคนละเรื่องกันเลยนะครับได้มากอธิษฐานครับพวกเราเนี่ยเดลมาก็ร้องขอเอาต่อไปก็คือเมตตาบา ร, รมีผมไปเร็วๆเลยจะจบแล้ว มีความเป็นไปในการเกื้อกูลเป็นลักษณะเมตตาหิตาปารับปวะตตรรักษาเนี่ยมีการน้อมนําประโยชน์เข้าไปเป็นกิจแล้วก็มีการกําจัดความมาคาตเป็นกิจมีความสงบเย็นเป็นผลมีการเห็นสัตว์เป็นที่รักเป็นเหตุกลายเป็นต้นคือเมตตากรุณามุติตาทั้งหลายเหล่าเนี้ยคุณธรรมเหล่านี้จริงๆเป็นบารมีทั้งหมดนะครับถ้าในมหายานเขาจะเอากรุณาเป็นบารมีีย แต่จริงแล้วในคุณธรรมเหล่านี้ทั้งเมตตากรุณาและมุทิตาเนี่ยมันเป็นหลักการที่จะต้องมาเจริญนั้นแหละครับแม้พูดถึงเมตตาบารมีจริงแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีกรุณาด้วยแล้วก็มีมุทิตาคือการพอ ย, ยินดีเป็นต้นด้วยโดยเฉพาะหลักการตรงนี้เราในฐานะที่เป็นพระที่ฝึกเป็นพระธรรมทูตทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนียต้องเข้าใจหลักพรหมวิหารในชัดนะทำประจําใจอันประเสริฐธรรมที่ควรมีไว้เป็นหลักใจ ไว้เพื่อกํากับพฤติกรรมเพื่อจะทําให้พฤติกรรมนั้นเป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีงามธรรมะประ จ, จําใจประเสริฐในที่นั้นก็คือเมตตาใช่ไหมครับเมตตาก็าแปลว่ารักปรารถนาดีเอือ้อทอนรักสร้างเมตตาเป็นอย่างนี้กิิจของเมตตาก็คือการกําจัดความอาฆาตหรือกําจัดโทสะพอเมตตาเกิดขึ้นมาปุ๊บเมตตาเขาก็จะไปทําลายตัวโทสะอยู่แล้วเมตตาเนี่ยเป็นองค์มรรคข้อไหนใครรู้ไหมครับ ในรรดาดอริยมรคมีองค์แปดเมตตาในเป็นมรคข้อไหนก็ใครตอบได้อ้าวเมตตานีนเป็นมรคข้อไหนเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมา ส, สังฆะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายามาสัมมาสติหรือสัมมาสมาธิอ้าวมีใครตอบได้ไหมมรคี่เป็นเอ่อเมตตานีนเป็นมรคเป็นไหม Hmm? ใครว่าเป็นสมาสังกปายกมือทีใครว่าเป็นสมาธิใครว่าเป็นสมาวาจาใครว่าเป็นสมารกรรมตะใครไม่รู้เลยอ่ะ <c> เ <oughs> ส้นเรื่องคือเป็นสมาสังกปะนะสมาสังกปะจะมีการคิดออกจากกาม แล้วก็คิดออกจากพยาบาทการคิดออกจากพยาบาทก็คือคิดเมตตาในเดงีังนั้นตัวเมตตาปารเมียเป็นสัมมาสังกปะด้วยนะการคิดในการที่จะทําจิตให้เป็นไปกับเมตตามีความรากักความปราถนาดีความเอื้อทอดเนี่ครับมองมองเห็นได้ยังเป็นตัวสัมมาเป็นความดําริลีชอบดําริลีออกจากกามอันนั้นเป็นเนกขมัสสังกปะดํารบีออกจากพยาบาทเป็นอัพยาปาธาสังกปัปะที่ตัวเนี้เป็นเมตตา ดำริออกจากการเบียดเบียนเป็นอวิหิงสาสังกปะนั้นเป็นกรุณาครับนั้นตัวสัมมาสังกปะเนี่ยเป็นทั้งเมตตาก็ได้เป็นทั้งกรุณาก็ได้อ่าแล้วก็ถ้าจะกล่าวให้ลึกๆลงไปก็คือเป็นจิตที่เป็นกุศลที่คิดออกจากกามก็ได้นะคิดออกจากกามเนี่ยสรุปก็คือการให้การสละทั้งหลายเลยนี้เป็นพวกดําริให้ดาริในการไม่เบียดเบียนทั้งหลายเลยนี้เป็นกลุ่มเนี้ย กุก่ศลเหล่าเนี้นี่คือจิตที่เมนไตตาใจเมตตาทีนี้ให้สังเกต ด, ดูว่าคนที่มีตัวเมตตาเนี่ยถ้าจะฝึกออกมาเป็นบารมีกับคำเมตตาพรหมิหารเนี่ยนะถ้าเป็นเมตตากายกรรมใช่ไหมจิตที่เป็นไปกับเมตตาทําสิ่งใดก็ทําด้วยเมตตานี่ทําผักดันออกมาเป็นเมตตากายกรรมเวลาจะพูด ก็มีเมตตาเป็นตัวขับเคลื่อนผักดันให้มีการพูดด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีเอื้อทอนมาเวลาจะคิดถึงใครก็คิดด้วยเมตตาปกติเวลาเราคิดถึงใครบางครั้งเมตตามันไม่ไปนะเคยสังเกตไหมมันคิดเฉยแต่เมตตามันไม่วิ่งไปไอตัวบรารมีเนี่ยพอคิดปุบ๊บเมตตามันจะวิ่งรั่นในใจนะเข้าไปหาบุคคลอื่นแล้วก็ปรารถนาสัตว์อื่นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนี่รู้จักให้เขามีความสุขปราศจากความทุกข์มีจิตใจที่เบิก บ, บานนี้เป็นต้น การคิดในรักสัตล่านี้เขาเรียกว่าเมตตามเดินนะทีนี้ถามว่าวราระผลปรากฏเป็นยังไงใจมันสงบใจมันเยือกเย็นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญงนั้นคนที่เจริญเมตตาอย่างเนืองนิดอย่างต่อเนื่องจะเป็นคนที่ใจดีครับเป็นจิตใจที่เยือกเย็นเป็นไหมเราเป็นคนจิตใจแบบนั้นไหมผลตกฟ้าร้องใครจะทําดีทําไม่ดีทั้งหลายจิตใจก็สบายปลอดโปร่งโลง่ง ไม่หงุดหงิดเลยเนี่ยเป็นไหมครับหรือถ้าเนี่ยการที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเป็นคนที่ฉลาดเวลาคิดจะให้เกิดเมตตาเนี่ยสําคัญตรงที่ว่าจะคิดยังไงเป็นคนมองจุดเด่นคนได้ง่ายไม่ค่อยเห็นจุดด้อยคนทั้งทั้งที่มนุษย์มีทั้งสองจุดใช่ไหมมีทั้งจุดด้อยและจุดเด่นเวาลาเรามองคนอื่นเนี่ยระหว่างจุดเด่นกับจุดด้อยอะไรปรากฏได้เร็วกว่ากัน เนี่ยอย่างนี้พวกนี้โทสะเกิดง่ายมองปั๊บอีนี่เดินหน้าเกลียดยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งก็บอกว่าเขาเป็นคนมีเมตตาได้ง่ายเออบางคนก็เดินเอียงซ้ายบางคนก็เดินเอียงขวาบางคนก็เดินก้มหน้าบางคนก็เดินเงยหน้าบางคนก็เดินขาทางทางบางคนก็เดินขาตรงๆอะไรเงี้ยนะคือมองไปไหนก็มีแต่ความสุขวะนั้นก็เห็นแล้วมันชื่นใจหมดเลย เห็นแล้วความสุขมันเกิดเอาเวลาเรามองเห็นการคิดถึงการพบเนี่ยมันมันจิ้มทุกครั้งเลยไหมคือเห็นจุดเด่นได้ง่ายอะ่ะมองพบกับจุดเด่นเกิดทันทีเนี่ยลักษณะแบบนี้ถ้าปรารถนาอยากจะคิดให้เมตตาเกิดต้องฉลาดในการมองจุดเด่นคนได้ง่ายแล้วเมตตาจะเกิดใจจะดีครับความสุขจะเกิดขึ้นความสงบจะเกิดขึ้นถ้ามองเห็นจุดด้อยเนี่ยเรียบร้อยเลยอันนี้ไปต้นอันนี้ก็คือเนี่ยเหตุใกล้ ก็พยายามมองมอ ง, มองจุดจุดเด็ดเอาข้อสุดท้ายเขาเบขาบา ร, รมีมัชั ต, ตาการรับประวัติรักษณเ ข, า, ขามีความเป็นไปในการเป็นกลางโอ้โหในบรรดาบา ร, รมีทั้งหมดเนี่ยบา ร, รมีข้อนเนี้ยบังเพ็ิยากที่สุดเชื่อไหมการที่จะวางใจเป็นกลางได้เนี่ยแล้วก็มีการเห็นเสมอกันเป็นกิจเนี่ยโอ้โหถามจดมองยังไงเอามนียมองคนทั้งหลายเนี่ยว่ามี ความเสมอกันก็คือว่ามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอ่ะเออมองว่าเสมอกันหมดเลยแล้วก็สามารถเข้าไปสงบระ ง, งับความโกรธคือจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายในหมู่สัตว์อมีอยู่อาตานี้อยู่ชาติหนึ่งที่พระโพธิสัตว์ท่านบําเพ็ญบารมีอ่ะที่เวขาบารมีแบบ อ, อกฤรินะเวลาท่านบําเพ็ญบารมีท่านไปอยู่ในป่าช้าเนี่ย ไปนอนอยู่ในป่าช้าเนี่ยก็มีคนอยู่สองกลุ่มเด็กเด็กเด็กก็ไปเอาฝุ่นไปโลยบ้างถุยน้ำลายลดบ้างปัสสาวะลดว่าอีกคนบ้าอะไรมานอนอยู่ในป่าช้าเนี่ ย, เ, ยเด็กก็ไป เ, เล่นอย่างเงี้ยก็สงบระงับความขัดเคืองไม่ให้ความขัดเคืองเกิดขึ้นในใจวางใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายที่เขามาประพฤติไม่ดีต่อตนเอง พอมีอีกวันหนึ่งก็มีคนเอาดอกไม้เอาข้องหอมไปบูชามันต่างกันเลยนะเนี่ยจากคนวันก่อนเด็กยังมาทำแบบนี้พออีกวันหนึ่งคนเห็นโอ้โหคนที่มาอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยพระรหัส น, นี่วาเขาก็เลยเอาดอกไม้ข้องหอมเครื่องสการะไปบูชาท่านก็วางใจเป็นกลางไม่ยินดีกับบุคคลที่เข้ามาบูชาทำประดุดดังเหมือนจอมปวกอะจอมปลวกเนี่ยบางวันคนก็ ทั้งอุจจาปัสสวะไปถ่ายรถบางทีเขาก็เอาของหอมดอกไม้ทั้งหลายไปคล้องไปบูชาก็ไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายคนที่จะวางใจเป็นอุเบกขาอย่างนี้ได้นะไม่ใช่ธรรมดานะครับหรืออย่างมีที่ว่าอย่างพระชาตินึงใช่ไหมที่ท่านเป็นลือศรีเป็นลือศรีอ่ะแล้วก็มีตอนนั้นอดีตชาติของพระเทวทัตเป็นลิงจําได้ไหม พอเห็นฤาษีนั่งอยู่อย่างนั้นนะ่ะนั่งเข้าสมาบัติบ้างแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปบนหัวก็ขยม่มขยม่มขยม่มแล้วก็ทายอยู่จะระปัสสาวะลดหัวซีบ น, บนดาบดเนี่ยถ้าอย่างเราตั้งแต่มันกระโดดขึ้นไปแล้วใช่ไหมแล้วก็บางทีก็มันทะลึ่งไอ้ไอ้ลิงตัวนี้เอาเอาวัยวะเพศแย่หูบ้างแย่จมูกา อย่างเราจะขัดเครื่องไหยครับไอ้ลิงตัวนี้มันทะลึงตึงตงแบบนี้ทาแบบนี้อยู่เรื่อยท่านก็วางใจเป็นกลางมองว่าสัตว์ทั้งหลายท่านไม่ใช่โง่นะถ้าท่านจะทะลึงตาหรือจะประทุสระาไอ้ลิงตัวนี้มันตายดันดีเลยนะ้วยกาลังเล็ดของท่านนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอุเบกขาบารมีแปลว่าเป็นคนทำอะไรเขาไม่ได้ยอมจำน น, นเข้าใจไหมเหมือนคนจนน่ยยอมถูกทุบถูกเตี๊ยไม่ใช่ นี่พลังมากกว่าเขาความสามารถมากกว่าเขาเหมือนเนี่ยเหมือนฤษีเนี่ยมีสมาบัตแปดมีอภินยาสามารถจะทำลิงให้วิบัตเดี๋ยวนั้นก็ทำได้แต่ด้วยการวางใจเป็นกลางลิงจะทำยังไงขึ้นไปบนศีรษะขยม่มขยม่มขย่ม่ยมายลดเท่านั้นแหละก็ไม่ว่าก็ไม่โกรธไม่ยังความโกรธให้เกิดขึ้นว่าเออสัตว์นี้มันมืดบอดเนามันไม่รู้ที่ต่าที่สูงไม่รู้กรรมดีกรรมชั่ว มันทําอย่างนี้จะต้องรับผลของกรรมยังไงก็ฉลาดในเรื่องเหตุและผลเรื่องกรรมคุณรกรรมแล้วบางทีเขาเอาเอาวิวัฒน์เพศมาแย่หูบ้างแย่จมูกบ้างเท่ทมแทงตรงนั้นสารพัดมันแกล้งมันเนืแล้วมันกระโดดไปมันก็เล่นเ ง, งี้ทุกวันทุกวันทุกวันมีอยู่วันหนึ่งไอ้เจ้าลิงตัวนี้มันก็วิ่งไปชายหาดใช่ไหมไปเจอเตา่าเต่าอ้าปากอยู่เนี่ยมันก็ทะลึ่งมนะันน่ะก็เอาเอาวิวัฒน์เสียมก็ไปในปากเต่าเต่าก็กัดเลยแต่เนี้ยเรียบร้อยร้องไหม ร้องดิ้นดินก็ลินไม่รอกกลัวทําไงเดียก็อุ้มเต่าอยู่นั่นแหละตอเนี้ยอุ้มเต่านึกถึงใครเนียนึกถึงเลือสีนึกถึงพระโบริษัต์นี่แหละโอ้ยไม่มีใครจะช่วยเราได้แล้วเนี่ยนี่ท่านก็แล้วก็คิดดูต้องอุ้มเต่าแล้วค่อยๆเดินมาเลือสีเห็นแล้วท่านมองเห็นท่านไม่ได้ย่ะเย้ยเนี่ยท่านก็พูดพอมเดินมาใกล้ๆท่านก็บอกว่าใครหนอเดินสํารวม เหมือนพระถือการบินธบาตเป็นวัดด้วยการสารวม เ, เดินมหาหลา <c oughs> คือวันนี้ดูท่านสงบส ง, เงมเรียบร้อยดีแลลวก็วั น, น <c oughs> อาถ้าอย่างเราลกขึ้นหัวล้อไหมลกขึ้นกงหัวล้อยอดเลยจะมาเนี่ยอาการของท่านท่านไม่เป็นไงท่านแต่บอกว่าโอ้ใครเน้อเดินมาด้วยการสารวม เหมือนพระถือการบินทบัติและสํารวมอินทรีย์เะ่นนั้นหมดแล้วเดินมาแล้วลิงก็มาก็มาขอร้องบอกว่าท่านผูเ้เจริญช่วยข้าพเจ้าด้วยบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยจังไลยไปเอาเอวัยอะเพศเสียบเข้าไปในปากเต่าเต่ามันก็กัดแล้วไม่ยอมปล่อยว่างั้นไม่มีที่พึ่งแล้วนอกจากท่านนี้แล้วพระโพธิสัตว์ท่านท่านพูดยังไงลิงถึงไอเต่าถึงยอมปล่อย ท่านก็พูดถึงเรื่องว่าเต่าเนี่ยสืบตระกูลมาจากตระกูลอะไรลิงตัวเนี้ยในสังสารวัต ส, สืบตระกูลมาอะไรทั้งสองตระกูลเนี่ยเคยเกี่ยวพันกันมาอย่างไรเคยเกื้อกูลกันมาอย่างไรไล่ตามลําดับเดือเต่าก็ได้ฟังลิงก็ได้ฟังเต่าก็เลยจิตใจอาฆาตก็คลายก็เลยยอมปล่อยยอมปล่อยยอมไม่กัดโอ้โห พอหลุดออกจากปากเต่าได้ลิงเดินนี่โอ้โหเก็ด แ, แล้วกราบกราบพวกโพธิสัตว์แล้วประทักศีนว่าจะไม่มารบกวนท่านนี้แล้วตั้งแต่นั้นก็โดดหนีเข้าปา่าไปไม่มาอีกเลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนนอุเบกขาบารมีคืออย่างนี้เกิดบำเพ็ญได้ไหมครับยากไหมแต่ถ้าบำเพ็ญอุเบกขาบารมีไม่ได้อาบารมีอื่นอที่บำเพ็ญมาก็ไม่ได้ดุลยภาพ ก็ไม่เข้าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่เข้าถึงความเป็นสมถตาไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ไม่สามารถเป็นปจัจจัยในการพ้นจากกิเลสและกองทุกข์นะอา้าวมีใครจะถามปัญหาไหมครับข อ, อนิมนต์มีไหมครับมีอ๋อโอ้โอผมเลยเล่าเอาเอเอนี่ยนี่คือความเสียหายผมไม่ท้วงเท่านไม่ท้วงเลยเออก็อย่างนี้ เออจริงๆผมทิ้งไปจริงๆในเรื่องตรงนี้ตอนนั้นถึงตรงไหนแล้วเนี่ย อ, อ๋อเออผมเล่าให้จบมีเสียเลยเนีย่ยขอบขอบขอบใจมากเ อ, อแสดงว่ามีเ ล, ลึกได้แค่องค์เดียวเองเนะคือท่านไปเกี่ยวยาแล้วตอนนั้นท่านสลบเป็นลมอ่ะแล้วท่านก็ได้ได้สติขึ้นมาก็ พระ อ, อินทร์ก็มาลอยอยู่ต่อหน้าท่านก็เลยบอกว่าท่านผู้มีใบหน้าขาวท่านมาลอยอยู่ต่อหน้าเราในด้วยเหตุอะไรพระ อ, อินทร์ก็ตำหนิบอกว่าท่านเนี่ยให้ทานเกินก่อเหตุเป็นอติทานังเนี่ยให้ทานจนหมดเนื้อหมดตัวให้ทานจนคนอื่นลําบากให้ทานจนตนเองลําบากแม้ภรรยาก็ลําบากการให้ทานของท่านแบบเนี้มันไม่ดีเลยว่างั้นเถอะ ท่านจะให้ทานแบบนี้ไปทําไมพระโพธิสัตว์ได้ยินอย่างนั้นก็เลยนึกในใจย้อนถามก็เลยถามว่าทําไมท่านมาตําหนี่เส้นทางของภาริยาเจ้าถามหน่อยก่อนหน้านั้นน่ะท่านก่อนที่ท่านจะเป็นพระอินทร์น่ะท่านบําเพ็ญวัตถบรสิบประการเจ็ดประการใช่ไหมมีการให้ทานมีการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นต้นเป็นใช่ไหมเป็นข้อวัดของท่านท่านจึงได้เป็นพระอินทร์ ท่านจึงได้ประสบความสําเร็จเป็นเท้าสกาแล้วท่านมาตําหนิเราที่เป็นเส้นทางของพระอริยะเป็นเส้นทางของคนที่จะบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยเออทำไมท่านมาพูดในสิ่งที่ไม่สมควรป <c oughs> ระัาณเด้อทีนี้ท้าสกาก็ตกใจแล้วอู้หตายแล้วเราเนี่ยเราทํากรรมอะไรไปใช่ไหมก็เลยย้อนถามว่าถามหน่อยที่ท่านให้ทานขนาดเนี้ยท่านปรารถนาอยากจะเป็นเท้าสกาใช่ไหม <c oughs> เลยประกาศไงบอกว่าท่านผู้มีใบหน้าขาวการที่เราบำเพ็ญทานบารมีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไต้องการมนุษยสมบัติไม่ได้ต้องการสวรรค์สมบัติไม่ได้ต้องการสากัดสมบัติพรหมสมบัติหรือสาวกบารมีญาปัตเจกับพอดิยญาแต่การบำเพ็ญบารมีของเราเนี่ยเพื่อสัมมาสัมพุิธญาณคือการเป็นพระเจ้าเท่านั้นพระพูดอย่างนี้ท้าสากาดีใจไหมโอ้ยรอดแล้วบัลลังก์เราเนี <laughs> ย่ยเป็นต้น เห็นไหมว่ากรณีแบบนี้ท่านก็เลยช่วยส่งเสริมว่าท่านให้ทานวันละเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าให้ทานวันละเท่านั้นแสนตัวนี้แสนทั้ง น, นั้นเราเพิ่มให้วันละหกแสนเกือเทวดาเลยเขามาช่วยเกื้อนหนุนในการให้ทานนี่เป็นต้นนั้นในอัตภาพท่านกลับไปก็เลยกลายเป็นคนรวยอย่างเดิมเนี่ยแล้วก็เลยให้ทานต่อไปจนสิ้นชีวิตของท่านนี้เป็นต้นนี่นะ ฉะนั้นในกรณีคนที่กล้าให้ทานลักษณะนี้ที่จริงนักบวชพวกเราเนี่ยเราต้องกล้าให้ทานให้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนักบวชไม่มีอะไรนี่บวชมามันก็หมดอยู่แล้วทรัพย์สมัยเป็นคารวาสก็มไม่มีเหลือแล้วฉะนั้นแไดายมาตอนนี้ก็กล้าสละได้หมดแล้วกล้าไหมเลยยังเสียดายอยู่ฮะแล้ว ผมเตรียมของมาถวายเยอะนะเนี่ยเตรียมของมาถวายผมเดี๋ยววันเดี๋ยวตไอ้อมันมีเนี่มันมีออันนึในกล่องนู้นนะนี่อีกกล่องเออกล่องนู้นกล่องนู้นอนนอะไหนอเนี่ย เนี่ยผมอันนี้ผมเตรียมมาถวายองร์ระกล่องนี่พนอะพูดถึงทานแล้วผมตื่นเต้นผมชอบให้ทานเห็น <c oughs> <laughs> พวกเราน่าจะเป็นที่รับทานทำทานกุศลผมให้บริบูรณ์ได้คุนายช่วยเอาถวายองค์ระกล่องนี่อ่านิมดเลยครับนี่มด อะไะแจกเลยครับแจกยวเวลาท่านจะไปอินเดียกันเนี่ยท่านเอาไปใช้ที่อินเดียได้เลยเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยแก่ที่จะเพิ่งไปแก่ดิฮะฮะ เดี๋ยวเวลาไปถึงค่ติค่อยแจกค่อยเลี้ยแม่กำลังห่ออย่างดีเดี๋ยวใจผมเสียถึงที่พักก็แก่ใช้ได้ อาว่ามา อ, อมา๋อไม่ได้ออไดคืออย่างนี้ที่จริงคำว่าพระพุทธเจ้าน้อยเนี่ยไม่สมควรคำคำนี้ยคำว่าเบบีบุตดาเนี่ยไม่สมควรที่จะใช้คำพูดนี้นต้องเรียกคำว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์นะครับเพราะตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วรูปเ mm hmm. คารพรูปของพระโพธิสัตว์ในขณะประสูตยก็พระก็ไม่ควรกราบยกเว้นถ้าเรากราบเราลึกถึงพระเจ้านี่คนละอย่างกันนะเหมือนไปกราบไปบูชาที่เสาอาโศกในที่ประสูตยที่อะไรเรากราบเราอะไรได้หมดแ ต, ตอนนั้นเราไม่ให้ไปเราไม่ใช่กราบพระโพธิสัตว์แต่เรากราบพระพุทธเจ้าเรากราบพุทธคุณนะตรงนั้นนะ่ะแต่ว่ารูปเคารพที่เป็น พระพุทธเจ้าเออที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระไปกราบไม่ได้เพราะตอนนั้นถ้ามองก็คือคราวาส ด, ดีๆเนี่ยครับพระไปกราบฆราวาสไม่ได้แล้วก็ไม่ควรไปใช้คําว่าเบบีพุทธาว่าพระพุทธเจ้าน้อยเงี้ยไปใช้เงี้ไม่ถูกเพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่มันก็ต้องให้ชัดตรงนั้นด้วยนะยังเลยยังเป็นคราวาสเต็มเปี่ยมเลยเนี่ยอันนี้ต้องต้องต้องเข้าใจอย่างนั้นด้วย อ๋อได้เวียนประทักษิณได้ไรายได้เหมือนพระพุทธเจ้าประทักษิณพรธิ ษ, ษัทนะครับทำได้หมดแล้วครับเพราะเราระลึกถึงพรุทธเจ้านะครับแต่ถ้าเราไปน้อมในกรณีอย่างการที่จะไปบูชาอย่างที่ไปกราบโดยระลึกสาคัญวันนี้คือพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่แล้วนะทีนี้ เดี๋ยวอธิบายในเรื่องของบา ร, รมีตรงนี้นิดหนึงนะแล้วถ้าใครสงสัยตรงไหนถามเลยนะครับเหลืออีกวันเดียวก็จะจะจะหมดเวลากันในการมาได้อยู่ด้วยกันนะคือในเรื่องของกําลังของบา ร, รมีเนี่ยการที่จะทำให้บา ร, รมีแต่ละข้อมีทานบา ร, รมีเป็นต้นเหล่านี้เป็นพลังได้เหล่านี้พระโพธิสัต์ท่านอาศัยกาลังของอิทธิบาทนะครับ มีฉันทาวิริยะจิตตา remotely, แล้วก็ปัญญาเนี่ยฉันทาวิวริยะจิตตาวิมังสาฉัน ท, านท้ uh, นทาในที่นั้นก็คือกุศลฉันท้าที่มีความรักในบรมโพธิญาณอย่างยิ่งยวดความรักเนี่ยรักที่เป็นฉันท้าเนี่ยกรตุกกรรมยตาฉันท้าหรือกุศลฉันท้าเนี่ยตัวฉันท้าที่มีความรักอย่างแรงกล้าในการที่รักอะไรรักในสัมมาสัมโพธิญาณนะครับตัวนี้เป็นตัวฉันทามาก ความรักไม่ใช่รักสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียวนะรักเส้นทางหรือทางดําเนินรักบารมีทุกๆบารมีที่เป็นตัวพุทธการกรธรรมที่เป็นตัวบ่มเพาะที่จะทําให้การบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้นใจที่รักอย่างแรงกล้าแล้วมีความสุขมากในการที่ได้ให้ได้สละได้แบ่งปันเป็นต้นหรือได้บําเพ็ญบารมีแต่ละข้อแต่ละข้อ แม้บารมีนั้นจะบำเพ็ญอย่างอุกฤษเพียงใดก็มีใจรักใจรักแบบเทนิที่ในการที่จะบ่มปรมโพธิญาณเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในกระแสขันกระแสชีวิตของตนเองให้ได้และในขณะเดียวก็ก็มีวิริยะคือความกล้ า, ล า, าหาญเนี่ยในการขวนขวายในการที่จะสร้างบารมีเพื่อให้ได้มาซึ่งปรมโพธิญาณนั้นอย่างยิ่งยวดไม่ท้อถอย จิตตะก็คือมีจิตจดจอ่อตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคือว่าในขณะที่บำเพ็ญบารมีอยู่นั้นน่ะจิตใจจดจ่อในเรื่องนั้นน่ะเห็นเรื่องนั้นเป็นอรรมนาธิบดีอารรมนูปนิสยาเป็นอุปนิสยะเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังมีจิตใจมุ่งมั่นในสิ่งเหล่านั้นอย่างรุนแรงเลยคําว่าจดจ่อนี่จดจ่อขนาดไหนถ้าเราดูเหมือนทหารที่ไปกู้กับระเบิดนะครับ ถามว่าในขณะที่ไปกู้กับระเบิดเนี่ยจิตใจของคนที่ไปกู้กับระเบิดยังมัวกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้ไหมมีจิตจดจ่ออย่างมุ่งมั่นและแน่วแน่ไม่ส่งใจไปทายังอื่นแม้ชั้นใดการที่พระบระมพริธัทท่านมีจิตจดจ่อในการบำเพ็ญบารมีก็อย่างนั้นท่านเห็นบารมีเนี่ยสำคัญกว่าญาติบารมีเนี่ยสำคัญกว่าอวัยวะ บารมีสําคัญกว่าทรัพย์บารมีสําคัญกว่าชีวิตการที่ชีวิตเนี่ยมันแตกดับได้แต่ถ้าบารมีบําเพ็ญไม่สําเร็จผลโอกาสเป็นพระเจ้าก็ไม่ได้ฉะนั้นท่านถึงจดจ่อในบารมีนั้นอย่างยิ่งยวดอย่างมุ่งมั่นเข้าใจไหมฉะนั้นรักในบารมีนั้นอุตสาหาเพียรพยายามแล้วก็มี จ, จิตจดจอ่อนะมุ่งมั่นแน่วแน่แล้วก็มีปัญญาสอบสวนตรวจสอบวิจัยแยกแยะว่าจะทําบารมีเหล่านั้นให้บริบูรณ์ให้ ให้ประณีตแล้วก็ให้รวดเร็วให้รบรรลุผลได้อย่างรวดเร็วชั้นใดการบําเพ็ญบา ร, รมีแต่ละข้อเนี่ยมันขาดองค์ประกอบอะไรขาดเหตุปัจจัยอะไรจะให้เหตุปัจจัยอย่างไรบา ร, รมีเหล่านั้นถึงจกแข็งแรงและบริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นท่านก็ใช้ฉันทวิริยะจิตตะและปัญญาเหล่านี้อะไปตัวเป็นตัวขับเคลื่อนในการบําเพ็ญบา ร, รมีนะั้น ทีนี้ในตัวบารมีแต่ละบารมีนะมันเหมือนกองทัพนะครับเขาเรียกว่าทานเจตนาโยธากองทัพของทานบารมีนี่กองหนึ่งศีลเจตนาโยธากองทัพของศีลบารมีนี่กองหนึ่งเนคขมมะเจตนาโยธากองทัพแห่งเนคขมมะบารมีนี่กองหนึ่งปัญญาเจตนาโยธากองทัพแห่งทานบารมีนี่กองหนึ่งวิริยะบารมีเจตนาโยธาก็คือกองทัพแห่งวิริยะบารมี ขันติเจตนาโยธาสัจจะเจตนาโยธาอธิฐานเจตนาโยธาเมตตาเจตนาโยธาและอุเบกขาเจตนาโยธาก็แบ่งบารมีเหล่าเนี้ยเป็นกองกองกองกองเข้าใจะยังเนียท่านอาจารย์ไม่เป็นสิบหมู่นะไม่ให้ป่าปนกันแล้วทีนี้ในการขับเคลื่อนเนี่ยที่จะทําให้ทานบารมีเกิดขึ้นมาได้มันจะต้องมีอะไรเนี่ยที่จะการทําให้ทานบารมีทั้งภายในคือการสละวัตถุภายนอก แล้วเจตนาทานกืจิตที่คิจจะให้ไหมตัวเนี้ยไม่ใช่มีแค่เจตนาอย่างเดียวนะมีกลุ่มกุศลธรรมอีกเยอะมากมีทั้งศรัทธาคือความเชื่อมัน่นมีทั้งสติคือความระลึกมีความละายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปมีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีกายปัจสถธิจิตปัจสถานเป็นต้นเหล่าเนี้ยทั้งๆมีตัวปัญญาเป็นต้นเหล่านี้กลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายเป็นตัวขับเคลื่อนในการที่จะเป็นตัวผลักดัง ในการที่จะให้เหมือนให้วัตถุเช้นเนี้ยอันนี้แค่วัตถุฐานตัววัตถุฐานเนี่ยเป็นบา ร, รมีจริงๆไม่ได้นะครับเพราะมันคือวัตถุแต่ว่าด้วยจิตที่ปราณีด้วยวิจิตด้วยบัรจงทั้งหลายมาคิดมาปรงแต่งที่จะทำวัตถุนเนี้ยขึ้นมาด้วยใจรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นด้วยสติด้วยการระลึกได้ ศัทาวิริยสติสมาธิปัญญาี่เกิดขึ้นในใจเนี่ยตัวนี้มันเป็นบา ร, รมีในการที่จะสละในการจะให้ในการที่จะแบ่งปันในการไปทําลายอะไรครับทําลายความโลภคือความยึดติดในวัตถุนี้นะครับไปทําลายความโกรธคือความตณีคือความหวงคือความหงุดหงิดทั้งหลายไปทําลายความหลงไปเพลิดเพลินไปมัวยินดีกับสีเสียงกลิ่นรสผ่อนผ้ไอวัตถุสิ่งเนี้ยทําลายความโลภโกรธหลงในวัตถุนี้ได้เลย และในขณะเดียวกันก็มีใจน้อมในการที่จะให้ในการที่จะสละสิ่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ได้รับสิ่งของเหล่านี้ไปอย่างนี้เป็นต้นและเนี่ยเห็นเวาเวลาให้ไปอย่างนี้ เ, นเสร็จปุ๊บเนี่ยคิดถึงอะไรสามารถน้อมระลึกสิ่งเหล่านี้มาระลึกได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ระลึกแค่ตัววัตถุทานระลึกถึงสภาพจิตใจที่ให้ลีศตนเองได้มีความชื่นใจสุขใจ มีสภาพจิตใจที่ดีงามทั้งหลายเกิดขึ้ น, นในขณะที่ตนเองได้ให้ได้สละได้แบ่งปันนี้ไปต้นนี่นี่คือสภาพจิตที่ที่เป็นไปในขณะที่คิดให้เห็นไหมตัวทานเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งวัตถุทานสองเจดนาทานมีทั้งอารมาทานอโทสะทานไปต้นและการให้ก็ให้เพื่อประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตงนี้เนี่ยการขับเคลื่อนอย่างเนี้ยจนสามารถบทขยี้บาปอากุศลและทานบัรทุกอรร้ายได้กองทัพแห่งทา น, นบรารมีมันขับเคลื่อนได้จริง จนสามารถทำลายความหลงความไม่รู้ความโลภความโกรธในวัตถุสิ่งของเป็นต้นเหล่านี้ได้จนไม่อะไรอาวรในวัตถุนี้เลยทีนี้มันยึดยองมันเชื่อมยองมันไม่ใช่แค่ให้ข้างในอย่างเดียวให้ข้างให้ข้างนอกอย่างเดียวให้ข้างในด้วยและมันเป็นการกล้าสละแม้กระทั่งชีวิตด้วยครับมองเห็นไหมที่สจริงมันพัฒนาจนสามารถว่าจากวัตถุทานนะเข้ามันกล้าที่จะให้อวัยวะเพราะอวัยวะไม่สําคัญแต่กุศลสําคัญกว่า ใช่ไหมแล้วก็ที่สุดจริงๆก็กล้าจะให้ชีวิตอย่างที่พ ร, ริษัทที่เทนาให้นี่เป็นต้นฉะนั้นตัววัตตัวกองทัพแห่งบารมีทั้งหลายมันเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนคุณธรรมภายในจริงๆนะคนที่จะขับเคลื่อนบําเพ็ญบารมีเหล่าเนี้ยพอจะมองเห็นไหมยากไหมเนี่ยยากไหมครับถ้าวัตถุสิ่งของนั้นเป็นของที่เรารักเราห่วงมันก็ไม่กล้าใช่ไหมเป็นงั้นไหม บางครั้งของนั้นไม่มีค่าเท่าไหร่นะแต่แต่กล้ากล้าที่จะสละกล้าที่จะให้ไอ้ตรงนี้ไอ้ความกล้าหาญอาถานตรงนี้เป็นบารมีอา้ามีใครจะถามอะไรใกล้จะหมดเวลาแล้วมีไหมครับอันนี้หมดมีไหมครับไม่มีเลยอ้อาฮะใกล้จะหมดเวลาแล้วมีไหมครับอาจารย์ สันตติไป้ว่าการสืบต่ออย่างยกตัวอย่างเช่นการสืบต่อของนามธรรมรูปธรรมเนี่ยมันจะมีการสืบตอบอยู่ต่อเนื่องเป็นตามลาดับแต่เราไม่สามารถที่จะไปเห็นความจริงตรงนี้ได้สันตตินะเนี้ยแต่ว่าจริงๆมันมีการสืบต่อตลอดเวลานะรูปธรรมและนามธรรมหรือกระแสชีวิตเนี่ยจากยืนไปเดินจากเดินไปนั่งจากนั่งไปนอนมันจะมีการเกิดดับสืบต่อเป็นไปตามลาดับนี่รูปธรรม แม้นามมาทำก็เป็นอย่างนั้นกระบวนการความคิดทุกความคิดครับจิตที่เห็นจิตที่ได้ยินทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นเลยเนีย้ยมันจะมีกระบวนการการสืบตอ่อเช่นมีการอาวชนะอารมณ์มีการเห็นมีการรับอารมณ์มีการไต่สวนเนี่ยมีการตัดสินอารมมก็เสพอารม์เป็นแต่ละขณะแล้วรับอารมณ์เป็นต้นแล้วก็ลงสู่ผวังเงนี้ยนะกระแสะความคิดเนี่ยมันจะเกิดดับสืบตอ่อเป็นไปตามลําดับอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าสันติคือการสืบต่อถ้าการสืบต่อของนามมาทำก็เรียกนามมาสันติ การสืบต่อของน้ำถ้าการสืบต่อของรูปธรรมก็รูปปัจจิตติการสืบต่อของรูปในกระแสชีวิตหนึ่งหนงเนี่ยมันจะมีทั้งรูปและน้ำมันจะมีการสืบต่อเป็นไปตามลําดับนี่ก็เรียกสืบต่อหรืออีกอย่างหนึง่งถ้าเรามองนี้ก็คือว่าบางทีเนี่ยไอการสืบต่อของสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดดับสืบต่อเป็นไปตามลําดับอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอันนี้จังมันไม่เที่ยงใช่ไหมครับแล้วมันกรเบียดเบียนบีบค้นนั้นมันมองยังงความไปทุกข์ยิ่ไปต้น พอจะเข้าใจไหมที่จะสื่อสื่อถึงอะไรครําว่าสั ต, ติในที่นั้นอ๋อคืออย่างนี้สันตติมันปิดกัน้นอนิจจงใช่ไหมอ น, นิจจลักษณะอียาบทปิดป้งปิดกั้นทุกแล้วก็คณะเนี่ยันปิดกั้นอนัตตาคือทําไมเราจึงญาณปัญญาเขาเรียกว่าอ น, นิจจานุปัสสนาปัญญาที่เข้าไปเห็นความไม่เที่ยงทาไมไม่เกิด มันมีอะไรปิดกั้นไว้ก็บอกมันมีตัวสันตติเป็นตัวปิดกั้นไว้เหมือนไงเหมือนเราแสงไฟนะครับที่ในหลอดนีออนเนี่ยเรามองไปที่ลก็เห็นแสงสว่างเราไม่เห็นการกระแสะของไฟฟ้าที่มันเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วนะครับไอ้ตรงเนี้ยจริงๆมันมีอยู่การที่เราไม่สามารถมียานปัญญาหรือมี ตัววัสดุอุปกรณ์ใดๆที่ไปไปโคดหรือไปส่งหรือไปโฟกัสเพื่อจะดูสิ่งนั้นเพื่อเห็นการไหลเวียนของการสืบต่อกันอย่างรวดเร็วเราไม่สามารถไปชะลอเห็นตัวตัวการเกิดดับของมันได้อย่างแท้จริงไอ้ตัวสืบต่อเราก็เลยมองเห็นว่ามันไม่ไม่เกิดดับนี่เหมือนกันกระแสะชีวิตเนี่ยแท้จริงมันเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาความจริงมันเป็นแบบนี้ แต่การที่เราไม่ได้พัฒนาตัวปัญญาให้เข้าถึงความละเอียดเข้าถึงความคมกล้าเราก็เลยไม่เห็นความจริงของสรรพสิ่งหรือของกระแสชีวิตมันไม่ใช่ไปบอกว่าหนึ่งเราฟังจากปัญญายาณของพระเจ้าว่ามันมีสันตติคอยปิดบงังอนิจจาลักษณะทำให้เราเห็นความไม่คำเราไม่สามารถไปเห็นความไม่เที่ยงได้นี่คือเราฟังมาจากสุดตะแล้วก็ไปคิดหาเหตุหาผล ว่คิดหาเหตุหาผลไปเสร็จไม่พอเราก็มาเดินเลยทียเนี้ยเดินศีลเด็กชวะเดินสมาธิพอจิตเป็นสมาธิหนึ่งจิตมีพลังจิตมีความตั้งมั่นใช่ไหมจิตมีพลังจิตมีความตั้งมั่นจิตมีความใสจิตมีความไม่หวั่นไหวจิตสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วไม่มีบนทินแล้วทีนี้พอจิตมีพลังเนี่ยมันเหมือนอะไรเหมือนเราขึ้นไปอยู่บนภูเขานะครับ แล้วก็เอาเอาน้ำเทลงมาจากยอดภูเขาแต่เราทำเป็นร่องนะเราทำเป็นร่องเป็นช่องเป็นทางไว้เวลาเทน้ำจากที่สูงน้ำมันจะพุ่งอย่างรวดเร็วเลยนะขะจัดสิ่งที่กีดขวางให้สามารถอันตรธานหรือว่ากะจัดกระจายไปได้แม้ชั้นใดสภาพจิตที่มีสมาธิก็จะมีพลังแบบนั้นแหละทีนี้ถ้าหากไปเทแบบกระจายมันจะพลาไปหมดเลยน้านั้นก็จะไม่มีพลังในการขจัดของเสียออกแม้ชั้นใด ตอนเนี้ทําไมใจทําไมสภาพจิตใจของเราไม่เห็นอันนี้จะลักษณะทําไมไม่เห็นการสืบต่อกันของสันตินั้นเพราะตอนเนี้ใจของเรามันเต็มไปด้วยราคะความกําหนัดเต็มไปได้วยความโกรธเขาเรียกโทสะความโกรธเต็มไปได้วยความหดหู่ท้อถอยเต็มไปได้วยความพุ่งสร้างลําคาญใจและความลังเลสงสยัยก็ละกามาฉันท่าความกําหนัดพยาบาทความโกรธทีนามีท่าความหดหู อุ้ยถ้าจากกุกจากความฟุ้งซ่านลาคาญใจความลังเลสงสัยเป็นต้นเหล่านี้มันกุ้มรุมจิตอยู่ทีนี้ถ้าต้องการอยากแค่ให้จิตมันใสจิตมันสะอาดจิตมันมีพลังจิตมันตั้งมัน่นก็ต้องฝึกสมาธิขึ้นมาเมื่อสามารถฝึกสมาธิจนมีพลังจนตั้งมัน่นจนใสสะอาดได้แล้วก็จิตสงบจิตนิ่งแล้วก็จิตใสมันเหมือนน้าเนี่ย น้ำในสระก็ดีน้ำในภาชนะก็ดีถ้ามันยังกระเพื่อมอยู่มันจะมองไม่เห็นข้างในน้านั้นแต่ถ้าน้ำนั้นใสแล้วแต่น้ำนั้นนิ่งสงบใสเนี่ยน้ำเราจะสามารถมองเห็นข้างล่างเห็นปลาเห็นเต่าเห็นปูเห็นขยะมูลฝอยได้แม้ชั้นใดเนี่ยเหมือนกันถ้าสภาพจิตของพวกเราเนี่ยฝึกไปได้อย่างนี้ฝึกให้เป็นสมาธิให้มีความตั้งมัน่น ให้มีความไม่หวั่นไหวให้เป็นจิตที่มีพลังให้จิตที่มีความแข็งแรงจิตที่สะอาดเยี่ยมอ่องฟองแผ้วไม่มีมลทินจิตประเภทนี้เมื่อมีความตั้งมัน่นแล้วเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาพอปัญญามาสายจิตประเภทนี้เข้าไปเจาะทะลุทะลวงมันจะเห็นแต่ตอนนี้เรามองไงก็ไม่เห็นครับหลับตาก็ไม่หลับตาเพาื่อจะวิจัยไม่เห็นเหมือนกับเรามองไปที่กระแสชีวิตเราแล้วก็เห็นทึบหมดเลยไม่ไม่เห็นแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งสมาธิตั้งมัน่นแล้วทําญาณปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็จะเห็นความ ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของกระแสชีวิตอย่างชัดแจ้งก็เพราะว่าปัญญาได้จิตที่ใสสะอาดและจิตที่แข็งแรงและตั้งมั่นนี่เป็นไปรักณะแบบนี้งั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมเราไม่เห็นความสืบต่อกันของกระแสของรูปนามขันห้าทําไมเราไม่เห็นความเป็นทุกข์เพราะมันถูกอียาบทมีการยืนเดินนั่งนอนคอยเบียดคอยบดคอยบังไว้ทําไมเราเห็นเป็นกลุ่มเป็นแท่งทึบทําไมไม่เห็นความเป็นกระจัดกระจายเป็น เห็นเป็นเหตุปัจจัยที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยยังไงก็เพราะว่าเนี่ยปัญญาตัวนี้มันไม่ไม่ได้มีที่อาศัยคือสมาธิที่แข็งแรงสมาธิไม่มีศีลเป็ น, นตัวอาศัยมันก็เลยไม่สามารถไปเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ได้เพราะจะมองเห็ น, นยังยากไหมเนี่ยยากใช่ไหมจริงจริงไม่ยากถ้าเราตั้งใจที่จะฝึกให้มันเกิดขึ้นมีใครจะถามอะไรไหมอาจาร อ๋อไม่มีปฏิสัมพิทาสี่เนี่ยกิเกี่ยวกับเป็นภาริ้นมีอภินญาห้าสมาบัติ8ก็มีปฐมฌานทุติยะฌานตติยะฌานเจตุยะฌานนี่ก็เรียกว่ารูปฌานสี่แล้วก็มีอาการสารนันจายตนะฌานนี่รูปฌานที่หนึ่งวิญญาณันจายตนะฌานในรูปฌานที่สองอากินจัญญาเยตนะฌานในรูปฌานที่สแล้วก็นิวาสัญญาณาสัญญาเยตนะฌานนี่รูปฌานที่สี่เพียยสมาบัตแ8รูปฌาน4ี่รูปฌานสี่แล้วก็ตามไปเรียกอภิญญาห้า นี่เขาเรียกว่าถึงพร้อมได้คุณคือคุณสมบัติเหล่าเนี้คือคนที่กล้าหารอาถารที่จะไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าและปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าคุณต้องมีคุณสมบัติรองรับเหมือนต้องมีคุณสมบัติท่านถึงจะพยากรณ์ว่าโอ้ที่ท่านพยากรณ์ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะปากท่านศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่นะครับท่านเห็นว่าท่านผู้เนี้ยคุณสมบัติพร้อมเพียงพร้อมมูลและได้เป็นแน่นอนท่านก็เลยรับรองตามคุณสมบัติของเรา ไม่ใช่ว่าเหมือนหมอดูไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอดูไงครับเหมือนมาเห็นอย่างเราปุ๊บเนี่ยท่านจะให้พยากรณ์เราท่านกำลังไปพยากรเพราะบุญเราไม่ถึงถ้าเราย้อนดูเหมือนกับพระนางพุดศดีจําได้ไหมไปขอพอรเสริประการจากพระอินทร์ขอให้ผมตนเองงดงามเนี่ยขอให้ไวยงามขอให้ถันไม่หย่อนยานเบี้เตอร์เหล่านี้ยการที่ไปขออย่างนั้นน่ยพระอินทร์เนรมิตให้ได้ไหมไม่ใช่กําลังบุญของเธอ เธอให้ทานมารักษาศีลมาเจริญกุศลกรรมบทมาอย่างแข็งแรงอย่างประณีตอย่างอุกฤษและเธอตั้งจิตปรารถนาอย่างนั้นพระอินทร์ก็ดูว่าเธอจะได้ไหมเวลาได้ก็เลยให้พรให้ตามที่เธอปรารถนาแท้จริงไม่ใช่พระอินทร์เป็นเนรมิตรนะครับแท้จริงเนี่ยพระอินทร์ก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะเนี่ยท่านผู้นี้จะได้จริงไหมกําลังกุศลที่เธอทํามาบอกก็เลยบอกเอา้าให้ให้สมปรารถนาแท้จริงเป็นการที่บุญของของเธอทําเอง เหมือนเราไปขอพอรจากไอ้หลวงพ่อเสือธรนะรอย่างชาวพุทธไปเนี่ยไปถึงก็เอาแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีลูกเนี่ยนะได้ลูกหญิงลูกชายก็ไปขอกันใช่ไหมครับถามว่าหลวงพ่อเสืธรจะไม่ให้พรคนได้ไหมไม่ได้หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกําลังกุศลของคนนั้นมันมีอยู่เขาทําบุญเขาให้ทานเขารักษาศีลเขาเจริญกุศลมาเขาจะได้ลูกเทพเทวดารักทั้งหลายก็ดูอ๋อก็เลยให้พรแทนแท้จริงเนี่ยก็ พระพุทธโลกศิกษย์ทั้งหลายก็มีเทพเทวดาเหล่าเนี้เข้าไปอารักขาอยู่ก็เลยบอกเออขอให้สมปรารถนานะแท้จริงมันบุญของเขาเนี่ยมันได้เห็นไหมคนบางคนก็ผิดหวังบางคนก็สมหวังไอคนที่สมหวังก็ทําเจริญกุศลของเขามันลักษณะนี้การขอของชาวพุทธเนี่ยมันต่างจากการขอของคริสต์และอิสลามของเราเนี่ยขอเนี่ยแท้จริงเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคนคนนั้นจะมาดลบันดาลให้เราท่านมาพิจารณาดูว่า อ, อ่าพอพูดเรื่องนี้อย่พูดอีกเรื่องหนึ่งคือมีพระราชามหากษัตริย์เมืองหนึ่งท่านไม่มีลูกแล้วก็มีอามาตย์เนีเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนกันทีนี้ไม่มีลูกสืบทอดเนี่ยก็ทกใจมากจะทํำยังไงดีนะเออทำยังไงถึงจะมีลูกใช่ไหมครับทํำยังไงถึงจะมีจะมีจะมีะมคนสืบทอดราจะบรรลังเนี่ยไปๆมาๆก็เลย ให้สัญญสัญญากันกับเพื่อนที่เป็นอำมาตย์เนี่ยบอกว่าเป็นเราก็ได้เป็นอำมาตย์เป็นคุณก็ได้เป็นเธอเป็นเป็นเป็นเพื่อนก็ได้ถ้ามีลูกแล้วก็จะให้สืบทอดอำนาจก็ไม่มีทั้งครูเลยไม่มีกำลังบุญไม่มียังไงก็ไม่รู้ทีนี้ประโยชน์ต่อมาวันหนึ่งก็คือเพื่อนเนี่ยก็ไปออกว่าราชกิจแทนเพื่อนไปไปก็ไปเห็นคนจนคนจนอุ้มอุ้มเด็กมาสองโจงอีกห้าก็เลยถามนี่ใครบอกลูก โอ้โหมีลูกเจ็ดคนก็เลยถามว่าทําไงถึงมีลูกเจ็คนเนี่ยก็เลยชี้ไปที่ต้นใจอ่ะมันนี่ไปขอให้เทวดาที่ต้นใจเนี่ยโอ้โหได้เรื่องเลยตอนเนี้ยก็โอ้โหได้เรื่องแล้วก็เลยโอ้โ ห, หเทวดานี่ลําเกียงลําเอียงเหลือเกินอ่าบอกว่าพระราชามหากษัตริย์อยากมีลูกกับไม่มีกับไอ้นี้จนแทบตายไม่ให้ลูกมันอยู่นี่แหละพะเจ้าอยูม่มากรอดใครกรอดเทวดานี่แหละก็เลยขี่ช้างไปพร้อมด้วยบริวารก็ไปที่ต้นใจเนี่ย ก็ไปถึงก็ไปชี้ตะโกนตำหนิเทวดาว่าอเทวดาหลมเอียงเกินเนี่ยทำไมไปให้ลูกคนจนๆทำไมพระราชาหากรัดเมื่อแต่เราเนี่ยไม่มีลูกดูที่จะสืบทอดสันตติวงศ์ก็ไม่มีแล้วต่อไปจะทำยังไงประเทศชาติไม่มีคนสืบทอดเนี่ยฉะนั้นบอกว่าให้เวลาเจ็ดวันนะให้ไปทำนิมิตหมายเพยื่อจะให้ลูกแกเราแ ก, แกพระราชา ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าครบเจ็ดวันน่ะไม่ไม่แสดงอภิธิหารเพื่อจะให้ลูกเนี่ยจะเอาทหารมาเอาไฟมาเผาตัดให้เกลี้ยงเลยแล้วก็กลับไปพอวันที่สองมาใหม่ก็มาตะโกนตาหนิอย่างเงี้ยตะโกนพูดอย่างเงี้ยผ่านไปวันหนึ่งแล้วนะไม่มีอะไรแว๊บๆเลยอะ่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หก วันที่หกมาพอครบวันที่เจ็ดก็มาเลยเดี๋ยวนี้มาตอนเย็นเย็นกลางคืนเนี่ยเทวดาอยู่ไม่ได้เทวดาก็รีบออกมาห้ามบอกว่ากำลังเดือดร้อนอยู่อย่ามาทำลายที่อยู่ของตนเองเลยว่างั้นเถอะก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่ามองดูแล้วทำยังไงเนี่ยพระราชาก็ไม่มีลูกกำลังกุศลไม่พอแต่ท่านเนี่ยมีได้ คือไปขอร้องกลุ่มเทวดาแล้วมีเทวดากลุ่มหนึ่งเขาจะมาเกิดให้แต่มีข้อแม้ถึงมาเกิดแล้วก็ไม่สามาเขาก็ไม่เป็นกษัตริย์นะเขาจะออกบวชกันหมดแหละสี่คนเนี่ยให้สี่คนด้วยแต่เขาเขาจะไม่ยอมเป็นกษัตริย์แล้วเขาจะออกบวชถ้าเขามามาแบบนี้เขายอมมาจะทำไงบอกเอาคอยมากันแล้วกันไอ้เรื่องที่จะให้อยู่สืบสันตติวงศ์หรือ เป็นกษัตริย์เนี่ยเป็นหน้าที่ของชั้นเองวันนั้นเดอดก็เลยกลับไปก็ยังแล้วต่อมาภรรยาก็ท้องแล้วคลอดลูกออกมาเลยก็ไปปรึกษาพระราชาพระราชาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามีวิธีนี่คนมันอยากแก้วก็พอคลอดลูกคนที่หนึ่งก็เอาไปให้นักเลงมาเลี้ยงนี่แล้วก็ในประเทศนั้นอนะไล่นักบวชออกให้หมดไม่ให้เห็นสัญลักษณ์ของนักบวชก็จบใช่ไมล่ะวิธีแก้ปัญหาแก้ได้ไหมแบบเนี้ย ใช้กับพระโพธิสัตว์ไม่ได้ใช้คนอื่นได้คนที่มาเกิดคือพระโพธิสัตว์ไงถ้ายังใช้กับพวกเราเนี่ยเรียบร้อยเลยถ้าไปเกิดเนี่ยไม่ต้องไปใช้ถึงขนาดนี้เราแค่ไปเกิดคนรวยนี่ก็จมแล้วครับไปไม่เป็นแล้วที่จะคิดอยากจะบวชอยากจะบำเพ็ญบารมีนี่ไม่ไปไม่เป็นทีนี้ก็ให้กับคนเลี้ยงช้างบางคนเลี้ยงม้าบางนักเ้ยงบ้างแล้วก็ไม่ในประเทศนั้นไม่มีนักบวชเลย นันโตขึ้นมามันก็โอหเป็นนักเลงใหญ่เลยใช่ไมเ ด, เด็กเด็กเราเนี่ยมันได้สิ่งแวดแล้อมคำหยาบบ้างเป็นนักเลงบ้างกักขะบ้างต่อยตีบ้างชกต่อยบ้างใจมันก็เฮกเขื่ไปทางด้านเนี้ยเพราะให้เหตุปัจจัยมันแบบเนี้พอเห็นอย่างนั้นเบสเสร็จพอมันโตขึ้นมาแล้วก็เลยสองเพื่อนกันที่เป็นพระราชาก็เลยลองดูที่ว่าเออตอนเนี้ยมังคงไม่มีอัธยาสายัยแล้วก็เลยต้องเอาชุดนักบวชมาใส่ปลอมไปแล้วก็ลองไปหาดู พอเห็นชดนักบวชแค่นั้นน่ะกลับลำทันทีครับไอคนนั้นออกบวชเลยเี่ยห้ามยังไงก็ไม่ยอมฟังแล้วพอที่เหลือทั้งหมดน้องๆทั้งหมดที่ออกมาออกบวชหมดไปไปมามาพระราชาก็ดีผู้นำผู้บริหารประเทศในในใ น, ในประเทศนั้นนี้ก็พากันออกบวชนี่เป็นต้นเหมือนในเตมียาชาดกนพระราชามหากษัตริย์ก็ออกบวชเนี่ยคนที่มีกําลังบุญอย่างระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มีพลังตรงนี้สูงครั มีความสามารถสูงมีศักยภาพสูงมีปัญญาค่อนข้างสูงเหมือนวิทูระบัณฑิตใช่หไหมเห็นไหมนะดูความสามารถที่ที่ว่าไปสู้กับ ก, บ, ก บ, บิระยักษ์ใช่ไหมเออนนท์ใยักษ์ที่ว่าแปลงกายมามาต่อมามาแข่งขันกับพระราชาแล้วพระราชาแพ้แล้วต่อมาที่บรมเพ็ญสัจจะบารมีแล้วก่อนต่อมาก็ถูกจับไปถูกยักษ์นี่จับไปที่ยักษ์จับไปจะไปเมืองพญานาคที่จะควักหัวใจของวิทูระบัณฑิตนะให้กับไป ภรยาของพญาหน้ากินนั่นแหละถ้าจริงเป็นอุบายของภรยาพญาน้าก็อยากจะฟังคำรรของวิทุรับัณฑิตแล้วก่อนที่จะไปวิทุลรบัณฑิตก็ให้ให้กระเบืองให้ยักษ์เนี่ยให้ยักษ์เนี่ยไปอยู่ที่บ้านแล้วก็บำรุงดูแลอยู่เกือบเจ็ดวันมั้งแล้วก็ออกมาที่พอมาเบสเสร็จไอ้เจ้ายักษ์เนี่ยที่แปลงกายเป็นมนุษย์เนี่ยต้องการจะฆ่าใช่ไหมก็เลยจับขาของยักษ์ขึ้นไปบนหน้าผาแล้วก็ห้อยหัวลงอ่ะ เพราะจะฆ่าเออวิทูรบัณฑิตเนี่ยไม่สะทกสถา น, นถ้าอย่างเราครับมีใครคนนึงครับขึ้นไปบนยอดนั้นจับขาเราหัวห้อยร้องขอความช่วยเหลือไหมไม่เหลือร้องจากเลยจะไปแล้วทําไงก็ได้แต่นี่ท่านไม่สะทกสถานไม่หวั่นไหวแล้วมีสงบเงยือกเยน็ยนยักษ์นี็ตกใจ ấy. เพราะเคยฆ่าใครแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมีจะร้องขอชีวิตแต่ท่านคนนี้ไม่สะทกสถทานไม่หวั่นไหวก็เลยถามว่าเออท่านเป็นอะไรทําไมท่านไม่กลัวตาย วิธุระับิตก็บอกว่าเราไม่เคยทำกายะทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตเราไม่เคยตีเตียนพริยาเจ้าเราเป็นคนมีหิริโอตปาเราเป็นคนมีกระตัยูกระตะเวทีเราจะไปกลัวตายทำไมถ้าตายเราก็ได้ดีกว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมบริบูรณ์มากกว่าเดิมไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยสังสารวัตเพราะเราทาดีไว้อย่างแข็งแรงและมั่นคงแล้ว คนที่กลัวตายก็คือคนชั่วที่คนทาบาปที่ยักษ์มือสั่นไหมเจ้าหมายแล้วเราเนี่ทําชั่วก็จะยังแล้วคนอกตันยูที่เป็นคนที่ควรน่ากลัวตายก็ยากษระถามบอกว่าไอ้คนอักตันยูเป็นยังไงก็คนไม่รู้จักบุญคุณของคนไงคนเขาอุปการละแล้วก็ยังไม่กับไม่ไม่ไม่ไม่ไม่รู้บุญคุณของคนที่อุปการละไม่ทําการตอบแทนไปต้นโอ้ยเธอเดินละอายใจเลยโอ้ยเหล่านี้อักตันยูแท้ท่านผู้นี้ดูแลเรามาทั้งสามวันเจ็บกัน เรากลับกายจะมาปัดทุสร้ายเขาจะมาฆ่าเขาไอาพราะผู้หญิงคนหนึ่งแท้ๆไอพราะความรักแท้ๆเนี่ยโอ้โหก็เลยมาช่วยแล้วก็เลยดึงขึ้นมาแล้วก็ไว้ชีวิตแล้วก็พาวิทูลวิทูลรบัณฑิตก็เลยไปด้วยในเมืองขบยาหนาาพอไปเบสเสร็จก็เหมือนจับไปอะยอมให้ถูกให้จับไปพอเดินไปในพญานาคเขาก็พากันหมอบกันหมดใช่ไหมหมอบก็ไม่พระราชาพระราชาก็ถามบอกทุกคนกลัวตายมันล้นแต่หมอบให้เราทั้งนั้นทําไมท่าน ยืนประจันหน้าคุยกับเราวิทย์ระณบิตว่ากดข้อแรกของของอของนักโทษประหารเนี่ยหนึ่งจะไม่ยอมก้มหัวหรือไม่ยอมเคารพผู้ที่จะสั่งประหารตัวเองนั้นตัวเองไม่เห็นความสาคัญในการที่จะต้องมาเกรงกลัวหรือจะต้องก้มศรีรษะให้กับคนที่สั่งฆ่าตัวเองนี่วิทยและในส่อจริงๆก็สนทนาธรรมก็ถามบอกว่า ถามพระราชาในเมืองพญานาคบอกว่าทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติเกียรติยศชื่อเสียงท่านเนจะได้มาเพราะอะไรได้มาเพราะทานใช่ไหมเพราะศีลใช่ไหมได้มาเพราะกําลังกุศลกรร ม, มบทใช่ไหมจึงมีคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่พระราชาที่อยู่ในเมืองพญานาคก็บอกว่าใช่แล้วส่วนที่ท่านจะปะัสสาวะ้ายเราจะฆ่าเราเนี่ยอันนีใ้ใช่เป็นการทํากุศลไหม <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเห็นไหในกรณีคนที่ฉลาดคนที่มีปัญญาเนี่ย ปัญญาเนี่ยไปหนาที่ไหนมันแก้ไขสถานการณ์ได้หมดเขาให่ยังเนี่ยเป็นไปลักษณะแบบนี้เนี่ยสมควรเก็เวลายอย่ยงมีใครอยาับาแล้วหมดแล้วนะอ่างกันไหว้พระ